ข้างบ้านยังรกเป็นป่าหญ้าคาแล้วก็มีป่าไผ่ด้วยรอบทั้งบริเวณสี่ด้านเลยส่วนในศิลก็รีบจัดแจงเข้าไปกรีดยางที่ในสวนเพื่อที่จะได้เงินมาใช้ใจ่ายเพราะว่าตอนนั้นมีเงินติดตัวมาไม่มากก็ต้องรีบกรีดยางเพื่อจะได้ขายเอาเงินมาไว้ใจเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่คุณวันดีเองก็ต้องเลี้ยงดูลูกอยู่บ้านทั้งสองคนในศิลป์ต้องลุกขึ้นตั้งแต่ ตีสก็ไปกรีดยางที่สวนคนเดียวพอแปดโมงเชา้าในสินก็จะหาบน้ำยางกลับมาบ้านก็จะแจงทำเป็นแผ่นพอเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวกินปลาก็นอนพักผ่อนหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็จะลุกขึ้นถางหญ้าที่ขึ้นรกร้างข้างบริเวณกระท่อมนี่ยพยายามถางวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆเตียนขึ้นแล้วก็ขุดปวนดินจนร่วนหามเมล็ดพืชผักมาปลูกเพื่ อ, อไว้กินในครครัว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 เดินไปดูที่ในโรงทําแผ่นยางก็เห็นรอยเพิ่งจะทําเสร็จไปใหม่ๆเขาก็เดินหาดูรอบๆ บ, บ้านก็ไม่มีก็เดินไปดูที่แปลงผักเห็นในสินนี่นอนแน่นิ่งข้างๆตัวมีจอบตกอยู่คุณวันดีก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาออกเขย่าร่างว่าเป็นอะไรไปพอพยายามถามก็ดึงมือให้ลุกขึ้นในาสินยังคงนอนตัวสั่นหน้าซีดไม่ยอมพูดอะไร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 แล้ววิจะกล้าออกไปกรีดยางตอนมืดๆได้ยังไงล่ะทีเนี้ยก็มันเป็นอาชีพของเราจะทํำยัำยงไงได้ก็ต้องทําไปอแล้วอีกอย่างฉันว่ามันคงไม่อยู่ในที่แห่งเดียวแล้วมันคงไปที่อื่นแล้วก็ได้ฉันจะไปให้สายฟักก่อนสักหน่อยเห็นจะต้องมาหาหมามาเลี้ยงไว้สักตัวอ อ, อมันจะได้พามไปเป็นเพื่อนดีในสวน เธออยู่กับลูกก็ระวังอย่าเดินไปไหนนอกบ้านจนกว่าฉันจะมานะในสินก็นอนไม่สบายอยู่เกือบอาทิตย์พออาการดีขึ้นก็เข้าไปกรีดยางแม้ว่าวันดีจะขอให้นอนพักใครหายดีซะก่อนก็ไม่ฟังอ้างว่ากลัวลูกจะอดวันดีก็ไม่ทัดทานก็ปล่อยให้ไปทําก็ไม่วายจะเป็นห่วงออยู่ที่บ้านสองคนกับลูกกลัวว่าจะเจองูต่อมาในสินก็เอาลูกหมามาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ หาไก่มาเลี้ยงไว้ด้วยห้าหกตัวเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองต่อมามันก็ไข่แล้วก็ฟักลูกออกมาหลายตัวแต่ว่านายสินไม่ได้ทำเล้าให้มันนอนมันบินขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้ข้างบ้านไอ้ตัวที่ลูกอ่อนก็นอน ก, กกลูกอยู่บนพื้นริมชายคาข้างฝาบ้านด้านนอกตอนหัวค่ำคืนหนึง่งตอนที่วันดีกับนายินกาลังนั่งกินข้าวกันอยู่ ก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องดังปะ๊ะกก็ไม่ได้ออกไปดูคงนั่งกินข้าวโดยไม่ได้สงสัยแต่ประการใดสักพักก็ได้ยินเสียงลูกไก่ร้องเจี๊ยบเจียบเียบดังกันเซ็งแซ่ไปหมดในสินก็เลยคว้าไฟฉายเปิดประตูออกไปดูหลังจากที่ส่องไฟฉายอยู่สักครู่หนึ่งเสียงในสินก็ร้องเรียกวันดีบอกนี่เธอเอเร็วเข้ามาดูสิงูตัวใหญ่เบ้อเลยมันมาเอาลูกไก่ไปกิน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 ควานมือคลําไปหาไฟฉายที่อยู่ข้างหมอนมาส่องดูให้รู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรวันดีก็คิดว่ามันคงจะเป็นลิงหรือว่าสัตว์ใหญ่อะไรสักอย่างแน่ๆนะฟังจากเสียงที่มันร้องก็พยายามรวบชายมุ้งเอามาเนบไว้ใต้ที่นอนปะคร ว, ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาบนเตียงก็หันไปคว้าลูกสาวขึ้นมากอดไว้แนบอกแล้วก็ในาสินค่อยๆก้มตัวลงไปมองพร้อมกับไฟฉายฉายไปที่ใต้ตเตียงตรงที่มีเสียงร้องอยู่ แล้วก็เห็นในสินนี่ทำตาโตท่าทางตกใจเหมือนกับเจอสิ่งประหลาดปากก็ร้องเรียกให้ดูนี่เธอมาดูสิเนี่ยเองูใหญ่ตัวเนี้ยในสินรีบพระโวกวัวขึ้นมาเห็นในสินทำท่าตกใจด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าก้มหน้าลงมาดูบ้างแทบจะช็อกตกกระลึงร้องไม่ออกโอ้โหมันช่างใหญ่อะไรอย่างนั้นมันโคตรงูแท้ๆเลยหัวมันเป็นสามเหลี่ยมสงสัยจะเป็นงูกระป๋ะ ตัวโ ต, วตวขนาดเท่ากับคนแขนคนอ้วนๆเลยเชียวอ่าก็ถามว่างูกระปะใช่ไหมพี่ทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนั้นนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวเธอคอยระวังอุ้มลูกไว้ดีๆนะเดี๋ยวฉันจะฆ่ามาให้ตายเลยเสร็จ แ, แล้วนายสินก็ออกจากองไปเอาเหล็กเสียมที่เขาใช้ขุดหลุมพร้อมกับขวานมาแล้วก็ค่อยๆเอาเสียมนั่นปักลงบนลำตัวของงูตัวนั้นซึ่งอยู่ระหว่างฝาบ้านกับซอกเตียง แล้วก็เอาขวานมาตอกลงบนด้ามเสียมเสียงก็ปักลงบนลำตัวงูตัวนั้นมันดิ้นส่งเสียงร้องดังลั่นไปหมดเสียงมันเหมือนไม่ใช่เสียงงูน่าจะเป็นเสียงลิ่งเสียงข้างมากกว่าในศินตอกจนลำตัวมันขาดออกจากกันเป็นสองท่อนเพราะตัวมันขาดออกจากกันไข่ที่อยู่ในท้องก็ทะลักออกมากองใหญ่เป็นร้อยๆยฟองปะปนกับเลือดส่งกลิ่นเหม็นคละรุ่งไปหมดในสินก็ลากซากงูออกมาแล้วก็คุลหลุมฝัง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 คืนนั้นประมาณตีสามเสร็จๆก็มีเสียงร้องเหมือนกับคืนก่อนนั้นแหละในสินก็สะกิดให้วันดีตื่นแล้วก็จุดตะเกียงขึ้นสว่างในสินก็เตรียมเสียมมีดขวานไว้ในห้องครบหมดแล้วพอได้ยินเสียงงูประหลาดนั้นร้องนั่นในสินก็กลมลงดูอ่าก็ดูกันทั้งผัวทั้งเมียละในสินก็บอกโอ้ยคุณพระช่วยจีมันตัวตายตัวแทนได้ออยังไงเพราะว่ามันเป็นงูใหญ่ขนาดเท่าเดิมน่ย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 ไม่สบายให้ไปด่วนในศินก็จําเป็นต้องไปแล้วก็ให้วันดีอยู่บ้านกับลูกนะก็บอกว่านี่เธอฉันต้องไปธุระสักพืนแล้วจะรีบกลับมานะเธออยู่ทางนี้กับลูกนะถ้าไม่กล้าอยู่ตามลําพังเดี๋ยวจะไปวานน้องแดงลูกพี่เอื้อนมาอยู่เป็นเพื่อนคืนนี้แล้วในสินก็ไปทุ่งสงวันนั้นอนะ่ะพอในศินไปแล้วคุณวันดีก็อยู่กับลูกสาวสองคนพอลูกนอนหลับวันดีก็ทํางานบ้านเจ็ดถูปัดกวาด ไอ้หนว่งในนี่ทําความสะอาดในบ้านก็เหลือบไปเห็นถุงกระดาษเก่าๆขี้ฝุ่นจับเกะกลางแขวนอยู่ที่ข้างฝาบ้านในห้องแหละแกก็เอื้อมมือไปปลดลงมาเพื่อจะปัดฝุ่นพอเอามือไปปลดถุงก็รู้สึกมันหนักๆมันมีอะไรอยู่ในรู้สึกมันดิ้นคลุกคลักก็คิดว่าคงจะเป็นหนูเข้าไปอยู่ก็รีบรวบปากถุงเอาไว้กะว่าจะตีมันให้ตายเพราะโมโหที่หนูมันชอบกัดเสื้อผ้ากัดของ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 ในขณะที่ป่าไม้ยังไม่หมดไปจากผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าในป่านี้นอกจากจะมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่แล้วก็ยังมีพวกพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ตามป่านั้นอีกด้วยพูดผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในป่านี่จะทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากการเบียดเบียนของมนุษย์ถ้ามนุษย์ก็ไปทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวอานาจของพูดผีเหล่านั้นก็จะถูก พูดผีที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลสัตว์เนี่ยลงโทษให้ได้รับความวิบัติต่างๆแนละอาจจะถึงชีวิตได้นอกจากพูดผีปีศาจจะทําหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าแล้วยังน่ า, าทำหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งซึ่งเป็นสมบัติที่อยู่ในป่านั้นจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามมนุษย์จะเข้าไปเอาสิ่งที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าไม่ได้เลยเขาเชื่อกันว่าผีห่วงและเพราะเหตุ ที่คนไม่กล้าไปเอาสิ่งของในป่าของมีค่าก็เลยมีมากมายล่อตาล่อใจคนอยากให้อยากได้สิ่งของเหล่านั้นจนกระทั่งต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นขึ้นระหว่างคนกับผีป่าขึ้นในภายหลังเมื่อผีมีของแลกเปลี่ยนผีก็อนุ ญ, ญาตให้คนเข้าไปเอาของเหล่านั้นได้แต่ต้องซื่อสัตว์ต่อกันการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างมนุษย์กับผีป่านี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้วก็ทําให้ คุณเคยสนิสนมกันขึ้นในภายหลังมนุษย์อยากได้อะไรจากผีป่าก็ามักจะหาอาหารไปเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอาหารที่ว่านี่ก็ไม่พ้นอาหารที่มนุษย์ชอบกินน่ะแหละหมูไก่เป็ดไอ้ที่ขาเสียไม่ได้คือเหล้าเมื่อประมาณหกสิบกว่าปีมาแล้วท้องที่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเต็มไปด้วยป่าดงดิบเรียกว่าชาวบ้านปลูกบ้านอยู่กันกลางป่าดิบทีเดียวแหละ อาชีพหลักก็คือหาของป่ามาขายการทำนานีเป็นอาชีพรองการทำนานแต่พอกินของตัวไม่ได้ทำเป็นการค้าด้วยเหตุนี้มนุษย์กับผีป่าก็เลยไปมาหาสู่กันเสมอมาทุกครั้งที่ชาวบ้านเขาไปหาของป่าในป่าก็จะต้องนำอาหารไปให้ผีป่ากินด้วยก็มีไก่ต้มสุกแล้วตัวหนึ่งหมูชิ้นหนึ่งน่าเหล้าขวดบา ง, งทีกลัวผีป่าจะไม่พอใจก็บอก ให้เล่าหนึ่งหายบางครั้งผีป่ากินอาหารที่คนเอาไปให้ซ้ำๆซากๆองชักเจะเบื่อก็มาเข้าฝันคนโน้นคนนี้ขอโน่นขอนี่ก็มีบางคราวมาเข้าฝันอคนมีทองเมื่อขออย่างนี้คนก็ให้ไม่ได้เมื่อคนไม่ยอมให้ผีป่าก็จะเอามาเข้าฝันร่ําไรอ่าจะเอาคนสี่หูสีตาให้ได้อ่า หมอผีก็ไล่จะเพิดไม่ให้ผีป่าเข้ามาวุ่นวายกับคนของในบ้านคนมีท้องก็จะได้รับความคุ้มครองจากหมอผีโดยหมอผีจะปาดรางควานให้แล้วก็ทำตะรุดกันผีป่าไว้คล้องค อ, อทำแค่นี้ผีป่าก็ถอยแล้วการครบค้ากับผีป่าบางครั้งก็บาดหมางกันบางครั้งก็ดีกันเอาแน่นอนไม่ได้ก็มีบ้างเหมือนกันที่ผีป่าโกรธจัดหาว่าคนไปนลบลู่ดูถูกก็ลงโทษเอาถึงตายทีเดียว การลงโทษของผีนี่ทำได้อย่างเดียวคืออยู่ๆก็ตายลงแบบไม่มีสาเหตุนะแบบที่เรียกกันว่าไหลาตายนั่นแหละการลงโทษของผีป่าก็มักจะเกิดจากคนเราไม่เคารพยำเกรงโดยเฉพาะแล้วผีป่าชอบสงบสงี่ยมไม่ชอบตลกขนองไม่ชอบร้องรำทำเพลงหากว่าไปทำในสิ่งเหล่านี้ผีป่าก็จะโกรธมากการเข้าไปหาของปา่าชาวบ้านจะออกไปหากันทุกวัน การหาจะแยกย้ายกันไปสุดแต่ใครจะถนัดทุกวันก็ต้องเอ า, อาหารไปส่งเบยผีซะก่อนแล้วก็ลงมือเก็บของป่าได้วันนั้นนางทองสุขชาวบ้านคลองงูเห่าซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกระ บ, บินบุรีออกไปหาของป่าตามปกติก็จัดหาอาหารไปอา่าว่ายผีป่าทุกวันนางทองสุกกินบ้างผีป่ากินมั่งเขาเรียกว่ากินด้วยกันโดยที่ไปตั้งสารเล็กๆ เ, เอาไว้ให้แห่งหนึ่ง บางครั้งก็เมาเหล้าเมาทั้งผีปา่าทั้งคนเนี่ยนางทองสุกกับผีป่าก็ดำเนินชีวิตติดต่อกันมานานนางทองสุกอยากจะได้อะไรก็มาบนบานสารกล่าวผีปา่าผีป่าก็มาเข้าฝันบอกให้ไปเอาก็ทํากันอย่างเนี้ยสืบมาคือนั่นนางทองสุกก็ฝันไปว่าผีป่าได้อาศัยเกาะมากับปีกหมวกที่นางทองสุกสวมอยู่นำ ม, มาถึงบ้านว่าจะมาอาศัยอยู่ด้วยรุ่งเช้านางทองสุกก็เล่าให้สามีฟัง สามีก็ดีใจเพราะว่าผีป่ามาอยู่ด้วยนจะได้หาของป่าง่ายขึ้นก็จัดทำหิ่งไว้ให้ผีป่าอาศัยไว้ในห้องและเชิญในผีป่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่หิ่งนั้นผีป่าที่ว่านี้เป็นผีป่าผู้หญิงครับหลังจากนั้นนางทองสุกก็ตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงโดยลืมเรื่องที่ผีป่าขออาศัยอยู่ด้วยไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของนางแต่ก็ยังจัดอาหารเลี้ยงผีป่าเป็นประจำทุกวัน นางทองสุกเลี้ยงบุตรที่คลอดมาจนเติบใหญ่อายุประมาณสักขวบถึงทุกวันลูกก็จะร้องไห้ชี้มือไปที่อของที่นางทองสุกจัดไว้เลี้ยงผีป่าจะเอาของเหล่านั้นเมื่อไม่เอามาให้ก็ร้องไม่หยุดนางทองสุกก็ต้องตามใจพอเอาลงมาจากหิ้งลูกก็จะกินอาหารนั้นแม้กระทั่งเหล้าเหตุการณ์ก็ได้ผ่านมาตามลาดับจนลูกของนางเติบโตก็ได้ช่วยกันออกหาของป่าเรื่อยมา ครั้งหนึ่งขณะที่นางทองสุกพาลูกของตัวเดินผ่านสารที่ปลูกไว้ให้ผีป่าอาศัยอยู่กลางป่านั้นลูกก็ชี้มือให้นางทองสุกดูทั้งๆังที่สารแห่งนั้นผุพังไปหมดแล้วไม่เหลือให้เห็นคงมีแต่ต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งสารเหลืออยู่เท่านั้นโดยที่เด็กก็บอกนางทองสุขผู้เป็นแม่บอกว่านี่ไงบ้านเก่าที่เคยอยู่บ้านที่แม่ปลูกไว้ให้คราวนั้นเคยได้กินอาหารด้วยกัน นางทองสุขได้ฟังลูกเล่าให้ฟังว่าขนลูกสู้หันมามองดูลูกสาวเวลานั้นลูกสาวมีอายุได้แปดขวบนางทองสุขก็ดุลูกหาว่าพูดเหลวไหลก็รีบพาหนีออกไปจากตรงนั้นนอกจากลูกสาวจะชี้ให้นางทองสุขดูบ้านเก่าที่เคยอาศัยแล้วลูกสาวยังชี้ให้ดูสถานที่ที่เคยพานางทองสุขไปเก็บหาของป่าตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างให้นางทองสุขดู นางทองสุกเองก็คิดว่าเป็นนิสัยของเด็กพูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องก็เลยไม่สนใจนานวันเข้าลูกสาวก็เติบโตขึ้นนางทองสุขก็เห็นลูกสาวพูดพร่ำอยู่คนเดียวก็ถามว่าพูดกับใครลูกสาวก็บอกพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ยังชี้ให้ดูเพื่อนๆนอีกว่าโน่นนี่เพื่อนมารุมล้อมเต็มไปหมดเพราะว่านานแล้วไม่เจอกันเมื่อเป็นอย่างนี้นางทองสุขก็ไม่ได้เฉลียวใจก็คอยดุลูกสาวอยู่เสมอว่าพูดส่งเดชแม้ลูกสาวจะเถียงว่ายังไรนางทองสุขก็ไม่เชื่อ ทังนางทองสุกก็ลืมเรื่องที่ฝันว่าผีป่ามาขออาศัยอยู่ด้วยโดยลืมนึกไปว่าลูกสาวของตัวนั่นก็คือผีป่าที่ตามมาในครั้งนั้นด้วยเหตุที่นางทองสุขคอยดุไม่ให้ลูกสาวพูดในเรื่องนี้กลัวผีป่าที่อาศัยจะโกรธลูกสาวก็เคยพูดเ ป, ป, ปรย์ว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วกล <ป arose S 1> ับไปอยู่บ้านเดิมดีกว่านางทองสุกก็มโมโหเลยตะเพิดไล่อยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปลูกสาวก็โกรธที่แม่ไล่ตะเพิดก็พูดว่าไม่ให้อยู่ก็จะไม่อยู่ นางทองสุขกับลูกสาวก็ถกเถียงกันในเรื่องนี้เรื่อยมาไม่มีใครเฉลียวใจไม่ว่าจะเป็นนางทองสุขเองหรือว่าสามีเพราะเห็นว่าเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็กแม้ว่าลูกสาวกับแม่จะเถียงกันอยู่อย่างนี้ลูกสาวก็ยังช่วยแม่เอ า, าอาหาของป่าอยู่ตามปกติสิ่งที่ลูกสาวปฏิบัติอยู่ทุกวันก็คือจะเอาอาหารที่แม่ไปให้ผีป่ากินที่วางไว้บนหิ่ง กินประจําเลยแม่จะห้ามยังไงลูกสาวก็ไม่เชื่อแม่รําคาญก็เลยปล่อยไปตามเรื่องเรื่องจากนางทองสุขมีลูกสาวคนเดียวก็เลยตามใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านชาวบ้านเขก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจก็เห็นเป็นเรื่องเรื่องปกติอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวก็เข้าไป ห, หาไปถามแม่ว่าแม่จําไม่ได้เหรอที่หนูขอมาใสายอยู่ด้วยหนูเกาะปีกหมวกแม่มา นางทองสุกก็นิ่งอึงมองหน้าลูกสาวก็ถามว่าใครบอกเองก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะมาอยู่ด้วยนางทองสุขก็นั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันหลายปีมาแล้วขนาะนี้ก็สิบกว่าปีแล้วจนลืมเรื่องไปหมดแล้วลูกสาวเห็นแม่ชงนก็ชี้ให้ดูนี่ไงบ้านที่แม่ทำให้หนูอยู่ก็ชี้ไปที่หิ่งที่ห้อยอยู่ข้างฝาความหลังที่เลอะเลือนไปหมดแล้วก็กระจ่างขึ้นนางทองสุขก็เลย เกิดกลัวลูกสาวเพราะมันเป็นผีป่ามาเกิดจากนั้นไม่นานลูกสาวก็ล้มเจ็บลงแล้วก็ตายไปในที่สุดก่อนจะสิ้นใจลูกสาวก็บอกว่าเพื่อนมารับกลับไปอยู่ที่ป่าอย่างเก่าแล้วนางทองสุขเกิดกลัวเลยพาสามีอพยพหนีออกจากบ้านที่ครองอูเหา่าหายสาบสูญไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นมาหกสกว่าปีแล้วครับสร้างความงงงันให้กับคนรุ่นต่อมาคบคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรือ ความลี้ับต่างๆมันมักจะเกิดขึ้นในป่าดงดิบเสมอเชื่อว่าผู้ผีปีศาจคงจะหลบหนีเข้าป่าลึกไปทุกทีเพราะว่าผีป่าในถูกคนรังแกผีป่าย่อมพ่ายแพ้ต่อเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะแล้วผีป่ามีเพียงนามธรรมไม่มีรูปจึงปรากฏตัวออกมาให้คนเห็นไม่ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังมักจะกลายเป็นไปในลักษณะนิทานซึ่งยากที่จะพิสูจน์ว่ามีความเป็นจริงแค่ไหน จะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผ่านไปนานแล้วก็อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังพึงพิจารณาดูเอาเองครับว่ามันจะเป็นจริงไปได้เพียงไหนหากไม่เป็นจริงไว้นึกว่าเป็นนิทานสาหรับเล่าเล่นๆกันเพื่อความสนุกเพลิดเพลิ น, นก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีนะครับท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องสังกสีแผ่นเดียวที่หลวงพ่อจรัย สมัยที่ท่านเป็นพระครูภาวนาพิสุทธิ์ท่านเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังไหมครับคือเรื่องมีอยู่ว่าในเคริ่องแ น, นงวาดสองสามีภรรยามีอาชีพขายหมากปลูแล้วก็ปูเข็มพายเรือขายอยู่แถวแถวบางขุนศรีฝั่งตนบุรีก็พายเรือเร่ขายไปเรือ่อยตลอดสวนโน่นสวนนี้ขายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งแต่งงานอยู่กินกันมาตามลาดับ แม่วาดนี่แกเป็นคนขยันแล้วขี้เหนียวพอได้เงินมาก็รวบรวมซื้อที่สวนไว้หลายขนาดสมัยนั้นขนาดหนึ่งร้อยบาทแปดร้อยบาทยังสูงก็แค่พันเดียวแม่วาดเกี่ยวก็ซื้อไว้เยอะต่อมาภายหลังก็กลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีที่ดินเพราะว่ามีคนเขามาจองที่ทําตลาดบ้างทําปลูกบ้านปลูกร้านอะไรเนี่ยแม่วาดก็ขายที่ดินไป แล้วก็ฝากเงินไว้ในธนาคารหลายล้านทีเดียวฝ่ายในเคลิ้มผู้เป็นสามีในมินิษายอยู่อย่างคือหลังจากอาหารแล้วเนี่ยแกก็ชอบออกจากบ้านไปเล่นหมากรุกกับพระที่วัดใกล้บ้านย่านบางขุนศรีไอ้เรื่องชอบเล่นหมากรุกนี่ตัเคริ้มนี่แกชอบมาตั้งแต่สมัยแกบวชเป็นพระแล้วตัเคริ้มแกเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าตอนที่บวชพระอยู่นะแกกินข้าวเย็นด้วยเออ เรียกว่าเป็นพระทั้งเล่นหมากลุกทั้งกินข้าวเย็นเป็นงานประจำเนี่ยออบาปกรรมจริงๆตะเคริ่การเวลาผ่านมาตะเครื่กับแม่วาดก็ปลูกบ้านใหญ่โตขึ้นสามสี่หลังแฝดเพราะว่ามีลูกทั้งสี่คนทีนี้ตายไปค น, นเหลือสามบ้านที่ปลูกนี่มีห อ, อนั่งด้วยโก้ที่เดียวอยู่ริมคลองเรือวิ่งเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านได้สบายมากเลยเวลาน้าขึ้นน้าลงลูกทั้งหมดไม่ไดเรียนหนังสือ ที่ไม่ให้เรียนหนังสือนั่งหาก็เพราะว่าแกบอกพ่อแม่รวยอยู่แล้วจะเรียนไปไทำไมทําเลือกทําสวนดีกว่าอย่าไปเรียนเดยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์จะวางั้นหาทางนักเลงดีกว่าสบายดีเหตุการณ์ผ่านมาพระที่ชอบเล่นหมากรุกที่ชื่อชื่อหลวงตาทองเนี่ยมรณาภาพไปก็ทําให้ตะครื่มนี้ขาดขาหมากรุกไปด้วยแกไปชวนพระองค์อื่นในวัดเล่นแกแกก็ไม่มีพระองค์ไหนเล่นด้วย เพราะว่าหลวงตาทองที่ตายมันขนาดหลวงตาทองที่เที่ยวชาญมากรุกจะตายโยมเคลิมก็มือมากรุกระดับเซียนเหมือนกันนะยังไม่มีใครเอาชนะใครได้เลยก็เลยไม่มีพระเนนองไหนจะกล้าเล่นด้วยเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตาเคลิมจะได้ไปเที่ยวเมืองนรกก็มาถึงวันนั้นเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นมีชาวบ้านในย่านบางหุนศรีตายลงคนหนึ่งแต่ว่าตาเคลิมเนะ่ยยังไม่รู้ข่าวเนี้ย ไม่รู้ว่ามีคนตายแถวนั้นตะเคร่องก็พายเรือสำปั้นลําที่ขายของอั่นแหละออกจากบ้านไปตั้งใจจะไปเอาต้นไม้สองต้นที่บ้านเหนือจะเอามาปลูกที่บ้านพอไปถึงบ้านเหนือได้ต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วตะเครื่องก็พายเรือล่องกลับบ้านขณะที่พายเรือมาระหว่างทางก็ผ่านบ้านหลังที่ว่ามีคนตายเนี่ยเขาเพิ่งตายตะเครื่อก็เห็นมีเรือสี่แจวลำหนึ่งจอดอยู่ท่าน้ําบ้านคนตาย เรือสี่แจวลำนั้นคนที่นั่งกลางลำนี่รูปร่างใหญ่ไว้หนวดเสร็จแล้วคนไว้หนวดตัวเบลรอร่นี่หันมาเห็นตะเคริ่มเขาก็ร้องบอกลูกน้องบอกเออเอาไอ้คนนั้นใส่เรือไปด้วยมันยังไม่ตายก็เอาไปเป็นๆอย่างนี้แหละเสร็จแล้วคนตัวใหญ่ไว้หนวดก็หันมาบอกตะตะเครื่อบอกเออไปไปด้วยกันไปส่งหน่อยเดี๋ยวกลับไม่ไกล ตะเคลิมรู้สึกเกรงในอำนาจของคนคนนั้นอย่างบอกไม่ถูกก็พายเรือตามเรือสี่แจวลำนั้นไปพอเรือผ่านหน้าบ้านของตัวที่นี้แม่วาดซึ่งเป็นเมียแกอยู่หน้าบ้านก็มองเห็นแกก็ร้องถามตะเคลิมบอกอ้าวนั่นแกจะเลยบ้านไปไหนแล้วนะตะเคลิมตะเคลิมก็ร้องบอกแม่วาดบ่าเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวแม่วาดรู้สึกแปลกใจมองตามไปก็เห็นตะเคลิมพายเรือไปคนเดียวในลำน้ำํนานี่เห็นมีแต่เรือตะเคลิมลำเดียว แม่วาดมองไม่เห็นเรือสี่แจวของอีตาร่างใหญ่หนวดดกนั่นเลยนับเป็นเรื่องแปลกนะเสร็จแล้วแม่วาดเกก็มองตามไปจนกระทั่งเรือตะเคลมผู้สามีเลี้ยวคุ้งน้ําหายวัดไปเมื่อเรือของตะเคลมหายลับไปตรงคุ้งน้ํานะก็เป็นอันว่าฉากในเมืองมนุษย์ได้ปิดลงอนะทีนี้ก็เข้าแดนใหม่ซึ่งความจริงมันก็อยู่ใกล้บ้านตะเคลมนั่นแหละ ที่นี้ตะเคอร์มก็พบว่าเรือสี่แจวลำที่พ า, าพายนําหน้าแกมาแล้วก็เรือของแกเนี่ยมาจอดที่แพข้ามใหญ่โตแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นแม่น้ํากว้างไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ําอะไรคนในเรือสี่แจวนั่นก็พาตะเคอมขึ้นไปบนฝั่งตะเคอร์มก็เล่าถึงตอนนี้ว่าที่นั่นเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากเลยเขาพาแกเข้าไปในที่ทําการที่ใหญ่โตมโหวาน ในห้องนั้นมีผู้พิวหากสามีอายการมีอะไรต่อมีอะไรในระบบสารสถิตยุติธรรมครบหมดนะหลวงพ่อจรัญยังถามว่าเรื่องนี้โยมเคลิมไม่ได้ฝันไหมนะแต่เคลิ้มบอกไม่ได้ฝันหลวงพ่อเรื่องจริงๆแกบอกแกไปด้วยตัวเองไปด้วยร่างกายเนื้อหนังมังษาดีๆโ ด, ดยไม่ได้ตายนี่แหละสติสตังของแกยังดีทุกอย่างแกพายเรือของแกไปแล้วเรือก็หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งอ่านะ ทีนี้พอเขาพาแกเข้าไปในห้องตุลาการอาการเสมียนสารก็ทําการซักไซไล่เลียงแกใหญ่ว่าในเคริมเนี่ยไปเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ได้ทําอะไรบ้างพอเขาถามมาอย่างนั้นนี่ตะเคลิมก็เห็นเลยว่าวิญญาณของแกนี่มีแสงแว บ, บ ๆ, ๆออกไปอ่าเป็นแสงเหมือนกับเวลาคนเปิดเทพพูดแล้วมีแสงกระพริบกระพริบตามจังหวะคําพูดนั่นแหละน่ะ ที่นี้คำโบราณที่เขาว่าทำบุญแล้วจดลงบนแผ่นเงินแผ่นทองถ้าทำบาปจดลงบนแผ่นหนังนะมันคล้ายๆกันอันนี้มันเหมือนกับมันบันทึกไว้ในจิตใจของคนนะพออายาการเขาซักถามอะไระวิญญาณตะเคริ่ก็ส่งแสงแวบๆเหมือนกับเปิดเทปที่อัดไว้ยังไงอย่างนั้นแหละเสร็จแล้ว ไอ้คำตอบเนี่ยจะโกหกไม่ได้จิตของใครบันทึกอะไรไว้ก็ต้องบันทึกต้องตอบเข้าไปตามความเป็นจริงมันเหมือนกับเขาเปิดเทปฟังเอาเลยว่าจิตของเราเนี่ยบันทึกอะไรไว้ทั้งบุญทั้งบาปเคยไปทำชั่วทำดีที่ไหนมาอบอกหมดเสร็จแล้วพูดภาษา เมืองนั้นสอบสวนปากคําโยมเคลิมไม่มากจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พาตะเคลิมเดินไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งหนึ่งตะเคริมก็เล่าว่าหมู่บ้านที่ไปเห็นทีแรกเนะี่ยคนกําลังทะเลาะบอแวงกันอุตลุดผัวเมียทะเลาะกันเมียเอาสากตีหัวผัวทะเลาะกันด่าลูกด่าหลานเรียกว่าด่ากันทั้งตําบลเลยตะเคริมก็เล่าอย่างจําติดตาบอกมันด่ากันแหลกเลยดา่าทั้งหมู่บ้านด่ากันเหมือนคนบ้านนะ เจ้าหน้าที่ป่โลกเขาก็บอกกับตะเคลมบอกว่านี่ตะเคลมถ้าแกตายแล้วมาจากเมืองมนุษย์แกอยากจะมาอยู่หมู่บ้านแถวแถวนี้มหมตะเคลมสะดุ้งเฮือกเนี่ยโอยไม่ไหวอะ่ะอุย้ยที่บ้านผมเขาไม่ด่ากัอย่างนี้ยมีแต่ผมน่ะด่าเมียอย่างเดียวเมี ย, ย, มยไม่กล้ามาด่าผมาหรอกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าแกจะมาอยู่ที่ตำบล น, นี้แล้วก็ก่อนตายแกต้องอให้เมียด่านะ แล้วก็ปกีกเมียให้มากๆแกได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยแต่เคลิมบอกไม่เอาออเรื่องอะไรเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็พาแต่เคริมเดินดูมาถึงตำบลแห่งหนึ่งมีมหาวิทยาลัยใหญ่โตสง่างามโ อ, อ๋อามากนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์นรู้แต่งตัวสวยงามกันเดินขวักไกวมากมายเจ้าหน้าที่เขาก็ถามอีกว่าในเคริมให้ลูกเรียนที่ไหนอ่ะ โอยไม่หรอกครับผมไม่ให้ลูกเรียนหรอกเงินทองมีเยอะแยะไปเลือกสวนที่ทํากินก็มีหลายขนาดจะเรียนไปทําไมโง่เอ้ยเรียนไปทำไมเสียเวลาเปล่าเงินทองมีที่ดินทํากินก็มีพอสมถิ่ไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกในเคลมในเคลมเข้าใจผิดแล้วนะคนไม่เรียนหนังสือก็คือคนโง่ที่เขาเรียนหนังสือ ก, กันจะเรียนให้ฉลาดพัฒนาตัวเองบ้างพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าขนาสมัยโบราณเขายังมีเมืองตักกศิลา ใหญ่โตมโหฬารเอาไว้ให้คนจากแคว้นต่างๆไปศึกษาเล่าเรียนถ้าแกไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเมื่อตายแล้วแกต้องพาลูกไปไปอยู่ไอ้หมู่บ้านปากจัดนั่นแหละที่ด่ากนันทั้งวันนั่นแหละเจ้าหน้าที่ประโลค ก, ก็พากันเดินต่อไปแล้วก็พบหมู่บ้านตําบลหนึ่งสะอาดร่มเย็นหน้าอยู่หน้าอาศัยผู้คนชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจม่มใสทุกคนนะหาคนหน้าบึงไม่มีสักคนเจอหน้าใครเขาก็ยิ้มแย้มแจม่มใสทั้งนั้นนะคําว่ามึงกูนี่ไม่ไม่มีพูดกันนะ พูดแต่คําอ่อนๆหวานๆเชิญเจ้าเจ้าข้าเจ้าขาเชิญขึ้นบ้านขึ้นเรือนกินน้ํากินท่าเออไปลามาไหว้กันตัวอ่อนตัวเอนน่ารักต้นไม้ในหมู่บ้านก็ออกดอกงอกงามส่งกลิ่นหอมตลอบฟุ้งไปหมดทุกคนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่สวยงามเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่ก็บอกนี่ตะเคริ่มคนที่เรียนหนังสือนี่เมื่อตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ในหมู่บ้านสงบสุขแห่งเนี้ย ไอแถวนี้ก็เรียกบ้านอะไรนี่เป็นหมู่บ้านบัณฑิตผู้คนทั้งหลายในหมู่บ้านตำบล น, นี้เมืองนี้มีความเสมอภาคกันพูดจาอ่อนน้อมต่อกันไม่มีการทะเลาะวิวาท ด, ด่ากันเหมือนกับหมู่บ้านตำบลที่แกผ่านมาตะกี้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนในหมู่นี้บ้านนี้เมืองนี้เขาได้รับการศึกษาหาความรู้เป็นบัณฑิตแล้วก็วามาอยู่ในกลุ่มของบัณฑิตอย่างนี้แหละแต่เรลมแกก็รู้สึกแปลกใจเจ้าหน้าที่ก็พาแกออกเดินเที่ยวต่อไป เอ๊ะเ อ, เอ๊นั่นพระที่ไหนมานั่งอ้าวนั่นหลวงตาทองนี่นะตาเคลมตกใจเจอหลวงตาทองที่ตายไปตั้งนานแล้วมานั่งเล่นมากรุกอยู่กลางแดดเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวตาเคลมเล่าว่าแดดเมืองนรกนี่มันร้อนยังไงชจ้ากุลมันร้อนยิ่งบอกไฟนี่เผาหลังลอกเลยหลวงตาทองเห็นตาเคลมเข้าก็ร้องทักอ้าวตาเค่ม แกไปยังไงมายังไงเนี่ยโอยเล่นหมากรุกอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วหาคู่เล่นด้วยไม่ได้แล้วอะแกมาก็าดีแล้วเอามาเล่นหมากรุกกระขาย ห, หนุกกันหน่อยด้วยพอมาเจอหลวงตาทองคู่ขาเล่นหมากลุกสมัยอยู่ในเมืองมนุษย์ตะเคริมก็ดีใจคนนั่งลงเล่นหมากรุกด้วยเดินหมากลุกได้ยังไม่ทันกระดานเลยฝนตกตะเคริมสะดุ้งสุดตัวรีบลุกพรวดพลาดขึ้นมาอยู่ไม่ได้เพราะฝนที่นั่นน่ะมันพิกล มันคมมันแข็งเหมือนเข็มแทงพอฝนตกลงมาเป็นเข็มแทงหลังเป็นแผลไปหมดเลยอ่าแทงมันจุดจุดจุดแลวหลังก็ลอตกตะเคริ่อก็บอกหลวงตาทองบอกโอ้ยหลวงตาเล่นไปคนเดียวอะ่ะไม่เอาผมไม่เล่นเลยแล้วฝนบ้าอะไรไม่รู้แหลมเยอะเข็มแทงหลังเจ็บจะตายว่าแล้วตะเคริ่อก็เดินหนีไปฝนก็ตกไล่หลังไปเรื่อยเรื่อยแกก็รีบวิ่งเข้าไปอาศัยชายคาบ้านใหญ่โตโอ้อาสวยงามเจ้าของบ้านกกายกคนไล่ตะเพิดออกมา ตะเครื่อก็วิ่งฝ่าสายฝนไปขอหลบบ้านหลังต่อไปอบ้านก็ก็ปลูกเป็นแถวสวยงามยังระวังเข้าบ้านไหนก็ถูกเจ้าของบ้านเขขับไล่ไม่ให้เข้าไปหลบเสียงเจ้าหน้าที่ก็ร้องมาข้างหลังบอกนี่ตะเริ่มตอนแกอยู่เมืองมนุษย์นะวีเวลามีคนก็ามาชวนทําบุญสร้างกุฏิสลานี่แกเคยบริจาเงินรึกว่าข้าวของช่วยเขาสร้างมังหรือเปล่าตะเครื่มก็บอกว่าเออเวลาเขามา เรียรยนี่ฉันก็บอกเขาไปว่าเมียฉันเขาทาไปแล้วอ่ะฉันก็ไม่ต้องทำํำเพรา็ฉันเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่เมียทําบุญก็เหมือนผัวทําก็เหมือนกันนะเพราะเวลาจะขายที่ขายทางนะฉันเป็นคนเซ็นชื่ออนุญาตให้ขายได้เมียฉันก็ทําบุญสร้างสลาไปแล้วหมื่นหนึ่งไอ้ฉันเป็นผัวเนก็ต้องได้บุญเลยเหมือนกันนั่นเมียเมียทำมาตลอดนะแต่ว่ามันมีอยู่ห น, หนึงมีที่ฉันทําเองนะ มีคนมาชวนทำบุญก็พูดเศร้าซี่คือเขาจะาซื้อสังกสีไปมุงวัดชายคาวัดเนี่ยยังขาดสังกสีอยู่แผ่นหนึ่งไอ้ฉันก็ไม่รู้จะทำไงเกรงใจเขาก็เลยจำใจล้วงกระเป๋าฟาักเงินส่งให้สิบสลึงหรือสาบาทอะไรนี่แหละเพื่อให้เขาไปซื้อสังกสีใส่แผ่นเดียวงั้นก็ดีแล้วแต่เิ่มเมื่อแกทำบุญด้วยสังกสีแผ่นเดียวก็เข้าไปหลบฝนอยู่ใต้หลังคาสังกสีแผ่นเดียวนัว่นแหละเจ้าหน้าที่ปรารกเขาบอกอย่างนั้น ตะเคลิมก็มองเห็นที่แห่งหนึ่งมีชายคาสังกสีแผ่นเดียวอยู่พอดีแกก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนอยู่ใต้สังกสีแผ่นนั้นตะเคลิมเล่าให้ฟังว่าไอ้ฝนในเมืองนั้นมันประหลาดสิ้นดีมันตกลงไปถึงพื้นแล้วพุ่งขึ้นมาอีกแทงก้นเจ็บปวดไปหมดเสร็จแล้วตะเคลิมก็เลยหันไปคว้าเอาเสือ่อผืนหนึ่งมาเพื่อจะปิดก้นไว้เจ้าหน้าที่เขก็รีบห้ามเดียเด๋ยวเดี๋ยวดิยดิยาหยิบอย่าหยิเหบเอาวางไว้ยังกล่าวเคลิม เสื้อเหล่านี้ไม่ใช่ของแกเป็นเสื้อของแม่วาดเมียแกที่เขาซื้อถวายวัดแม่วาดคนเดียวเท่านั้นจะมีสิทธิ์ใช้เสื้อเหล่านี้แกไม่เกี่ยวอ้าวก็ฉันเป็นผัวก็ต้องเกี่ยวสิเพราะเงินซื้อเสื้อถวายวัดมันก็เงินของฉันเหมือนกันนี่เวลาแม่วาดเมียแกทําบุญสุนทานนี่แกไม่เคยแสดงความชื่นชมยินดีในบุญไม่เคยโมทนาสาธุเลยตะ้งเริ่ม แกมีกแต่ด่ามเมียของแกว่าอีกคนใจบุญมึงจะทําไปหาสวรรค์วิมานอะไรก็ทําไปเหอะอะไปสวรรค์ก็มึงเลยใช่ไหมตาเครืก็ยอมรับว่าพูดแดบพูดดันเมียอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแกไม่มีศรัทธาในการทําบุญสุนทานผลกรรมนั้นทําให้แกต้องมาหลบฝนในเมืองนรกอยู่ใต้หลังคาสังกสีแผ่นเดียวตาเครม่ก็คิดแค้นใจมากก็บอกเจ้าหน้าที่ปรโลกบอกว่า เงินฉันนะ่ยยังอยู่ในธนาคารฝากไว้ตั้งเยอะแยะเดี๋ยวถ้ากลับไปเมืองมนุษย์นะฉันจะสร้างวัดทั้งวัดให้ใหญ่เบ้อเลยจะไม่ยอมให้ใครมาเข้าวุ่นเลยแคลนใจนะ อ, อต้องมาหลบฝนอยู่ใต้สังกษีแผ่นเดียวเพราะบริจาคเงินซื้อสังกสีแผ่นเดียวมุงหลังข่าวัดแล้วนี่ตักเริ่มจะสร้างวัดจริงหรือเปล่าจริงดิครับลองผมกลับไปได้เนี่ยผมสร้างวัดจริงเจ้าหน้าที่ปรโรคเขามีวาจาสิทธิพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้น เขาก็บอกว่าเอาตกลงเดี๋ยวเราจะให้เวลาในเครม่ห้าปีรวมทั้งหมดนี่ไม่เกินสิบปีถ้าพ้นกำหนดสิบปีแล้วไม่สร้างวัดนี่ไฟไหม้บ้านตะเครืมหมดนะตะเครืก็ดีใจเพราะถือว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นผู้มีสัจจะพูดอะไรเป็นนั่นทีนี้ตอนขากลับนี่ตะเครื่เกิดหิวข้าวหูอื้อตาลายขึ้นมากระทานหันแกมองไปเจอบ้านหลังหนึ่งเขากาลังกินข้าวกันอยู่หลายคน คนพวกนั้นก็พากันรองเชื้อเชิญตะเคริมอไปเข้าไปกินข้าวด้วยตะเครืดีใจกำลังหิวจัดก็ตรงเข้าไปโอ้โห อ, อ, อาหารดีๆตะเครื่อชอบดังนั้นแกงหมูบะช่อไอ้แกงส้มแกงบอนตะเครื่นี่น้ำลายแทบหกเจ้าของบ้านก็ตักข้าวใส่จานให้ข้าวขาวสวยหอมฟุ้งไปหมดตะเคริมกงาช้อนตักหมับเข้าปากเคี้ยวกรุบกรุ ปรากฏว่าข้าวที่เคี้ยวไหลออกจากปลายคางของแกกลายเป็นตัวหนอนยัวเยียไปหมดหน้าขยะขแข็งเอ๊ะมันยังไงกันนี่ไว้ตะเพิมแกประหลาดใจแต่แกกำลังหิวอะ่ะแกก็เอาช้อนตักแกงบอลของโปรดใส่ปากพอจะเคี้ยวแกงบอนก็กลายเป็นมแมลงวันบินพลูออกจากปากไปหมดตะเพิ่มก็ตกตะลึงพวกเจ้าของบ้านก็ร้องเออทําไมอาหารมันก็กลายเป็นอย่างนั้นละ่ะพวกฉันกินกันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่นาะ พอเจ้าของบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นตะเคริมก็ได้สติระลึกความหลังขึ้นมาได้ว่าเวลาแม่วาดเมียแกจะเอาข้าวปลาอาหารข้าวาหวานใส่สําหรับไปถวายพระแม่วาดก็เคยชวนแกไปด้วยแกก็ตะเพิดเมียแกไปไปไ ป, ไปแกจะไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องมายุ่งกับข้านะแกอย่าเข้าใจนะว่าเราทํามาหาเงินด้วยกันแล้วต้องไปวัดด้วยกันเวลาทําบุญนะแกอย่าฝันเลยเอทอาไมไปแกห ร, รอกเดี๋ยวเขาจะไปเล่นหมากรุกกับหลวงตาทองแกไปวัดคนเดียวจะไปสวรรค์นิพพานแล้วก็เชิญ พอนึกถึงการกระทำของตัวตะเครื่องก็เสียใจว่าโอ้หนอเป็นเพราะเรามันใจดําใจบาปไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มีศรัท ธ, ธาในพระในเจ้าแม่วาดมีเราที่กลับเป็นคนใจบุญมีศรัท ธ, ธาในพระศาสนาชวนเราไปทําบุญที่วัดด้วยเราก็ไม่ไปเพราะเรานี่มันโง่ขลาเบาปัญญาหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญทั้งหลายที่แม่วาดทําก็เลยได้คนเดียวไอเราเป็นผัวนึกว่าจะได้บุญด้วยกลับไม่ได้อะไรเลยอ่า ดูซิมาถึงเมืองนรกจะกินข้าวปลาอาหารนั้งกลายเป็นนอนเป็นมแมลงวันหลุดจากปากไปหมดเออฝ่ายแม่ว่าที่อยู่ในเมืองมนุษย์เมื่อตะเครมนั่งเรือไปไม่กลับบ้านหายไปทั้งคืนรุ่งเช้าก็ร้อนใจเกณฑ์ลูกหลานพายเรือออกตามหาแต่ก็ไม่ได้วีแววอะไรตามหาทั้งบนบกทั้งในแม่น้ำลำคลองหาอยู่สามสี่วันก็ไม่ได้ข่าว ถ้าตกน้ำตายในศพก็จะต้องลอยขึ้นแล้วแกก็เลยไปดูหมอที่กรุงเทพหมอดูก็บอกว่าตะเคริ่มงตายแล้วแกพายเรือไปแล้วเรือล่มไปเลยจมน้ำตายหมาวางอันแม่วาดตัวเสียอกเสียใจร้องไห้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องลงเรือเอาเหล็กแหลมไปเที่ยวปักในแม่น้ำลำคลองเขาเรียกแทงเหล็กแหลมหาศพแต่ก็ไม่เจอศพสักแห่ง เที่ยสืบหาตามฝั่งแม่น้ำลำคลองว่ามีศพใครลอยไปติดฝั่งบ้างไหมก็ไม่มีศพของใครเลยแม่วาดก็เลยไปดูหมอพระที่วัดโพธาเตียนหมอพระก็ทายบอกตะเครื่อตายแล้วอีกไม่นานศพก็โผล่เหนือนนะ้ำเน่ะไปหาหมอดูเก่งๆอีกสองหมอก็ทายตรงกันหมดว่าตะเครื่ไปอยู่เมืองผีแล้วพอตามหาอยู่ถึงวันที่เจ็ดแม่วาดก็ปรึกษาลูกหลานว่าตะเครื่อไม่มีหวังกลับมาแล้วแนะ่ทําบุญเจ็ดวันเถอะ ทำบุญให้ตามประเพณีลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนก็นหมดอะไรตายอยากก็เห็นดีด้วยก็เตรียมข้าวของที่จะทำบุญให้ตะเคลมเช้าวันนั้นฝ่ายตะเคลมที่เที่ยวอยู่ในเมืองนรกหิวข้าวหูอื อ, อตาลายกินอะไรก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเอาละตะเคลมแกกลับไปกินข้าวที่บ้านแกก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปส่งลง เ, ลเรือตะเคลมก็ดีใจจะได้กลับบ้านเขาพาเข้ามาลงเรือลํำของแกพอนั่งลงในเรือ เจ้าหน้าที่ก็บอกตะเคิมหลับตาลงนะอย่าลืมตานะตะเคิมคนหลับตาปีเลยเจ้าหน้าที่ก็สายเรือพรวดอย่างแรงตะเคิมเสียหลักหงายหลังตึงเจ็บพลับเหมือนกับสันหลังจะหักหน้ามึดนะเรือลํานั้นพุ่งพรวดเดียวเข้าไปจอดอยู่ใต้ถุนบ้านของแกที่บางขุนศรีตอนนั้นประมาณตีสี่แม้ว่าจะตื่นนอนขึ้นจะล้างหน้าสวดมนต์ไหว้พระหุงข้าพอลงมาใต้ถุนบ้านตกตะลึง เจอเรือสำปันมีตะเครื่ผู้เป็นผัวนอนตาเปรดเปรดอยู่ในเรืออแม่ว่าจกนึกว่าผีตะเคร่อมาหลอกก็เรียกเสียงหลงเรียกลูกๆมาดูลูกๆก็ญาติพี่น้องก็แตกตื่นขึ้นมาดูเป็นการใหญ่ปรากฏตะเคร่อเป็นคนจริงๆไม่ใช่ผีมาหลอกอะแต่กระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนกับเป็นอัมพาตพูดยาแผววิวไม่มีเสียงเพราะว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ามาตั้งเจดวันนะลูกๆก็ญาติพี่น้องก็ช่วยเอาตะเครื่องมันไปพักผรบนบ้าน ปรากฏว่าแผ่นหลังตะเคอร์มเป็นแผลจุดๆเต็ไมไปหมดเพราะโดนฝนเข็มแหลมมันตกใส่หลังในเมืองนรกข่าวตะเคอร์มรอดตายกลับมารู้ไปถึงชาวบ้านก็แห่กันมาเยี่ยมเยือนถามข่าวจนถึงบ้านหลังจากลูกเมียป้อนข้าวป้อนน้ําให้อิ่มแล้วตะเคอร์มก็เล่าเรื่องประหลาดพิสดารที่แกไปเที่ยวเมืองนรกให้ทุกคนฟังต่อมาไม่นานตะเคอร์มก็หายจากการเป็นอัมพาตยกินได้นอนหลับสบายดีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม แกก็เริ่มออกเสาะหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัดตามที่ได้ให้คำ ม, มั่นสัญญาไว้กับเจ้าหน้าที่ปราโลกแกก็เที่ยวไปหลายแห่งเช่นเมืองนอนทนะครปฐมชนบุรีเป็นตน้นก็หาที่ดินถูกใจไม่ได้เพราะว่าไอ้เรื่องการสร้างวัดนะ่ะมันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าทางกรมศาสนาเขาจะต้องรับเรื่องขอสร้างวัดไปพิจารณาอย่างรอบคอบหลายขั้นตอนเนื่องจากว่ามีสานักสงฆ์ไม่มีใบอนุญาตอยู่เยอะแยะทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นใครที่จะคิดสร้างวัดขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะสร้างวัดได้เลยทีเดียวแล้วคืนหนึ่งตะเคลมก็ฝันไปว่าได้เจอกับพระภิกษุองค์หนึ่งที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีรูปร่างอย่างนั้นหน้าตาอย่างนั้นตะเคลมก็ให้ลูกออกเดินทางมาสืบดูก็มาเจอหลวงพ่อจารันเนี่ยนะลูกก็กลับไปบอกตะเคลมว่าเจอแล้วตะเคลมก็ให้ลูกมานิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้าน ตอนนั้นโบสถ์หลังใหม่ของวัดนี่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างแต่ว่าโบสถ์หลังเก่ามีอยู่หลวงพ่อกําลังดําริจะสร้างโบสถ์ใหม่อยู่ทีเดียวพอไปถึงบ้านตะเคอร์มที่บางขุนศรีตะเคอร์มแกก็จะถวายเงินจํานวนสิบล้านบาทให้หลวงพ่อเพื่อเอาไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาสักแห่งแล้ววัดนั้นให้หลวงพ่อไปเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยแต่ว่าหลวงพ่อท่านไม่ยอมรับตะเคอร์มก็บอกว่าเซ็นสัญญามอบเงินสิบล้านไว้ให้แล้วหลวงพ่อรับไปเสเถรนึกว่าได้โปรดแกให้ได้บุญ แต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมเซ็นรับเพราะว่าแกเป็นสมภารวัดอัมพวันอยู่แล้วจะลาออกจากเป็นสมภารวัดอัมพวันไปสร้างวัดใหม่ตามความประสงค์ของตะเคิลเนี่ยมันชอบคนอ่าตะเคิลก็วิงวอนให้หลวงพ่อรับเงินสิบล้านเนี่ยเรียกพวกพี่น้องให้มารับรู้ด้วยหลวงพ่อขอยือนยันอาจจะมาทําไม่ได้หรอกรับเงินจํานวนนี้ไม่ได้หรอกนี่ยมเคลิ้มเอาอย่างนี้ไหม ที่วัดอัมพรวันเนี่ยเขากําลังจะสร้างโบสถ์หลังหนึ่งค่าก่อสร้างไมถึงสิบล้านหรอกใช้เงินสร้างแค่ห้าแสนก็พอเหลือจากนั้นโยมก็เอาเงินไปทำบุญวัดอื่นวัดละหมื่นสองหมื่นวัดในเมืองไทยมีต้องสองหมื่นกว่าวัดโยมทําบุญได้ทุกวัดแหละคําแนะ น, นํานี่ตะเคลมไม่เอาด้วยแกกลัวสังกสีแผ่นเดียวที่คุมกันฝนในเมืองนรกอให้แกคราวนั้นปรากฏว่าตะเคลมแกต้องการที่จะสร้างวัด ทั้งวัดเลยแบบเหมาคนเดียวอแกว่าถ้าสร้างได้แบบเนี้ยตอนตายจะมันคุ้มกันฝนนรกหมกไหมได้เมื่อหลวงพ่อไม่ยอมรับเงินไปสร้างวัดแห่งใหม่ตาเครื่อก็ให้ลูกหลานนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลนที่บ้านอีกสองสามครั้งเข็นให้หลวงพ่อรับเงินจํานวนเยอะแยะนี่เอาไปสร้างวัดใหม่เงินสิบล้านสมัยนั้นมีค่ามากมายมาอาสาลแต่อัตาหลวงพ่อก็ท่านก็รับไม่ได้ ท่านก็หาทางออกแนะนําตะเคลิมบอกว่ามีวัดอยู่แห่งหนึ่งในเขตพรมบุรีเขาซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วสร้างกุฏิไว้แล้วแต่โบสถ์ยังไม่มีตะเคลิมไปสร้างต่อที่นั่นอีกตะเคลิมก็ไม่เอาอีกยืนการจะซื้อที่ดินเองสร้างวัดเองแกแค้นใจสังกสีแผ่นเดียวจนการเวลาผ่านไปตะเคลิมก็ยังไม่ได้สร้างวัดสักทีเพราะว่าไอการจะสร้างวัดขึ้นมาใหม่นี่เป็นเรื่องยากเพราะกรมศาสนาเขามีระเบียบเคร่งครัดอย่างที่ว่านี่ ถ้าตะเครื่อจะบริจาคเงินตามวัดทั่วไปมันก็ง่ายแต่แกไม่ไมยอมทำนะตั้งใจจะสร้างวัดใหม่สิ่งๆเลยด้วยเงินนองแกเองคนอื่นไม่เกี่ยวฝ่ายแม่วาดซึ่งเป็นภรรยาก็แก่ชราลงเจ็บอดอๆแอดๆตามวัยสังขารแกก็เห็นตะเครื่อสามียังสร้างวัดไม่ได้สักทีแกก็เลยให้ลูกๆเอาเงินสดล้านนึงไปถวายวัดจากนั้นไม่นานแม่วาดก็ถึงแกกรรม แล้วต่อมาอีกสองปีตกเคริอมก็ตายตามสัญญาที่ให้ไว้ขยมมาทูดในเมืองนรกหมายความว่าตลอดเวลาสิปีที่ผ่านมาตะเครือไม่สามารถสร้างวัดได้เสร็จตามที่ยมมาทูดได้กำหนดให้เวลาไว้แกก็เลยต้องหมดสิ้นอายุขยเพราะยมมาทูดมาเอาวิญญาณแกไปเมื่อตะเคร่มตายแล้วลูกๆเอาศพแกไว้ที่หอนั่งเรือนไม้บ้านที่ปลูกรวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส, สี่หลังนั่นแหละ ต่อมาเกิดอัศจรรย์ตามคําพยากรณ์ของยมมาทูต ท, ที่บอกว่าพ้นสิบปีไปแล้วไฟจะไหม้บ้านปรากฏว่าไฟไหม้บ้านตะเคริมทั้งหมดซีหลังเป็นเท่าฐานไม่ไหม้แต่หอ น, นั่งที่ไว้ศกตะเคริมเท่านั้นแหละนี่แสดงว่าชาติหน้ามีจริงนรกมีจริงหลวงพ่อจรันท่านบอกอคําพูดของยมมาทูต ท, ที่บอกล่วงหน้าไว้ น, นแม่นยําจริงหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ญาติยมผู้ใดไม่เชื่อก็าตามใจ แต่สำหรับอาตมาในเชื่อเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซนก็จากการวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีนิทานชาดกจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องพรามเนรคุณสมัยที่พระเจ้าพรมทัตยังสเสวยราชาสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีก็มีหมู่บ้านชาวนาอยู่แห่งหนึ่งครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ัญญารผู้คนก็ขยันทําหากิน ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีพราหม์ชาวนาเอาโคออกไปไถนาแต่เชา้าพอไถพอสมควรแล้วก็ปล่อยโคกินหญ้าอยู่ในทุ่งนาแล้วตาพราหม์ขยันนี่ก็เอ า, เอาจาเอาจอบมาขุดหญ้าพรวนดินต่อไม่ได้สนใจว่าฝูงโคที่ตัวปล่อยไว้จะไปและเลมหญ้าที่ไหนฝูงโคเขาเที่ยวกินใบไม้ใบหญ้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชายดง เมื่อพรามขุดหญ้าพลวนดินจนเหนื่อยก็วางจอบเมยหน้าเหลียวหาฝูงโคก็ไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวไม่รู้ว่าพากันไปกินหญ้าที่ไหนก็เลยออกเที่ยวตามหาเดินเข้าไปในดงจนกระทั่งหลงเข้าไปในป่าหาทางกลับไม่เจออดอาหารอยู่หลายวันก็เดินไปพบต้นมะพร้าวจะรีบปีนป่ายหวังจะได้เก็บผลมากินใ้หายหิวไอความเร่งรีบตะรีตะลานหิวด้วยพลัดตกลงไปในเหวลึกกระหอกศอกแต่ไม่ตายอ่ะ หล่นลงไปบนพุ่มไม้เกลือไม้ระยงระยางไปด้วยเถาวันติดอยู่ในเหวนาะสิบวันเวลานั้นพระโพธิสัตว์เจ้ากำเนิดเป็นวานอนเที่ยวเก็บกินผลไม้น้อยใหญ่อยู่ในป่าชะตาลิขิตที่ต้องมาพบพรามผู้ลำบากก็เลยพอเจอก็ลากเอาเถาวันมาปูกย่อนลงไปช่วยดึงให้ขึ้นมาจากเหวได้พรามก็รอดตายเหมือนปาติหาร แต่นิสัยสันดานหยาบช้าของคนผ่านเนี่จะแก้กันด้วยสิ่งใดก็ไม่เป็นผลเพราะว่าจิตคนนี่มันสุดจะหยั่งได้แม้แต่ผู้มีพระคุณก็ยังคิดในรคุณเหมือนกับพรามผู้มีใจหยาบช้าคนนีน้มีนิสัยชั่วติดมาแม้ว่าวานอนจะช่วยชีวิตให้รอดตายแล้วก็ไว้วางใจให้ช่วยดูเพศภัยเวลาตัวหลับนะกลับเอาหินมาทุ่มศีรษะหวังจะคาเป็นอาหาร แต่ด้วยบุญญาพินิหารช่วยให้วานนอนนะไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บเลือดไหลก็โดดหนีขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้เสร็จแล้วก็บอกกับพรามใจร้ายบอกว่าข้าไม่คิดจะเอาโทษที่เจ้าทำร้ายข้าหรอกและขอให้เจ้าในยาได้รับโทษแห่งบาปกรรมอันนี้เลยนะเดี๋ยวข้าจะไปส่งเจ้าจนถึงทางกลับไปบ้านก็แล้วกันกล่าวจบแล้ววานนอนผู้มีน้ำใจก็กระโดดห้อยหุ่นนำทางพรามนั้นไประหว่างทางพบลำห้วยใหญ่แห่งหนึ่งมีน้ำที่กำลังเดือดพล่าน พอพรามนั้นเดินผ่านน้ำมันก็กระเซ็นเข้ามาถูกร่างกายทําให้เกิดแผลผู้พองเป็นฝีแผลปริแตกไปหมดมีกลิ่นเหม็นไร้ากาดเหมือนกับกลิ่นซากศพเมื่อพรามนั้นมาถึงบ้านเมืองตัวผู้คนก็ถือไม้ค้อนถือก้อนดินไล่ทุบตีขว้างปาได้รับทุกขเวทนาสองปีเต็มๆก็เที่ยวพระเนจรมาจนถึงอุทยานกรุงพาราณสีก็หาใบไม้ปูลาดแล้วนอนร้องครวญครางอยู่อย่างนั้นไะ ตอนนั้นพระเจ้าพรมทัตเสด็จประพาสอุทยานก็จัดถามถึงความเป็นมาเมื่อพรามซึ่งอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับผีเปรตที่ยังมีชีวิตเนี่ยก็กราบทูลเรื่องของตัวจบลงพื้นดินตรงนั้นก็แยกออกเป็นช่องและสูบเอามนุษย์เปรตนี่ลงไปเกิดในอเวจีมหานรกชาดกนี้ชี้ให้เห็นโทษของการประทุสร้ายผู้มีพระคุณท่านูฟังมีโทษหนักมาก ผู้กระทำเนี่ยอาจจะได้รับโทษในชาตินี้เหมือนอย่างพราหมู้นั้นแล้วก็ในการต่อไปใครจะรู้ว่าจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างไรบ้างผู้ปรทุสร้ายต่อมิรผู้อารีนี่จัดว่าเป็นคนที่เลวทรามอย่างชนิดหาที่เปรียบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนี่คืออุทาหรณ์สอนใจว่าแม้บุญคุณเพียงนิดของผู้มีน้ำใจก็เป็นบาปเป็นโทษมหันได้ถ้าเราไม่รู้จักบุญคุณแล้วก็เนรคุณต่อท่านผู้นั้นครับ คนระญาติขาดมิตรเนี่ยน่าสงสารมากนะท่านผู้ฟังที่โคราชเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมารีอายุก็มากแล้วไม่ได้แต่งงานที่ไม่ได้แต่งงานก็เพราะว่าหน้าตาแกอัปรักษณ์มากเลยขี้เรใครๆเขาเรียกมาลีหน้าผีนะอยู่คนเดียวด้วยญาติพี่น้องก็ไม่มีตอนนั้นมาลีหายไปไหนไม่มีใครเห็นหน้ามาหลายวันแล้ว ทุกวันเนี่ยก่อนนี้ก็จะมีคนเห็นเดินไปเดินมาหาคนว่าจ้างทำงานแลกเงินหรือว่าแลกข้าวของอาหารการกินอ่าป้ากุยที่ขายของชำแกก็บอกว่าเออมันหายไปจริงๆว่าไม่มาซื้อของสองสาวันแล้ว อ, ะอ่ะฮะสงสัยมันจะไม่สบาย ออหรือไม่อย่างงั้นใครเขาคงจะจ้างไปทำงานที่อื่นใครเขาจะจ้างมันไปไหนก็ไม่เห็นมีใครพูดเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยใครจะไปเหนือมาใต้ใครจะเป็นจะตายนี่ปักกุยรู้หมดอะวันๆแกไม่ได้ออกไปไหนนอกจากไปซื้อของเข้าร้านแต่ว่าลูกค้าแกเนี่ยรู้อะไรก็เอามาคุยกับแกแกก็โพนทนาต่อรู้ไปทุกเรื่องอะ เอ๊นางมารีมันหายไปไหนจะไปถามใครเขาได้มันไม่มีใครนี่ญาติโกโยติกาก็ตายหงอยตายเก่งหมดแล้วเออคนไร้ญาติขาดมิตรมันยังเงี้ยววะแกอยากจะรู้จริงๆไหมใหญ่ล้ อ, ลอมแกลองไปถามแม้ดำรงมันดูสิอ่าเสร็จแล้วคนที่พูดเนี่ยพูดแล้วก็หัวเราะอ่าแล้วก็หัวเราะกันคลืนทั้งร้านเลยอ่า เรื่องการหายตัวไปของมาลีเนี่ยไม่มีใครสนใจกันนะักแม้ว่าจะมีการพูดกันบ้างก็พูดกันไปอย่างนั้นเองเอามาคุยกันเพราะว่ารู้สึกแปลกๆที่ไม่เห็นใบหน้าดำๆดังๆแสนที่จะอัปลักษ์ของมาลีสองวันต่อมาปรากฏว่ามีคนพบศพมาลีส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในป่าลึกหลังหมู่บ้านคนแห่ไปดูกันเต็มป่า ร่างนั้นแขวนตองแตง่งตองแต่งอยู่กับกิ่งมะขา ม, มาแมลงวันตอมหึงหนือน้ำเหลืองหยดติงต๋งติง๋งลงมาจากปลายเท้าตาสุกแกเข้าไปหาหน่อไม้ได้กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นไปจนเจอจนพบต้นตอแล้วแกเล่าว่าแกเห็นแล้วเกือบเข่าอ่อนนะทีนี้ชาบ้านกดวิาพากษ์วิจารณ์กันใหญ่มันนึกยังไงขึ้นมาว่าผูกคอตาย <S <S นั่นนะจีมันคิดสั้นทำไมของมั น, น่ะ ก็มันขี้เกียจอยู่อะมัง้งน่ากลัวจะอย่างว่าละอยู่ไปก็ไม่มีความสุขรับจ้างเขางกงกงกหาเงินหากินหาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีผัวไม่มีห่วงเออตายซะก็สบายชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็พูดกันอย่างนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลับคิดว่าที่มาลีหน้าผีตัดสินใจปิดชีพตัวเองเพราะความเสียใจน้อยใจมาลีน้อยใ จ, รยใจเรื่องอะไรนคนกลุ่มที่ว่าเนี่ยรู้ดี แต่ว่าต้องพูดกันเบาๆไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินแล้วเก็บไปพูดต่อก็เพราะว่าคนพวกเนี้ยเป็นเพื่อนของนายดำรงผู้ชายสามสี่คนกลุ่มนี้จำได้ดีว่าวันก่อนที่มารีจะตายเนี่ยพวกตัวกำลังนั่งคุยกันอยู่กับนายดำรงเนี่ย เสร็จแล้วมาลีก็เดินมาที่ศาลาพาเอาใบหน้าที่เหมือนกับโดนไฟลวกหน้าเกลียดหน้าชังมาให้เห็นน่ตอนนั้นบ่ายลมโชยมาเออยๆวงสนทนากำลังออกรถกำลังหัวเราะหัวร่อยต้องสะดุดลงทุกคนก็พากันมองไปยังสาวใหญ่ผิวดำคล้ำร่างผอมสวมเสื้อแขนยาวนุ่งผ้าถุงมีรอยปะหลายแห่งนะ ผู้หญิงคนนี้มาก็มาเรียกดำรงอยู่เบาๆมาเรียกดำรงดำรงไอ้เจ้าดำรงทําเป็นไม่ได้ยินและไม่เห็นรีบพูดอะไรมากลบเกลือนเอยสนุกเป็นบ้าเลยเออคันนึกก็ยังไงไอ้ฝ่ายแดงก็โดนนอกที่ไหนได้โอ๊ยปลายคางหมัดเดี๋ยวน้ําเงินลงไปชักตาตั้งยะพอเจ้าดำรงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกคนก็คุยกันต่ออย่างไม่ใส่ใจก็ปล่อยให้นางมาลีในยืนอยู่ข้างสลาก็เรียกดำรงอยู่หลายคำทีนี้มันก็เรียกดังมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเจ้าดำร ง, งที่แกล้งไม่ได้ยินนะเริ่มรำคาญออกอาการงุดหงิดก็หันไปตวาดโอ้ยบ้านี่นเรียกอยู่ได้ดำรงไปหามังสิไม่ไปหาเลยอะ น้ำเสียงของมาลียิ่งทําให้ดํารงในหน้าแดงกําด้วยความโกรธจัดเนี่ยโกรธจะมือสัน่นนี่อีหน้าผีไปให้พ้น่ะนะดํารงนะเดี๋ยวไปหานะเสียงสั่งเหมือนกับกคำชาบก็ยิ่งทําให้ดํารงเดือดดานลุกขึ้นชี้หน้าจะบนสไลาเอ้เปรดนี่ลงไปซัดซะเนี่มาลีมันยังไม่ขยับมันมันยืนอยู่ก้มหน้าแต่ว่าตาเหลือเพืนมองดํารงอย่างกลัวๆยิ่งจะมองอีกจะไปตายหงไต่เก้งแล้วไป สาวใหญ่ไม่ยอมไปไหนดำรงก็เลยบอกกับพวกเฮ้ยเซ็งไว้ไปหาเหล้ากินที่อื่นดีกว่าไปไปไปดีเหมือนกันคนอื่นๆก็เห็นพองก็เลยออกมาจากสารากันนะเดินกันลิวๆวไปปล่อยให้มาลีเหลียวหลังมองตามอยู่เอนกั น, นดำรงผัวของเธอไม่สนใจใหญ่ดีเมื่อเดือนก่อนนี่มีคนจ้าง ให้มาลีไปถางหญ้าในสวนในดำรงในย่องเขามาข้างหลังกลิ่นเหล้านิฟุ้งไปหมดมากอดปล้ำทำไม่ดีไม่ายเสร็จแล้วก็เพ่นหนีก่อนไปก็คำชับว่าอย่าบอกใครเป็นกานขัดมาลีก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหลังจากนั้นเวลาเมาๆก็แวะไปที่บ้านของมาลีอ่นะ มาลีก็รู้แต่ว่าเขาเป็นผัวแล้วเธอก็เป็นเมียพอคนเขาลือกันเรื่องมาลีกับเจ้าดำรงนี่เจ้าดำรงก็กลัวสีททำเหมือนไม่รู้จักไปเลยทีนี้ทีนี้ความที่ว่าได้เสียกันแล้วมาลีก็คิดถึงเขาอยากจะให้เขาไปหาแล้วเวลามาหามาเจอเขาเขาก็ไล่ บอกให้ไปตายโหงตายเก้งเสียมาลีก็ยืนน้ำตาซึมน้ำอุ่นๆ น, นี้ไหลลงมาที่แก้มทุกคนก็รู้ดีว่าเหตุการณ์วันนั้นนะคงจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มาลีผูกคอตายมันคงจะเสียใจที่ไอ้รงมันไล่ตะเพิดเอ็งเลยไปผูกคอตายก็คงอย่างนั้นแหละไอ้รงไม่น่าไปยุ่งนะหน้ามืดเดี โอ้ยหน้าผีก็บ้าใครไปจริงจังอะไรกัมันหน้ามีกระสบเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปว่าจะไม่ต้องพูดอะไรอีกครคนมันตายไปแล้วยิย่งตายโงงซะด้วยนะันเองชาวบ้านที่ใจบุญเขาก็ช่วยกันจัดงานเผาศพให้จนเป็นที่เรียบร้อยเจ้าดำรงไม่ได้โผล่ไปที่วัดเลยกินเหล้าอยู่แถวแถ ว, แถวบ้านน่ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ต่อหน้าเขาก็กลัวเขากันหมดแม้แต่กลุ่มเพื่อนก็รู้ดีว่าเขาไม่ต้องการได้ยินชื่อมาลี กระตอบที่สุขหัวนอนของมาลีสาวหน้าผีก็กลายเป็นกระตอบรางที่ดินตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเธอหรอกใหญ่ตั้วคนใจบุญว่าให้มาลีกับยายเนี่ยปลูกกระ่อมอาศัยมาหลายปีอยู่กันมาจนยายตายมาลีก็เลยอยู่คนเดียวถ้าเกิดมาไม่อาภัพหน้าตาเหมือนผีปีศาจนี่ก็คงจะมีผู้ชายคนใดคนหนึ่งเอาไปทำเมีย แต่เพราะใบหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ต้องครองตัวจนเป็นสาวใหญ่แต่ก็ยังไม่พ้นความหน้ามืดของมนุษย์ที่ชื่อดำรงเนี่ยกลางดึกของคืนที่เงียบสงัดคืนนั่นหญ่ตัวแกสะดุ้งตื่นยาตัวก็คือคนใจบุญที่ให้ที่ปลูกกระท่อมเนี่ยหมาหอนกันโหยหวนหมดพวกมันพากันส่งเสียงชวนคนลุกขึ้นมาดือด้อมันเห็นอะไรเขาเนี่ยนะ โบราณก็บอกหมาหอนนี่มันเห็นผีไม่รู้จริงหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้แแววมากับสายลมใหญ่ตัวนี้ขนลุกมันเหมือนกระดังมาจากทางท้ายสวนที่ขนลุกก็เพราะว่าเสียงนั้นทําให้นึกถึงมาลีแล้วกระต๊อบหลังนั้นมันก็คงอยู่ในความมืดท้ายสวนแก่นั่นแหละ นอกจากใหญ่ตัวจะได้ยินเสียงร้องไห้แล้วคือนั่นก็ยังมีตะ บ, บัวอีกคนหนึ่งตะบัวตื่นมากลางดึกก็ได้ยินเสียงใครมาเดินกุกกุกอยู่ตามถน น, นหน้าบ้านก็ลุกไปมองที่หน้าต่างก็เห็นใครไม่รู้เอาผ้าขาวคลุมหัวเดินห่านไปแก้ว่าเสียงเดินเหมือนกับใครคนนั้นสวมรองเท้าไม้แล้วก็ยังมีกลิ่นแป้งกระป๋องราคาถูกลอยมากับลมอีกด้วยตอนเช้าตะ บ, บัวมาเล่าเรื่องนี้ ปะกุยแม่ค้าร้านขายของชำค็ น, นึกได้ทันทีอ๋อเสียงกกกกใช่มหมรองเท้าไม้ใช่ไหมกลิ่นแป้งกระป๋องเนี่ยมันนึกแล้วขนลุกอุยดูสิเนี่ยเนี่ยดูแขนนี่ขนลุกไปหมดเลยไม่อยากพูดแกก็ยืนแขนมาให้คนอื่นดูเอ้ยพูดมาเถอนะน่ะพูดแล้วห้ามกลัวนะไม่กลัวหรอกนางมาลีไงนางมาลีมันมีรองเท้าไม้อยู่คู่หนึ่งไม่รู้ใครให้มันมา มันชอบใส่มาซื้อของเดินกุกกุกกุกข้าจำได้แล้วมันก็ชอบซื้อแป้งกระป๋องหอมๆไปทาตัวทาหน้าทาตามนะฟังปะกุยสาทยายแล้วตะบัวกแกก็รู้สึกหนาวอา้าวไอ้ที่าเห็นก็ผีสิวะเนี่ยไม่มีใครยืนยันแต่ว่าใจนะคิดตรงกันเลยต้องเป็นผีนางมาลีแน่ๆเออแล้วมันคลุมหน้าทำไมก็มันอายหน้ามะนะสิ ขนาดเป็นคนยังน่าเกลียดก็นั่นน่ะสิแล้วตายเป็นผีจะน่าเกลียดน่ากลัวซะขนาดไหนเขาก็ต้องเอาผ้าคลุมมาแล้วคืนเดียวกันนั้นเจ้าดำรงก็ฝันร้ายเห็นมาลีหน้าผีมาหาที่บ้านมาขอนอนด้วยอ่ามันก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้ว่าฝันก็ถอนให้ใจโล่งอกมันมาที่ร้านป้ากุยตอนเช้ามากินกาแฟ อ่าก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้วจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ตะบัวอาจจะเมาจนเพี้ยนไปก็ได้ที่ว่าเห็นมันเอาผ้าคลุมหัวเดินพอดีใหญ่ล้อมเขามาในร้านมาเล่าเรื่องใหญ่ตั๋วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็บอกว่าใหญ่ตั๋วแกะสะบูดสาบานนะว่าแกได้ยินจริงๆหูไม่ฝาดนะเนี่ยวันนี้จะให้คนไปรื้อกระท่อมนั่นแล้วแกว่าอา้าวไปรื้อแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอะ ปักุยก็มองหน้าตะบัวไม่รู้พูดเล่นพูดจริงคนมันตายไปแล้วจะต้องยงต้องอยู่อะไรกันอีกละ่ะเออแต่กูเออจริงจริงก็รื้อไปซะได้ก็ดีกระท่อมสับประรังเคนั่นอ่ะเออไม่อยากจะคิดถึงมันใหญ่ตัวจ้างคนไปรื้อกระท่อมไม่อยากจะได้ยินเสียงร้องไห้เสือกสะอสะอื้นกลางดึก ก่อนจะให้คนลงมือแกก็จุดธูป บ, บอกเล่าขอให้ดวงวิญญาณมาลีไปผุดไปเกิดชาวบ้านหลายคนก็ไปดูอย่างสนใจเพราะว่าคาดหมายว่าจะต้องมีเหตุการณ์แปลกปรลาดแต่กลับผิดหวังเพราะว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นหมู่บ้านก็ไม่มีความสงบกลางคืนก็มักจะมีเสียงรองเท้าไม้ดังกุกกุกไปตามถนนดิน ร่างนั้นก็ใช้ป้าขาวคลุมหัวกลิ่นแป้งราคาถูกๆก็หอมเอียนไปทั้งหมู่บ้านบางคืนก็มีเสียงโหยหวนดังมาจากป่าบางคืนก็มีเสียงปรีดร้องเจ้าดำรงไม่กล้าออกไปกินเหล้าตอนกลางคืนอีกออกไปที่ไรขากลับเป็นต้องโดนผีหลอกเหมือนก็ว่าดวงวิญญาณของมาลีนี่ดักรอมันอยู่ตามข้างทางข้างต้นไม้ตามริมทางเดินมันเดินเซ่ซมาในความมืดนะ มาลีก็จะโผล่มายืนกวักมือเรียกเรียกชื่อเขาด้วยแล้วชวนไปที่กระท่อมหล่อ น, นีนจองล้างจองผานดำรงแจริงดำรงเจอทีไรเป็นต้องวิ่งป่าราบทุกทีนะแล้วหล่อนก็ไม่ยอมให้เขาเห็นหน้าเอาผ้าขาวคลุมไว้เหมือนกับไม่ต้องการจะให้เขาขยะขยแยงใบหน้าที่น่าเกลียดของเธอเวลานอนเนี่ยดำรงก็มักจะฝันร้ายว่าหล่อนมาหามันนอนด้วยก็ทาให้เขานอนหลับหลั บ, ลบตื่นตืน ทั้งคืนน่ะถึงก็บ่นให้เพื่อนพ้องฟังว่ากูจะบ้าอยู่แล้วโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีกรวดน้ําทําบุญไปให้ใหมั้งสิเฮ้ยคนอย่างข้าเคยทําบุญที่ไหนหพระเจ้าไม่รู้จักแล้วดํารงก็ไม่ยอมทําตามเพื่อนแนะนําเขายัางต้องผจนด้วยความน่ากลัวต่อไปทีนี้พ่อแม่ก็รู้เรื่องนี้ก็พาตัวลูกชายไปรดน้ำมนต์เพราะว่าตอนหลังนี่ชักขวัญห น, นีดีฟอพูดเพ้อไม่เป็นภาษาคน แม่เปิดประตูเข้าไปหาในห้องก็ยกมือไหว้ปลกุปลกปลุกบอกกลัวแล้วกลัวแล้วมาหลีจ๋ากลัวแล้วอย่ามาหลอกฉันเลยอ่าแม่ก็ต้องบอกว่านี่แม่นะลูกอย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกไปผุดไปเกิดจ่ตีจะมาหลีไปเกิดตีพาไปรถน้ำมลอาการก็ไปดีขึ้นประสาทหลอนอยู่ทั้งวันนั่งนั่งอยู่ร้องโวยวายโบกมือให้อ ะ, อะไรก็ไม่รู้ไปไปไปไปไ ป, ไปให้พ้นนะบอกให้ไปพ่อแม่ก็ร้อนใจพาลูกชายไปรักษาหลายหมอ แต่อาการยิ่งหนักกว่าเก่าเพื่อนพ้องก็ไม่มีใครไปมาหาสู่แล้วต่างก็กรัวจะเป็นเหมือนกับมันทุกวันนี้ดำรงยังตกอยู่ในโลกแห่งความผวาดวงวิญญาณของมาลีก็ยังคงวนเวียนเสียงรองเท้าดังปุกกุกยังดังอยู่กลิ่นแป้งก็ยังเหม็นเอียนตลบไปทั้งหมู่บ้านครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เรานามาเสน อ, อให้ฟังกันวันนี้ครับ ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมคุณสมชายเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อแกเนี่ยเป็นคนดุแม่เนี่ยไม่กล้าพูดกล้าเถียงหรือว่าออกความเห็นอะไรขนาดไม่ค่อยพูดแต่ยังมีเรื่องโดนพ่อตะว่าใสา่บ่อยๆแม่ก็จะนิ่งเงียบเพราะว่ารู้ว่าขืนพูดออกไปอีกเรื่องมันก็ไม่จบพ่อเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเป็นใหญ่เหนือคนอื่นในบ้าน จะสั่งให้ใครทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นทีนี้คุณสมชายกับ น, น้องๆอีกสี่คนก็กลัวพ่อมากก่อนนั้นที่บ้านยังทํานาทำไร่ถั่วไร่งารถไถเล็กๆก็ยังไม่มีแพร่หลายที่บ้านเขาใช้ควายไถายนาเลี้ยงเอาไว้สองตัวตัวผู้ชื่อไอเมฆตัวเมียชื่อนางเงินนางนางเงินเนี่ยดีมากชื่อก็เป็นมงคลอ่า คุณสมชายบอกนึกชอบชื่อนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆตอนเล็กๆนี่ก็เคยกี่หลังอีเงินชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นคือถ้าตัวเมียเนี่ยเขาจะคำนำหน้าก็คืออีถ้าเป็นตัวผู้คำนำหน้าว่าไอ้เขาไม่ถือว่าหยาบคายกันก็ขนาดคนก็ยังเรียกกันอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่หมู่บ้านยังไม่เจริญเนี่ยน้ำไฟรถราอะไรไม่มีชาวบ้านไม่ว่าบ้านไหนก็ทำนาทำไร่กันทั้งนั้นงานที่ทำกันก็ไถานาหวานข้าวเกี่ยวข้าวนวดข้าว หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลที่บ้านนะทำนามีพ่อเขาดุเหลือเกินความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยดีพูดได้ว่าเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ค่อยชอบพ่อเหมือนกันเพราะว่าพ่อน่ยไม่เอาใครที่ว่าไม่เอาใครหมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นไม่ค่อยพูดค่อยหยอกเย้าหรือว่าคุยอย่างกันเองแล้วก็ไม่ให้ความช่วยเหลือใครไม่เอออมหม่อมกอ่ากับใครอยู่แบบตัวคนเดียวไม่พึ่งพาใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครพึ่ง ทีนี้ความสัมพันธ์ของพ่อก็เสียไปแล้วนอกบ้านก็เสียความสัมพันธ์ในบ้านก็ไม่สู้ดีเพราะว่าเวลาออกไปทำไร่ไถนากันถ้าพ่อไม่บอกให้เลิกก็เลิกไม่ได้นะต้องทำกันไปอยู่อย่างนั้นแหละใครเลิกก็จะโดนดุโดนตวาดขนาดจะกินข้าวยังต้องถามพ่อว่ากินได้ยังต้องให้พ่ออนุ ญ, ญาตก่อนถึงขนาดนี้เลยจ้วันหนึ่งพ่อกับแม่ก็ไปไถานาด้วยกันสองคนวันนั้นพวกเด็กๆ ก, ก็ไปเรียนหนังสือกัน คุสมชายเองก็ไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดเพราะตอนเย็นกลับมาบ้านก็รู้ว่าอีเงินมันไม่สบายมันนอนลุกไม่ขึ้นมีเลือดไหลแถวแถวก้นของมันน่ะพวกเด็กๆ ก, ก็พาไปดูก็โดนพ่อดุว่าไปดูมันทําไมเด็กๆ ก, ก็ถอยห่างออกมาที่แรกก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าพ่อไม่บอกจนกระทั่งแม่กลับมาจากไร่ข้าโพดก็เลยถามแม่แม่แม่อีเงินเป็นอะไรแม่เลือดมันไหลออกมาทางก้นมันน่ะ แม่ก็ทําท่าจะบอกแต่เหลือไปเห็นพ่อยืนอยู่หน้าข้อควายก็เลยส่ายหน้าบอกว่ามันไม่ค่อยสบายลูกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วแม่ก็ไล่ให้ลูกๆไปอาบน้าอาบท่ากันแม่ก็ขึ้นบ้านหุงข้าวมือเย็นให้กินกันก็ถามลูกบอกถามว่าหิวข้าวยังอทีนี้เด็กๆกราหิวกันอยู่แล้วอ่ะก็ไปยักหน้าพร้อมกันอีเงินไม่สบายแต่ไม่รู้ทาไมถึงไม่สบาย ยังเป็นความลับอยู่เพราะแม่ยังไม่เล่าให้ฟังจนกระทั่งเขานอนตอนอยู่ในมุงน้องๆก็ถามแม่อีกว่าเงินมันเป็นอะไรอะแม่แม่ก็เล่าเสียงเบาๆให้ฟังที่แม่กล้าเล่าให้ฟังเพราะว่าพ่อกับแม่นอนคนละมุงนอนคนละบ้านที่บ้านเนี่ยมีเรือนอยู่สองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังใหญ่นี่ปลูกก่อนเป็นเรือนหอของแม่กับพ่ออยู่ทางที่ตะวันออกแล้วต่อมาก็มาปลูกเพิ่มอีกหลัง ต่อนอกชาญชนกันแล้วใกล้ลำคลองหน้าบ้านเป็นเรือนหลังเล็กมุงสังกะสีหลังใหญ่นะมุงกระเบื้องเป็นบ้านทรงไทยไม้ดีมากกลางคืนพ่อนอนที่เรือนหลังใหญ่ส่วนแม่กับลูกทุกคนก็นอนที่เรือนหลังเล็กมีครัวอยู่ทางทิศใต้ครัวไม่ใหญ่อ่ะแต่แม่ทำกับข้าวอร่อยแม่เนี่ทํากับข้าวยอดเยี่ยมเลย คืนนั้นที่แม่เล่าให้ฟังทุกคนย่องเงีย้ยวหูฟังเรื่องราวของอีเงินที่นอนเจ็บป่วยอยู่แม่เล่าบอกว่าไปไถานากับพ่อที่นาเหนือเมื่อกลางวันนั้นเสร็จแล้วพ่อเร่งมือไถ่ายไล่ควายใหญ่เลยจะให้แล้วเสร็จเเร็วๆไอ้เมฆมันแข็งแรงมันสามารถทําได้เพราะมันตัวผู้นะส่วนอีเงินแม้ว่าจะแข็งแรงทํางานเก่งแต่ก็มันกําลังท้องแก่เดินอุ้ยอ้ายพ่อก็ไม่พอใจอย่างมากที่มันชักชา แม่ก็กุมคันไถให้อีเงินลากไปเรื่อยๆไม่อยากจะเร่งมันแม่นะรู้ว่ามันกํนาลังท้องกําลังใส้มันทํางานหนักไม่ไหวเพราะแม่เองก็เคยท้องอ่ะอุยอายทำอะไรไม่คล่องเหมือนกันแต่พ่อเนี่ยเหมือนกับไม่เข้าใจตวาดแม่ให้ไล่อีเงินเดินเร็วๆแม่ก็พยายามจะบอกพ่อบอกมันท้องอ่ะมันก็เดินช้าหน่อยแต่พ่อเน่ยเอาแต่ใจตัวเองก็ดุว่าแม่อย่างรุนแรง แต่แม่สงสารอีเงินก็ไม่ทำตามพ่อสั่งก็ทำให้พ่อไม่พอใจถึงกับหยุดไถก็ยืนจ้องมองแม่ถามว่านี่จะเอาไงแม่ก็บอกว่ามันกำลังท้องอยู่แม่บอกดีๆพ่อก็บอกไม่ต้องไปสนใจมั้ยละไล่ไปเร็วๆ เ, เข้าไม่งั้นเดี๋ยวมแม่ก็จำใจไล่อีเงินเดินเร็วๆมันก็พยายามเดินเร็วอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของพ่อ พ่อเขอแหงนหน้ามองตะวันที่สายโดวงฟ้าในใกล้จะเพลิแล้วพ่อก็บอกว่ามัวจะอ้อยอิงอะเดี๋ยวไม่เสร็จอะพ่อบน่นงุ ด, ดงิดงุดงิดพยายามจะไถามาให้แล้วเสร็จวันนั้นความจริงแล้วต้องไถอีกวันหนึ่งถึงจะเสร็จแต่พ่ออนะใจร้อนอยากจะเร่งรัดให้เสร็จเร็วๆพ่อไม่พอใจอย่างมากที่แม่ไม่ไล่เงินให้เดินเร็วๆแต่แม่ก็บอกว่าทําแล้วมันเดินไม่ไหวมันเองก็กําลังแย่ ทีกแย่ก็เพราะว่าตะวันสายโด่งฟ้าแดดร้อนเปรี้ยงน้ํามันก็ไม่ได้กินแดดก็ร้อนแล้วก็ไถานาตั้งแต่ยังไม่สว่างดีนาคนอื่นเขาปลดควายไปนอนน้ําไปกินหญ้าหรือว่าเข้าบ้านกันหมดแล้วมองดูทั้งทุ่งไม่มีใครกําลังไถานาอยู่เลยมีแต่แม่กับพ่อเท่านั้นเนี่ยแม่ก็บอกกับพ่อบอกสายแล้วนี่ควายมันจะไม่ไหวแล้วนะมีหรือไม่ไหวมันต้องไหวสิไม่ได้หนักหนาอะไรนี่แม่โดนตะวัดอีก แม่ก็ไม่เถียงพ่อเพราะว่าเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพ่อนีนใครขัดใจไม่ได้อพอไม่ได้อย่างต้องการพ่อก็ให้แม่ไปไถไอ้เมส่วนพ่อมาไถาเงินแม่บอกว่าไม่อยากให้พ่อมาไถาเงินเลยเพราะว่าสงสารมันแต่ก็ต้องยอมพ่อนะ่ะตีเงินเป็นการใหญ่ตีด้วยด่าด้วยเดินเร็วๆสิแปดงมงามอยู่ได้เต็ดขายแขกซะเลย คำว่าขายแขกก็คือขายให้เขาเอาไปเข้าโรงเชื่อแต่เองคือจะมีแขกมาซื้อควายไปส่งฆ่าโรงค่าสัตว์นานๆมาทีมีคนขายควายที่เขาไม่อยากจะเลี้ยงต่อไปแล้วคือมันอาจจะอายุมากทำงานช้าหรือว่าควายดือด้อๆรันๆ น, นะคือขนองหน้าปวดหัวเขาก็จะขายไปพ่อเอาเชือกขวดอีเงินขวับขวับขวับไล่ให้มันเดินด่ามันสาเสียเทเสียอีเงินก็กลัวลานเลยพยายามลากคันถายให้เร็ว แต่มันก็ย่ำแย่มันไม่ไหวจริงๆพ่อไถจนอีเงินเลือดไหลแทงลูกพ่อเห็นแทนที่จะหยุดก็ไถมันต่อไปไล่เห็นมันเดินเดินเดินอย่างไม่ปราณีปราสัยมันก็เดินเป๋ไปเป๋มาพยายามเกรงจนขาสั่นดริกแม่เห็นแล้วสงสารจนน้าตาร่วงแต่ห้ามพ่อไม่ได้แม้ว่าห้ามไม่ได้ก็พยายามพูดหลายหนเลือดมันไหลนะมันแทงแล้วนะพ่อไม่ต้องไปสนใจไอ ทำงานนิดทำงานหน่อยแท้งอีนี่ดิบัะค่าใช่ไี่พ่อบังคับให้อีเงินไถนาจนเสร็จเที่ยงละวันตรงหัวอีเงินเดินกลับบ้านอย่างทุลักทุเลพอถึงคอกก็ล้มแผลหมดเรียหมดแรงแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยแม่บอกว่ายังดีที่มันประคองตัวกลับถึงคอกได้ถ้าไปล้มกลางทุ่งนี่จะทำยังไงกันจะเอามันกลับได้ยังไงกันอีเงินต้องตายเพราะแทงลูกเลือดไหลไม่หยุด พ่อก็ไม่เสียใจบอกขายให้พ่อค้าเนื้อไปเขาก็มาชําแหละเอาเนื้อมันไปขายแต่ชาวบ้านที่รู้เรื่องก็ไม่ยอมซื้อเนื้อมันกินทำให้พ่อค้าเนื้อต้องเอาไปขายหมู่บ้านอื่นที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ซื้อกินที่ชาวบ้านไม่ซื้อกินก็เพราะว่าเขาบอกว่าพ่อน่าโหดมากเขาสงสารอิเงินก็เลยไม่ยอมซื้อเนื้อมันกินเขากินเนื้ออิเงินไม่ลงเพราะว่าอย่างนั้น เวียนกรรมเล่นงานพ่อตอนพ่ออายุใกล้ๆจะห้าสิบพ่อก็เจ็บป่วยบ่อยมากเลยเวลานั้นเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็น น, น, น, นี่ไปขุดดินก็โดนเจาะฟันขาอตอนที่ถากหญ้าเป็นแผลชะกันลุกลามน่ากลัวต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยขาเกือบเน่าหมอบอกว่าวิ์จะถูกตัดขา นอกจากนั้นก็เป็นโรคปวดท้องร้องอยอ้ยอ ย, อยมันปวดเหลือเกินมันปวดเหลือเกินว่าอย่างนั้นหน้าบิดหน้าเบี้ยวมือกุมทองตัวงอเป็นกุ้งย่ยรักษายัางไงก็ไม่หายสายตาก็พร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยเห็นที่สำคัญดูแก่มากับผมงอกขาวไปทั้งหัวเลยความจริงมันเร็วไปมากต้องคนขนาดอายุเจ็ดสิบแปดสิบมาถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่พ่อนี่ยังไม่ทันห้าสิบเลยแก่ทาว่าคนเจ็ดแปดสิบแล้ว พวกพื่นบ้านก็ซุบซิบกันว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยทำกรรมไถนาจนควายแท้งลูกตายพ่อก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพ่อจะรายย้ายยังไงแต่ว่าลูกๆ ก, ก็สงสารพ่อมากพ่อตายในอายุห้าสิบปีกว่าเท่านั้นะนับว่าอายุสั้นมากตายด้วยมะเร็งตับปวดท้องร้องโอยโวยโว ย, โยมะเร็งตับเนี่มันทรมานเหลือเกินพ่อบอกก่อนสิ้นลมไวอย่างนั้นบอกแมส่สุดแสนจะทรมาน คุณสมชายกับ น, น้องชายในบวชหน้าไฟให้พ่อแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อไปสู่ที่ชอบเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นเรื่องที่จะยืนยันว่าเวรกรรมบาปบุญมีจริงอย่าไปทําทารุณกรรมมาเลยครับสัตว์ทั้งหลายมันก็รักชีวิตรักตัวกลัวตายมีความเจ็บความหิวเหมือนกันกับคนเหมือนกันเพียงแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองน่าสงศารมืองครับ คุณโกศลบ้านอยู่จังหวัดแพร่เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องเวรกรรมแกบอกว่าแกเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงร้อยเปอร์เซ็ตมันมีเรื่องที่เกิดกับลุงของแกคือลุงเนี่ยเป็นพี่ชายแม่แม่กับลุงนี่กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนตายแม่ก็สั่งให้ลุงเนี่ยแบ่งสมบัติให้แม่คนละครึ่ง แต่พอเติบโตลุงก็ไม่ยอมแบ่งอะไรให้เลยกลับเอาเป็นของตัวจนหมดหลังจากนั้นแม่ก็แต่งงานไปโดยมีแต่ตัวเท่านั้นอ่ะโกศลก็บอกว่าแม่มีแต่ตัวแต่ว่าพ่อของเขานี่รักแม่ที่ตัวของแม่ไม่ได้รักสมบัติก็แต่งงานกันลุงนี่มีหัวทางขี้โกงแม่ก็ไม่เรียกร้องอะไรแล้วแต่ลุงจะให้อะไรหรือว่าไม่ให้แม่ก็ไม่ว่า เพราะว่าแม่ก็ไม่ลําบากแล้วได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีแล้วก็รักครอบครัวอย่างพ่อส่วนลุงก็มีครอบครัวเหมือนกันก็ขายที่ดินที่ดินที่โกงมาจากแม่แหละแล้วเอาไปตั้งโรงเรื่อยกิจการก็ไปได้ดีพอสมควรแต่ใครจะรู้ว่ามันจะได้ดีไปนานตลอดไปแค่ไหนเพราะคนกี้โกงมันก็ย่อมจะต้องมีวันที่จะสะดุดชะงัดเข้าบ้างอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวลุงก็ตื่นตกใจกันใหญ่ลุงร้องโอวยโว ย, โยเลือดเต็มมือเลย โดนเลื่อยตัดมือขวาขาดลุงกลายเป็นคนแขนด้วนไปแล้วแล้วก็เป็นมือข้างขวาสะดวยมือสำคัญที่ใช้งานถนัดที่สุดพอเสียมือขวาไปแล้วแกก็ต้องมาฝึกใช้มือข้างซ้ายในการช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างคนที่รู้ว่าลุงคดโกงสมบัติของแม่ก็พากันบอกว่าสมน้ำหน้ามันงคงจะเป็นเวรกรรมที่ลุงทาเอาไว้ถึงต้องเสียมือไปแม่ไปเยี่ยมอาการของลุงที่บ้าน กสลเล่าว่ากูสลก็ไปด้วยก็ได้ไปเห็นลุงของเขามือขาดแล้วก็ได้ยินคำพูดของลุงถนัดชัดเจนยังจำได้ไม่ลืมลุงถามแม่บอกมึงมาทำไมแม่ก็บอกว่าก็ามาเยี่ยมพี่อะสิมึงไม่ต้องมามกลับไปเถอะฉันจะมาดูว่าพี่เป็นไงมั่งมันเรื่องของกูไม่ต้องมายอะมาเยอย้กูฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะพี่ฉันเป็นห่วงพี่ถึงได้มาเยี่ยมไ ป, ป, ป, ปมึงไปพ้นมา ลุงใช้มือข้างดีในโบกไล่แม่แม่ก็ลุกขึ้นโกศวนก็ลุกตามแต่แม่ก็ยังไม่ไวายที่จะพูดปลอบลุงพี่อย่าคิดมากนะเป็นแค่นี้ยังทํามาหากินได้ลุงก็โกรธ จ, จนหน้าแดงนะตอนนั้นคนอย่างกูไม่คิดมากอยู่แล้วมึงไปเออไปไปไปแม่กับโกศวนกลับจากบ้านลุงชาวบ้านก็บอกไปเยี่ยมมันทําไมแม่ก็บอกว่าก็เขาเป็นพี่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็เป็นพี่อยู่ดี อยู่ต่อมาอีกหลายปีเรื่องร้ายก็เกิดกับลุงอีกแล้วไฟไหม้โรงเลื่อยของแกท้องฟ้าที่แดงฉานเนี่ยไฟไหม้ตอนดึกวอดวายไม่เหลืออะไรเลยครอบครัวลุงก็ตกอยู่ในความลําบากแม่ก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ลุงกลับไล่สะเพิดด่าแม่เสียเสียหายหายจนแม่ต้องถอยออกมาไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยญาติข้างเมียของลุงเขาก็ช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยพักพิงลุงก็กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดโมโหง่ายเอาแต่ใจตัวเอง ต่อมาก็ขายที่ดินที่เหลืออยู่แปลงเดียวซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเลื่อยเดิมนั่นแหละเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ว่ายังอาศัยบ้านญาติข้างเมียอยู่ช่วงนั้นลุงติดเหล้าแล้วเล่นการพนันด้วยจนเงินที่ขายที่ได้น่ะหมดลุงก็เครียดสิเพราะว่าลูกเมียพ า, ากันตำหนิต่างๆ น, นๆานาญาติข้างเมียก็ดา่ารังเกียจไม่มีใครเขาอยากจะช่วยลุงแล้วเขาก็พากันพูดว่าครอบครัวหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะลุงนั่นเอง ลุงก็เครียดจนกินเหล้าจนกลายเป็นคนติดเหล้างอมแงมแล้วไม่มีใครนึกว่าคนอย่างลุงจะคิดสัน่นวันหนึ่งตอนเย็นนักเรียนเลิกเรียนกันแล้วลุงก็ไปที่โรงเรียนไปอินเข้าไปบนแทงน้ําของโรงเรียนซึ่งสูงมากแล้วแล้วโดดลงมาร่างมากระแทกกับพื้นดินแต่บังเอิญช่วงนั้นเป็นหน้าฝนพื้นดินมันอ่อนนุ่มลุงก็ไม่ตายแต่เสียขาไปอีกข้างอเปล่าทางสะโพกลงกระแทกดิน เมียของลุงนี่ไม่ได้ใส่ใจใหญ่ดีแล้วทีนี้ก็มีแม่ของโกศลเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพาไปรักษาอาการดีขึ้นก็รับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านลุงกลายเป็นคนพิการใช้ไม้เทา้ายันทีนี้เสียทั้งมือเสียทั้งขาเลยอขนาดนั้นก็ยังพูดกับแม่บอกว่าน่าจะปล่อยให้เขาตายช่วยไว้ทําไมจะเอาไว้เย่ะเย้ยหรื อ, อยังไงแม่ก็บอกว่าฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นกับพี่หรอกนะ ถึงยังไงพี่ก็เป็นพี่ของฉันก็เรามีกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นน่ะลุงน่ะพูดไม่ดีกับแม่อยู่เสมอโกศลได้ยินอยู่เป็นประจำส่วนพ่อของโกศล น, น่ะเป็นคนไม่ชอบพูดมากแม่จะทำอะไรก็เป็นเรื่องของแม่เพราะถือว่าแม่ตัดสินใจถูกต้องไม่เคยผิดพลาดเป็นคนมีความรับผิดชอบพ่อก็ไม่ว่าอะไรสักคำลุงอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่เอาอกเอาใจทุกอย่างมีห้องให้อยู่เป็นส่วนตัวลูกเมียของลุงไม่เคยมาเยี่ยมเลย ลุงมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดสามคนนั้นใจดำจริงๆหรือว่าจะเป็นเพราะแม่สั่งห้ามก็ไม่มีใครรู้อาจจะบางทีญาติของแม่นั่นแหละที่พูดว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยเป็นคนแม่เอาไหนไม่น่าจะไปเอาใจใส่ในสภาพที่พิการขนาดนั้นนะลุงอยู่กับแม่ของโกศลไม่ต้องทำงานอะไรเลยมีกินมีอยู่ทุกอย่างอย่างนั้นแล้วลุงก็ยังไม่พอใจเกลียวกราดเอาแต่ใจตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบกีหน้าโกศนด้วยมักจะด่าว่านอกจากด่าโกศนยังด่าว่าแม่หาว่าเลี้ยงเขาเอาไว้เยอะหยันเลี้ยงเขาเอาไว้ให้ชาวบ้านหัวเราะว่ากล่าวนินทาสาบแช่งว่าอย่างนั้นวันหนึ่งลุงก็หนีออกไปจากบ้านดื้อแม่ตกใจใหญ่เที่ยวตามหาปรากฏว่าหนีไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งไปใส่ความหาว่าแม่ขับไล่สายส่งไม่ให้อยู่บ้านอีกแล้ว เพื่อนของลุงเ้าเชื่อเข้าใจผิดคิดว่าแม่เป็นอย่างนั้นจริงสงสารลุงก็เลยให้อยู่ด้วยพอแม่ไปตามกลับลุงก็พูดใส่หน้าแม่ต่อหน้าเพื่อนอบอกว่ามึงไม่ต้องมาทำเป็นคนดีหรอกมึงมันหน้าไหวหลังหลอกกูไม่อาศัยพึ่งพามึง อ, อีกแล้วด่าว่าแม่เจ็บเจ็บแสบแส บ, แบด่าหลายอย่างแม่ของโกศลก็ต้องกลับเพราะว่าเพื่อนของลุงก็ไม่ยอมเข้าใจ ชาวบ้านก็เห็นใจแม่มากบางคนก็พูดพองโงงใส่หน้าแม่แล้วไปนสนใจมันทําไมอีกคนพันยางงั้นไม่มีความสำนึกตัวเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองทําอะไรไว้มั่งคดโกงไว้ไเท่านั้นจรมาตามสนองแล้วยังไม่รู้สึกรู้สายปล่อยไปเถอะอย่าไปใส่เอาใจใส่และหางแดงมันย่างงั้นทามาหากินไปดีว่าแม่ก็ได้จะพูดว่าถึงยังไงเขาก็เป็นพี่และจ้าลุงอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ระยะหนึ่ง อยู่ไปนานเพื่อนก็ชักเอื่มระอาเพราะว่าลุงน่ะ ก, ก้าวร้าวพูดจาไม่ดีแถมไม่เกรงใจเมียเพื่อนเวลาเมียเพื่อนนุ่งกระโจมอกจะอาบน้ําอาบท่าก็าจ้องมองตาเป็นมันอย่างไม่เกรงใจบ้านเขามีลูกสาวคนหนึ่งก็พูดจาแทะลมทาให้เพื่อนนะ่ะรู้สันดานที่แท้จริงก็หมดความเกรงใจเลยไล่ออกปากไล่ให้ออกไปเสียพคนบ้านลุงก็กลับไปหาเมียไปพูดยังไงไม่รู้เมียก็รับไว้ แต่ญาติของเมียเขาไม่ชอบใจแต่ก็ไม่พูดอะไรไปอาศัยอยู่บ้านคนอื่นเขาก็ยังทําตัวเหมือนกับเป็นบ้านตัวเองลูกเมียไม่ได้เอาใจใส่ต้องช่วยเหลือตัวเองทีนี้ไม่เหมือนตอนที่อยู่บ้านแม่โกศธนเนี่ยแม่นี่ทุกอย่างอ่มีอะไรก็ช่วยลุงทําให้ลุงทุกอย่างเลยทีนี้ พอไปอยู่บ้านที่ไม่มีใครจะมาดูมาแลนี่ก็ ง, งุดศงเดตซิเริ่มด่าว่าเมียด่าลูกสร้างความรำคาญก็ญะะาติญาตินะพี่ชายของเมียไม่พอใจได้ยินหลายหุ่นหลายคราวเขาขทนไม่ได้ก็พูดจึ้มาบอกนี่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นะไม่ต้องพูดอะไรมากะอยู่ไม่ได้ก็ไปเท่านั้นเองะลุงโกรธใหญ่ทะเลาะมีปากมีเสียงเถียงกันใหญ่โต อลุงประกาศว่าจะพาลูกพาเมียไปอยู่ที่อื่นแต่มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงลูกกับเมียใครเขาจะไปอยู่กับแกไปก็อดตายไปเอาอะไรกินจะไปอยู่ที่ไหนกันเมียก็บอกว่าอะพี่จะไปก็ไปเถอะอย่าเอาคนอื่นไปลําบากด้วยเลยจะไปไหนก็เชิญ <S <S ลุงเสียใจอย่างหนักก็ออกจากบ้านไปโดยไม่ให้ใครรู้ไปตอนดึกคืนหนึ่งนะไปไหนก็ไปไม่รอดกลับมาหาแม่ของโกศล แม่โกศลเห็นพี่ชายกลับมาก็ดีใจต้อนรับอย่างดีโกศลเล่าว่าลุงอยู่กับครอบครัวของเขานานหลายปีตลอดเวลาเขาเอาแต่ใจตัวเองคนในบ้านต้องเกรงใจที่เกรงใจเขเพราะสงสารแม่ไม่อยากให้กระทบกระเสือนจิตใจเพราะว่าแม่นีิรักลุงมากจนกระทั่งวันหนึ่งลุงหนีออกจากบ้านไปอีกมีเรื่องกระทบกระทั่งกับพ่อเพราะพ่ อ, พ อ, พอทนไม่ไหวพ่อก็พูดบอกว่า ครอบครัวเรานะ่ะมีความสุขนะ่ะต้องอยู่ก็ยังอึดอัดเพราะใครเท่านั้นนะ่ะลุงหนีออกจากบ้านไปหาเมียเมียก็ไล่สะเพิดน้อยใจขึ้นมาซื้อยาข้ า, มาแมลงมาดื่มอกักอักอักพไปตายสมใจตายอยู่ที่ข้างรู้ว่าบ้านญาติเมียนั่นแหละเออสมน้ำหน้าบดเวนหมดกรรมสักทีเออลุงนะลุงพูดถึงเรื่องเวนเรื่องกรรมนี่ มีเรื่องหนึ่งคุณกเกษมเล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของแกเองอ้วนมากน้ำหนักต้องแปดสิบน่ยแกชอบกินของหวานหวานมันๆข้าวข า, วขาวหมูตม้มพะลวอะไรอย่างเงี้ยแกชอบไปอย่างนั้นก่อนโน้นแกขายไอศครีมกะทิสดทำเองเพราะว่าได้สูตรมาจากคนรู้จักกันก็ลองทำกินดูก่อนตอนหลังใครชิมก็บอกอร่อยอายุให้แม่ทำขายแม่ก็เลยลองทาขายดูขายดี อขายดีเป็ น, นเทน้ําเทท่าเลยไอศครีมของแม่นี่ทั้งหวานทั้งมันใครได้กินก็ติดใจกันทุกคนสมัยเรียนช่างคนคุณกเกษมเคยพาเพื่อนมากินนะมันชอบกันใหญ่ไม่ใช่เพราะกินฟรีหรอกมันชอบกันจริงๆขนาดเพื่อนผู้หญิงมาขอเรียนทําไอศครีมกับแม่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นลูกสะใภ้ของแม่ก็คือเมียคุณกเกษมนั่นแหละต่อมาแม่ขายไอศครีมไม่ไหวเพราะว่าปวดขายืนไม่ได้น้ําดัก น้ำหนักตัวกยะแล้วก็ไม่ค่อยสบายพี่เคยคุญเสมก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่นะก็ปรากฏว่าแม่เป็นทั้งความดันทั้งเบาหวานแม่ก็พอรู้ก็ใจเสียหน้าตาหมองน่นั่งหน้าเศร้าบ่นว่ายังไม่อยากตายอยากจะอยู่ดูหลานๆไปก่อนอยากเห็นมันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน หลานๆก็คือลูกของพี่สาวแล้วก็ลูกๆสองคนของคุณกเกษมซึ่งยังเล็บ ก, กันอยู่อันที่จริงอนะแม่ก็ยังไม่แก่อายุหกสิแปดเท่านั้นนะบางคนอยู่ตั้งร้อยปีก็ยังมีแต่นั่นเขาไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมารบกวนคุณกเกษมก็ได้จะตบอบแม่บอกว่าแม่ยังอยู่ได้อีกนานกินยาที่หมอสั่งสิกินอาหารตามที่หมอบอกไอ้ของหวานหวานมันๆก็งดไปมั่ง แม่ก็เชื่อเพราะว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานๆนเห็นหลานเติบโตแต่แม่ก็พูดว่าแม่สังหอนใจว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นแม่หน้าตาเศร้าหมองมากจริงๆระยะหลังเนี่ยสีหน้าไม่มีราสีเลยก็ว่าได้มันคล้ำเหมือนกับว่าคนที่เขาว่ากําลังมีเคราะห์เนี่ยหน้าตามัมนจะดํามันจะคล้ำนี่ตัวคุณเกษมเองทํางานอยู่กรุงเทพก่อนนั้นสองสามเดือนกลับบ้านที ตอนหลังพอแม่เป็นอย่างนี้ก็กลับบ้านบ่อยเดือดร้อนไปให้แม่เห็นหน้าไปดูหน้าแม่ด้วยไปที่ไรก็คุยกับแม่ปลอบแม่ให้แม่สบายใจก็บอกแม่ไม่ต้องกลัวหรอกแม่แม่ยังอยู่อีกนานแม่ไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรนี่ไปกลุ้มใจทุกใจอะไรแม่แม่ไม่พูดอะไรได้แต่นั่งนิ่งก็ถามถึงเรื่องการงานของคุณเกษมว่าเป็นยังไงคุณเกษมก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วแม่ไปด้วยดี อยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวตอนค่าใจไม่ดีเหมือนกันนึกว่าแม่คงจะเป็นอะไรไปแน่แน่ไม่งั้นพี่สาวคงไม่โทรมาพี่สาวก็บอกว่าแม่ไปดูหมอมาหมอทักว่ากําลังมีเคราะห์ต้องไปรดน้ำมนต์ที่วัดไปสะดอกเคราะห์ถึงจะดะีก็ถามว่าแล้วแม่ว่าอย่างไงแม่เขาเชื่อจะไปรดน้ำมนต์พรุ่งนี้แหละจะให้พี่ใหญ่ขับรถมอเตอร์ไซค์พาไปพี่ใหญ่ก็คือพี่เขยคุณเกษมมแหละสามีของพี่สาว อ้าวแล้วจะไปรถวัดไหนอะพี่ก็วัดมาเดือนนี้แหละเย็นวันต่อมาพี่สาวก็โทรมาเสียงร้อนรนเนะ่ะบอกแม่ตกมอเตอร์ไซค์จะไปสดอกเพราะยังไม่ถึงพระเลยไปแค่หน้าวัดเนะี่ยตกมอเตอร์ไซค์เ็าถามว่าเป็นยังไงบ้างอะพี่แม่เดินไม่ได้อะแล้วตกได้ยังไงอะก็ไปถึงหน้าวัดแล้วพี่ใหญ่ก็จอดรถแม่ก็ลงจะลงอีท่าไหนไม่รู้ คงจะเหยียบพลาดหรือก็อยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจอะตกพลากลงไปเลยก้นกระแทกอุ้ยอะไรกันจะไปสะดอกเคราะแท้ๆดันไปมีเคราะหน้าวัดเออแปลกวันรุ่งขึ้นคุณกเกษมก็ลางานไปเยี่ยมแม่แม่อยู่ที่บ้าน่เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลท่าทางหมดอะไรตาอยากเยอะพอเห็นคุณกเกษมก็ร้องไห้อ่าก็บอกคุณกเกษมบอกว่าแม่คงอยู่ไม่นานแล้วลูก ดูคนมีเคราะหนี่มันหนีไม่พ้นน่ะลูกไม่ใช่หรอกแม่มันบังเอิญน่ะนะบังเอิญอะไรก็แล้วมีเคราะห์นี่ละเคราะห์ใช่และแม่น่ะรู้ดีเดินไม่ได้แล้วทีนี้ทําเวรทํากรรมเอาไว้ก็ต้องเป็นอย่างงี้ที่แรกคุณกเกษมก็จะไม่สนใจอยู่แล้วแต่ฉุกใจคิดได้ว่าแม่พูดว่ายังไงทําเวรทํากรรมเอาไว้ก็ถามว่าอาแล้วแม่ทํากรรมอะไรอ่ะอืม แม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนู่นและไม่อยากจะปิดบังใครเดี๋ยวเล่าให้เองฟังกันแล้วกันแม่เล่าว่าก่อนแต่งงานเนี่ยแม่ทําสวนอยู่กับครอบครัวตื่นเช้าหุงข้าวต้มแกงเสร็จแล้วก็รดน้ําพืชผลต่างๆที่ปลูกเอาไว้อ่าก็ดูแลทําอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจําจนกระทั่งวันหนึ่งแม่รดน้ําเกือบเสร็จก็ได้ยินเสียงร้องจิบจิบดังอยู่ใกล้ๆมองหาก็ไม่เห็น เสียงมันดังมาจากทางผู้ไม้ก็เดินไปดูมองหาอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นลูกนกเขาตัวหนึ่งขนเพิ่งจะขึ้นแม่ก็จับมันแล้วก็แงนมองขึ้นไปข้างบนต้นมะม่วงใหญ่มันแผ่กิ่งก้านเนี่ยอ่าก็มันอาจจะตกมาจากต้นมะม่วงหรือไม่ก็ต้นกัมปูใกล้ๆกันนั่นแหละแม่ก็นึกสงสารมันก็เอาไปเลี้ยงตากระยายก็พากันพูดบอกว่าหาเวรหากรรมใส่ตัวแท้แต่แม่ก็สงสารมันปล่อยมันไปมันก็ตายเลี้ยงให้มันรอดแล้วค่อยปล่อย แม่คิดว่าอย่างนั้นแม่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่ออีทแม่ก็เอาลูกนกอ่าไปหาเพื่อนคนเนี้ยอยู่ใกล้บ้านไปคุยกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยเลี้ยงนกหน่อยสงสารมันเพื่อนก็ส่ายหน้าบอกไม่อยากเลี้ยงลเลี้ยงไม่เป็นไม่รู้จะเอาอะไรให้มันกินแม่ก็เลยต้องเอากลับมาเลี้ยงเองเอาตะกร้ามาขังมันไว้ขามันก็ไปติด ก, กั บ, บรูตะกร้าที่สารด้วยไม้กว่าแม่จะมาเห็นนั้มันดิน้นจนขาข้างนั้นเลือดเต็มไปหมด แข้งขาบิดเกไปเลยแม่รีบเอามันออกมาจากตะกร้าแต่ช่วยมันไม่ได้มันกลายเป็นลูกนกขาพิการแม่ก็ไม่ยอมให้ตากระยายเห็นเอาไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้ข้างบ้านแล้วก็ไปหาฝามาปิดปากตะกร้าไม่รู้จะเอาอะไรแม่มัวไปหาที่ปิดปากตะกร้าพอกลับมาอีกที ที่ภูมิไม้เนี่ยแมวสีดําขาวตัวหนึ่งกําลังกินลูกนกเขาตัวนั้นอยู่แม่ตกใจใหญ่ตะวาดมันมันก็คาบซากนกตัวนั้นหนีไปแม่บอกเขาอ่อนเลยนึกไม่ถึงเลยว่าจะสร้างเวรกรรมด้วยความไม่ตั้งใจเลยแม่ก็ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ตากับยายก็เก็บเป็นความลับเรื่อยมาใครถามว่านกไปไหนก็บอกปล่อยไปแล้วแม้แต่เพื่อนที่ชื่ออีทก็ไม่รู้ความจริงเรื่องนี้แม่ก็รู้สึกว่าตัวเองผิด ที่ทําให้นกต้องตายนะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยนะเองดูสิแม่เดินไม่ได้แล้วเนี่ยเวรกรรมเนี่ยจํามาไว้แม่นึกเสมอเลยว่ากรรมมันจะเล่นงานแม่อย่างไงแล้วมันก็เล่นงานจนได้ทําให้แม่เดินไม่ได้แม่เดินไม่ได้จริงๆที่หลังต้องเกาะราวเดินเหมือนกับเด็กเพิ่งหัดเดินไม่ใช่ว่าลูกๆไม่พาแม่ไปรักษานะพาไปทั่วหมดแล้ว ใครว่าหมอที่ไหนดีก็พาไปที่นั่นไม่ว่าหมอโรงพยาบาลหมอตามบ้านหมอพระหมอคนทรงสุดท้ายแม่ก็เลยต้องหัดเดินใหม่แต่ไม่เหมือนเด็กหรอกแม่อายุมากแล้วแล้วน้ำหนักตัวเยอะสงสารแม่แต่ก็ช่วยได้แค่นั้นต่อมาคุณกเกษมก็ซื้อไอ้ที่ช่วยเดินที่เป็นอลูมิเนียมแบบถือด้วยสองมือแล้วก็ยกเดินไปก็ช่วยแม่เดินไปทางโนนทางนี้ได้ แม่อยู่ในสภาพอย่างนี้ได้สองปีสองปีที่แม่ต้องทรมานทรกรรมอยู่กับการเดินไม่ได้สองปีที่แม่บอกว่านี่แหละกรรมตามสนองแม่เช้าวันหนึ่งท้องฟ้าเป็นสีแดงน่ากลัวเชียวคุณกเกษมก็ น, นึกสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกรู้สึกใจคอมันห่อเหี่ยวเจคนเสร็จแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวบอกข่าวร้ายบอกแม่ตายแล้วตายยังไงอะ ตายยังไงไม่รู้เอา้าอะไรตายยังไงไม่รู้ตายยังไงอะพี่คุณเกษมก็คิดว่าแม่คงจะตกบ้านแน่แเพราะว่าขาไม่ดีคงจะถัดไปหรือว่าเกาะราวแล้วอาจจะพลัดตกลงไปอ่าเพราะว่าพี่สาวบอกว่าแม่นอนตายในมุง้งคุณเกษมก็แปลกใจรีบเดินทางไปบ้านพอถึงบ้านก็รู้ว่าแม่นอนตายในมุง้งจริงๆไม่เจ็บปวดอะไรไม่ได้ตกบ้านไม่ได้ตายห่วง พี่สาวเล่าว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยตอนหัวค่ำก็กินข้าวคุยกันเป็นปกติดีอยู่เสร็จแล้วแม่ก็เข้านอนตอน่อนรุ่งพี่สาวตกใจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงดังโครมครามถ้วยชามหรืออะไรไม่รู้มันตกลนพี่สาวก็ลุกขึ้นมาตวาดไล่แมวแต่พอไปดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรตกลงมาเลยถ้วยชามก็ยังคว่าดีอยู่ที่ใต้ตู้กับขาพอเห็นว่าไม่มีอะไรเสียหายพี่สาวก็จะเข้านอนนอนต่อ บังเอิญก็ได้ยินเสียงดังมาจากมุ้งของแม่เสียงนั้นดังครอกอครอ๊รอดังขาดเป็นห่วงห่วงสองสามทีก็เงียบไปพี่สาวคิดว่าแม่คงจะนอนกรนนะอะคงจะไม่มีอะไรก็เข้านอนนอนต่อตอนเช้าสว่างแล้วเอ๊ะทําไมแม่ไม่ตื่นสักทีก็สงสัยอยู่พี่สาวก็ไปดูไปเรียกแม่แม่ก็ไม่ขานก็เลยเปิดมุ้งดูจับตัวแม่ดูก็รู้ว่าแม่จากไปแล้วตัวเริ่มเย็นไม่กระดุกระดิกเลย แม่จากไปอย่างสงบก็ถือว่าแม่ไม่ทรมานในตอนสิ้นลมก็ดีแล้วแต่แม่ก็ทรมานที่เดินไม่ได้อยู่ถึงสองปีนะคุณจเจษมบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของแม่จงไปสู่สุคติด้วยเถอะเวรกรรมที่แม่ทำแม่คงจะชดใช้หมดแล้วในชาตินี้เก่ชาติใหม่ก็ขอให้แม่มีความสุข่าได้มีเวรมีกรรมติดตามแม่ไปอีกเลย คนที่อยู่ตามบ้านนอกบ้านนาเนี่ยมักจะมีเรื่องอะไรแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันอยู่เรื่อ ย, อยเช่นคุณวิบูลเล่าให้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวเจ่ะจะบอกว่าตอนที่แกอายุเราเราสิบขวบจำได้ว่าที่หมู่บ้านที่แกอยู่นี่มีเรื่องแปลกประหลาดน่าหวาดกลัวเกิดขึ้นนะคือลุงเปล่งเนี่ยลุงเปล่งนี่ตัวเบอ้อเลยตัวสูงใหญ่ บ้านอยู่ห่างจากบ้านคุณวิบูลไปสองสามหลังแกเป็นคนดีชอบหยอกเย้าเด็กๆมากวันหนึ่งแกไปถากยาที่นาข้าวหลังจากหวานข้าวแล้วก็จะต้องเอาจอบไปถากตามหัวมุมคณาเพราะว่ารถไถมันไถไม่ถึงมันเป็นคราวเคราะห์ร้ายของแกหรื อ, อยังไงไม่รู้เกิดพลาดจอบไปถากเอาขาตัวเองตรงเหนือตะตุ่มขึ้นมาหน่อยเป็นแผลเวอร์เลยเลือดไหลกโกรกเนี่ยแดงฉานคนก็ไปเยี่ยมอ่ะ เเยี่ยมกันคุณวิบูรณ์ก็ตามแม่ไปด้วยก็เห็นแผลของแกน่ากลัวมากก็บจำติดตามมาจนกระทั่งทุกวันนี้สมัยก่อนก็รักษากันไปตามมีตามเกิดยากลางบ้านนั่นแหละทีนี้แผลก็เกิดอักเสบแกจับไข้อาการหนักหมอไหนๆก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายตายเขาว่าจะเป็นบาดทะยักทีนี้เมียของแกคือปราแชมเนี่ยแกก็เสียใจร้องไห้แล้วร้องแล้วร้องอีก ลูกเตา้าน้ำตานองหน้ากันหมดตอนเผาศพป้าแช่มไม่เอาจอบอันนั้นอะใส่โรงเผาไปด้วยไม่ใช้มันแล้วแกว่ามันเป็นจอบผีสิงที่ทำให้ลุงเปลงผัวแกตายจอบดีๆใส่โรงเผาไปด้วยเฉาบ้านเขาเขว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่น่าเอาไปเผาให้มัน เ, เสียประโยชน์เลยจอบอันนั้นลุงเปลงก็ทําดัามเอาไว้อย่างดีแล้วจอบก็ยังดีใช้ได้อีกหลายสิบปีทีนี้แต่อยู่ไอ้แกเป็นสัปรเรอ แกเสียดายจอบอันนั้นก็เลยเก็บเอามาใช้เหลือแต่ตัวจอบส่วนดนะั้มเน่ยไหม้ไฟไปแล้วแต่แกก็เอามาทำดำั้มสมัยคืนหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงคนมาพูดที่ข้างม้งบอกว่าเอาไปคืนนะเอาจอบไปคืนกูแ ก, กก็รีบจุดตะเกียง่องดูไม่เห็นมีใครสักคนแกก็นึกว่าหูฝาดดูว่าฝันไปก็ดับตะเกียงนอนต่อพอเช้าก็แบกจอบไปทำงานในสวนแกรู้สึกว่าไงหมจอบมันหนักเหลือเกินนะยก แทบไม่ขึ้นสงสัยตัวเองว่าเป็นอะไรไปหรือว่ากำลังมันถอยหรื อ, อยังไงแกทำงานก็ทำอย่างลําบากเมื่อยแขนปวดไปหมดนะถ้าใช้จอบอันนี้เป็นต้องปวดแขนไปหมดละแกก็วางจอบลงคนนักนั่งนึกถึงเสียงเมื่อคืนว่าให้เอาจอบไปคืนเอ๊ะใครวะแกเมื่อยปวดแขนไปหมดไม่ทันบ่ายก็กลับเข้าบ้านเอาจอบเก็บไว้ในทุน ตกกลางคืนมีเสียงกุกกะกุกกัะที่ใต้ถุนแกก็ตะหวาดจะนึกว่าหมาหรือแมวเสียงก็เงียบไปครู่เดียวเอาอีกล้ดังอีกล้หมาก็หอนกันหวยหวนแต่อยู่ก็จุดตะเกียงขึ้นเสียงกุกๆมันก็หายไปแกก็ดับตะเกียงจะนอนยังไม่ทันหลับเลยเคลิ้มก็ได้ยินเสียงดังมาจากใต้ถุนเสียงผู้ชายคนเก่าอะเอาจอบไปคืนเอาจอบไปคืนแกไม่เชื่อว่าหูไม่ฝาดนะเอ้แกยังไงแก นึกไปถึงลุงเปล่งเจ้าของอาจจะเป็นดวงบิญยาณนั้นก็ได้ที่มาทวงจอบแต่แกเป็นสับ ป, ปะเลอะนี่แกก็ไม่เคยกลัวผีแก๋ก็ถามว่าไอ้เปล่งใช่ไหมอยากจะได้กอจอบคืนเหรอมีเสียงตอบมาบ อ, อยากจะได้คืนอยากได้จอบคืนแต่ยวยู่ไอ้ก็บอกเออจะอไปคืนให้ให้ไปคืนที่ไหนอ่ะวัตถีเก่านั่นแหละเอามาจากไหนก็ไปคืนนี่นั่นเออเออแล้วกูอยาไปคืนให้ แต่อยู่ให้รับปากแข็งขันเพราะตอนเช้าเกิดเสียดายขึ้นมาไม่อยากคืนมันเรื่องอะไรจะคืนแล้วผีจะมาทำอะไรก็ได้แกเป็นสเป ร, เรอแกก็เลยแบกจอบไปถากหญ้าในสวนปรากฏว่าวันนั้นแะโดนจอบบาดขาไอ้ที่สำคัญนะตรงที่เดียวกับที่ลุงเปล่งโดนเลยเหนือตาตุ่มขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นขาข้างซ้ายข้างเดียวกันด้วยแต่อยว่บอกว่าอ ย, ยู่ๆมันก็บาดขาแกอย่างนั้นเองไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุเองนี่แหละทาให แต่อยู่ใหรู้สึกกลัวจอบผีสิงแกเชื่อว่ามันต้องมีผีสิงแน่แกก็เลยถอดเอาด้ามออกแล้วขยโยขยเยกเอาจอบไปคืนที่เมนแต่หยูยนอนปวดแผลอยู่หลายวันคนนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแต่โชคยังดีที่อาการแกดีขึ้นจนหายแกบอกว่าถ้าแกไม่เอาจอบไปคืนสงสัยผีเอาแกตายแน่เลยแต่อยู่ให้แกไม่เคยกลัวผีเลยตังนั้นมาก็เลยกลายเป็นคนกลัวผีเออเวรกรรมของแต่หยวย นี่เรื่องที่คุณวิบูลเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีอีกนะที่หมู่บ้านแกมีเรื่องแปลกๆเรื่องเรื่องเต่าประช้าเนี่ยเกิดนานหลายสิบปีละแต่ว่าแกจําได้ดีเพราะว่าเดินไปดูเจ้าเต่าใหญ่ตัวนั้นมาด้วยตาตัวเองที่วัดคือพวกลูกศิษย์วัดเจยจับเอาไว้นะพระก็ให้ปล่อยแต่ว่าพวกคนแก่อยากจะให้ลูกให้หลานเห็นเต่าใหญ่ซะก่อนก็เลยไม่ปล่อย พวกเด็กนักเรียนก็ไปดูกันครูก็พาเด็กมาดูชาวบ้านก็รู้ข่าวไปดูมันเป็นแถวๆตั้งแต่เชา้ายันเย็นคือเจ้าเต่าใหญ่ตัวนี้มันเดินออกมาจากป่าช้าเด็กๆเห็นเขาก็เรียกพระมาดูเต่าตัวนี้ใหญ่มากเลยเท่าที่คุณวิบูลเคยเห็นมานี่ไม่เคยเจอตัวไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมันใหญ่ขนาดเด็กๆขึ้นขี่ได้เลยตัวเท่าถาดเนี่ยถาดใหญ่ๆที่เขาเอาไว้จัดสําหรับเลี้ยงคนตามวัดตามงานบ้านนอกอะนะ แล้วที่ทองของเต่าเนี่ยก็มีใครต่อใครเขียนอะไรเอาไว้เยอะเลยคือเขาใช้เหล็กแหลมจานลงไปส่วนใหญ่จะเขียนชื่อวัดที่พบเ ต, าต่าตัวนี้เต่าไปขึ้นแถวไหนคนจับได้ก็จะเขียนชื่อวัดแถวบ้านนั้นน่ะอะใส่ลงไปไปถึงไหนเขาก็เขียนกันเอาไว้ก็ทําให้รู้ว่าเต่าตัวนี้ไปถึงไหนมาบ้างการเขียนชื่อวัดเอาไว้นี่จะทําให้คนไม่กล้าเอาไปกินเพราะไม่อย่างนั้นเอาไปต้มยําทําแกงกันหมดละ นอกจากนั้นก็ถือกันว่าถ้าเอาเต่ามีชื่อวัดไปกินเนี่จะเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวคนกินคลายๆกับเขาแช่งเอาไว้อะไรทำนองนั้นคือจะต้องมีอันเป็นไปหรือว่าเกิดอันตรายต่างๆนานาเจ้าเต่าใหญ่ตัวนั้นก็ถูกปล่อยไปตอนค่ำคืนนั้นที่บ้านตลาดเนี่ยเสียงขี้เมาเอะอะลั่นบ้านตัง้งวงกินเหล้าขาวเหล้าเถื่อนนจนสว่างคาตา ที่หลังบ้านตลักตอนเช้าก็มีคนเห็นพวกขี้เมาเนี่เดินเซซดัดเซซัดกันออกมาทั้งหลายคนมีตาเวกตาหลอตาอันน้นในโตทิศจุกนะวันหนึ่งหลังจากคืนที่กินเหล้ากันคืนนั้นตาอัน้นถูกวายฟิตเกือบตายไกวมันตักเขาที่ก้นเป็นแผลเวอะเลยหาหมอให้วุ่นไปหมดต่อมาตาเวกโดนงูกัดไม่รู้งูอะไรท่าหมองูช่วยไม่ได้ก็ตายเสร็จแล้ววันเดียวกันนั้นทิศจกุก ตายโหงนี่ไปตัดไม้ไผ่แล้วเอาไม้เอาจากกอไผ่ไม่ได้ทั้งที่ตัดขาดแล้วคือกอไผ่เขาจะตัดกันสูงอ่าพอทิ่จุกลงมายืนอยู่ที่พื้นดินปรากฏว่าไอ้ไม้ลำนั้นมันพุ่งตามลงมาเสียบอกทิ่จุกไหยหลังล้มตึงเลยไม้ไม้ไผ่เสียบอกทิ่จุกก็ตายคาที่ะยดสยองคนโจทย์ขานกันว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากินเต่า เนื่องจากมีคนไปเก็บฟืนในสวนหลังบ้านตลาดแล้วไปเจอกระดองเต่าใหญ่ตัวนั้นน่ะมันเต่าตัวที่ไปดูวันที่วัดนั่นแหละอาถรรพ์ของเต่าป่าชา้าคงจะทําให้ทุกคนที่กินเนื้อมันเข้าไปรู้ว่าฆ่ามันต้องมีอันเป็นไปต่อมาตัวตลาดเจ้าของบ้านนะ่ะเจ้าภาพกินเหล้าคืนนั้นนะ่ะโดนฟ้าผ่าดําเป็นตอตะโกเลยตาเวกที่ถูกงูกัดแล้วไม่ตายก็อบอกว่าตลาดกะทิจุกะเป็นคนฆ่าเต่าตัวนั้นทั้งสองคนเนี่ยไปรอจับเตา่า พอพระปล่อยที่หน้าวัดให้มันเดินไปลงน้ําพอพระหันหลังให้นี่ตลอกับนายโตนี่ไปช่วยกันอุ้มอ่าพอถึงบ้านตลาดกับทิจจุกก็เอาไม้แย่ให้มันกัดมันกัดไม้พอมันอ้าปากกัดไม้แน่นก็ดึงไม้ออกมาหัวมันก็ยืดโผล่ออกมาพอหัวโผล่พ้นกระดองทิจจุกเป็นคนดึงไม้ตลาดเอาค้อนทุบหัวโป้งตปยิงเต่าทั้งสี่กระตกุกพอ ร, รู้ว่าเต่าตายแล้วก็สงสารกัน พูดกันว่าพวกตลาดไม่น่าทําอย่างนั้นเลยเออที่โดนลงโทษนั่นก็ดีแล้วทีนี้ยังเหลือตะหลอก อ, อ่นายโตอ่าที่ยังไม่โดนดีทั้งสองคนนี้บอกว่าไม่ได้ร่วมมืออะไรกับเข า, ากินแต่เหล้าเท่านั้นแหละไม่ได้แต่ต้องเนื้อเต่าเลยกินต้มยำปลาช่อนเพราะไม่กล้ากินเนื้อเต่ากลัวเคยรู้มาแล้วว่าเต่าใหญ่ที่มีคนเขียนชื่อวัดมาเนี่ยถ้าไปกินเข้าเขาต้องมีอันเป็นไปทั้งนายโตและตะหลอ ก, ก็บอกว่า ห้ามแล้วไม่ให้พวกนั้นฆ่าเต่ามันไม่เชื่อกันยังหาว่าโงส่สะอีกของดีไม่กินจะไปกินดินที่ไหนอ่าจะกินเต่าหรือจะกินผักบุ้งผักบุ้งนะให้เต่ามันกินไปเถอะส่วนคนเราจะต้องกินเนื้อเต่าอีกทีว่างันขนาดว่าตะล อ, อกันในโตไม่ได้กินกับเขาก็ยังโดนเลยแต่ไม่มากตลอโดนหมาตัดในโตโดนลูกมะพร้าวหล่นใส่กลางหลังจนหลังแอนนะเ อ, อ ทีนี้ยใครมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานอย่าไปกินเต่าที่มีรอยเขียนนะถ้าไม่รู้ก็อย่าไปกินทั้งที่ดีเลยอย่าไปกินเต่าซะเลยเพราะว่าเต่าอายุยืนไปฆ่ามันก็เท่ากับไปบั่นทอนชีวิตที่จะยืนยาวอีกนานของมันมันก็เหมือนคนนะไม่อยากตายหรอกอยากจะอยู่นานๆถึงลําบากขนาดไหนจนขนาดไหนก็ไม่อยากตายฆ่าเต่าที่อายุยืนนี่จะทําให้ตัวเองอายุสั้นเพราะว่าเราไปทำให้ชีวิตสั้นชีวิตเราก็หดตามไปด้วยเออ ทำบาปมากชีวิตก็สั้นมากคนเราเนะี่ยควรจะเมตตาสัตว์กันให้มากเพราะมันเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดก็พูดไม่ได้เออชีวิตเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะเกิดมาร่วมโลกกันแล้วก็สมควรที่จะอยู่กันด้วยความเมตตาครับแล้วโลกจะน่าอยู่วันนี้อีกเยอะ เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมที่เกิดึ้นในกรุงเทพนะครับเกิดที่ในเมืองหลวงเมืองแห่งความชุลมุนวุ่นวายว่ากรรมคือผลของการกระทำเนี่ยย้อนสนองมาสู่ตัวบุคคลไม่ได้มีเพียงผลของการกระทำแต่เพียงประการเดียวมีดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกแถมให้อย่างสมใจเลยนะ นายดำรงครับอายุ30ปีอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยก็แต่งงานอยู่กินกับนางประภัยนางประภัยนี่อายุแค่25ปีประกอบอาชีพเย็บผ้าอยู่กับบานชุนเสื้อผ้าแล้วแต่จะมีคนว่าจ้างทั้งสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ปี2538ถึงปัจจุบันก็6ปีแล้ว แต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่มีลูกด้วยกันเช่าห้องพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยสุธิพรเนื่องจากใกล้สถานที่ทำงานของนายดำรงในระยะที่ทั้งคู่ครองรักกันใหม่ๆก็รู้สึกก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์ผิดปกติอะไรก็คงใช้ชีวิตไปตามประสาคู่ผัวตัวเมียทั่วๆไปก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านเท่านั้นไม่มากพอที่จะเหลือเก็บไว้เป็นทุนรอนในเบื้องหน้า โชคดียังไม่มีลูกก็เพราะว่าหากมีกคงต้องลำบากยากแข็งแสนสาหัสพราะเงินเดือนอพนัก ง, งานรักษาความปลอดภัยหรือว่าเรียกตามภาษาชาวบ้านว่ายามเนี่ยไม่มากพอที่จะทําให้ครอบครัวสุขสบายได้มากนักมันก็มากกว่าไรายได้ขั้นต่าที่ทางรัฐบาลเขากําหนดไว้ดิ้หน่อยเท่านั้นแหละสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวนี้ไม่มีเงินเหลือเก็บ แถมบางครั้งยังต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้านอีกอันนี้มาจากการที่นายดำรงซึ่งเป็นผัวเนี่ยติดเหล้าโดยปกติพอเลิกจากงานกลับบ้านเนี่ยถ้าเป็นตอนหัวค่ำเขาก็จะนั่งแวะดื่มเหล้าที่ร้านกาแฟตะจือที่ปากซอยก็คุยกับเพื่อนร่วมชะตากรรมน้ำเมาเดียวกันแต่ว่าคนละโต๊ะพอเมาได้ที่ก็มารวมเป็นโต๊ะเดียวแล้วนั่นเองคือสาเหตุของการหมดตัวนายดำรงก็มักจะถูกหักคอให้เลี้ยงอยู่เสมอ มาเห็นว่าเมาได้ที่ถึงงนายดำรงก็มักจะกวักกระเป๋าจ่ายแทบจะไม่รู้ตัวพอหายเมาแล้วถึงได้นึกได้สรุปได้ว่าเงินเดือนห8พันแปดเป็นค่าเหล้าค่าบุหรี่สี่พันกว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวก็เหลือนิดเดียวนางประภัยเองก็ไม่ได้ย่อท้อพอเห็นผัวมีความประพฤติอย่างนั้นก็พยายามช่วยตัวเองรับจ่างเย็บผ้าไปตามที่ร่างกายจะทนทาได้ บางครั้งก็ต้องนั่งเย็บถึงดึกเดินค่อนคืนก็นึกไว้แต่เพียงว่าจะต้องมีเงินเป็นค่ากับข้าวซื้อข้าวสารให้ค่ะชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟแล้วก็อื่นๆอีกสารพัดแต่รายได้จากการเย็บผ้ารู้สึกว่ามันจะไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายเลยแม้จะกระเบียดกระเสียนจนสุดความสามารถก็าตามหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาได้ประมาณสี่ปีวี่แววแห่งความเหลวร้ายก็เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ในดำรงนมักจะเมากลับบ้านบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบางครั้งก็มากินต่อที่บ้านชวนเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนขอเหล้าใกล้บ้านมากินด้วยเมื่อมากินในบ้านในดำรงก็เปลี่ยนอุปนิสัยไปจากเดิมเพราะว่าการกินในบ้านนนางประภัยซึ่งเป็นเมียนย่อมจะได้ยินถ้อยคําสนทนาจากวงเล่าด้วยเสมอเมื่อมีการบน่นหรือว่าขอร้องให้เลิกกิน นายดำรงก็จะโมโหโกรธาต่อหน้าเพื่อนบ้านแสดงตัวให้ใครๆเห็นว่าเป็นคนไม่กลัวเมียรแรกๆก็ทะเลาะกันเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนเป็นลงไม้ลงมือในเวลาต่อมาแม้ว่าเพื่อนร่วมวงเล่าจะห้ามปราลมเพียงไหนนายดำรงก็ไม่ยอมเลิกร้างง่ายๆสร้างความทุกข์แสนสาหัสให้นางประภัยจนสุดจะทนทานแต่ในฐานะที่เป็นเมียก็ย่อมไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงสภาพแบบเนี้ยทะเลาะกอันครั้งไหนจะต้องเจ็บตัวทุกครั้ง สามีซึ่งหาเลี้ยงดูเธอด้วยน้ำพักน้ำแรงเมื่อก่อนนี้บัดนี้ก็หันมาเลี้ยงดูด้วยล้ำแข็งอย่างเดียวทั้งแข้งทั้งขา่าทั้งหลังมือไม่มีการปราณีทำอยังกับเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาจนกระทั่งเมื่อถึงคราวทะเลาะกันครั้งสุดท้ายเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี2543ซึ่งนับว่าร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา หัวค่าคืนนั้นในดํารงก็ชวนเพื่อนบ้านมานั่งกินเหล้าที่บ้านเหมือนเคยโดยมีลุงสุชาติอายุแกก็เกือบห้าสิบแล้วแล้วก็ลุงกำมลก็ไวไล่เรียกกันมานั่งล้อมวงมาดื่มมากินคุยกันอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึงสามทุ่มเหล้าที่เหลือก็กําลังจะหมดในดํารงก็ร้องเรียกเมียให้ไปเซ็นเหล้าที่ร้านค้าที่เคยซื้อันเป็นประจําเนื่องจากทุนทรัพย์ร้อยหรอไปจนเกือบจะหมดอยู่แล้ว นางประภัยก็ระหนักได้ดีว่าสามีของเธอกำลังติดลมแล้วเงินที่มีอยู่ก็จะต้องเป็นค่ากับข้าวแล้วก็ซื้อของใช้อย่างอื่นอีกก็เลยทำเป็นไม่ได้ยินซะก็เหลือบมองเพื่อนร่วมวงอาวุโสพวกนั้นทั้งสองคนนะนั่งทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนไม่มีใครคิดจะควักเงินออกมาช่วยออกแม้แต่บาทเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้นางประภัยก็เคยเลยขอร้องสามีบอกพี่ พอแค่นี้ไม่ดีกว่าเหรอพี่เงิ น, นเหลืออยู่อีกนิดเดียวอะ่ะร้านเท่าแก่จืดนะเขาไม่ให้เซ็นแล้วรู้ไหมเขาบอกว่าให้พี่เซ็นแล้วเก็บยากพอแค่นี้เถอะนะพี่เสียงนางประภัยก็มีแวววิงวอนและนี่เองที่ทําให้ในายดำรงเปลี่ยนจากความสุขขุมเป็นวัยรุ่นใจร้อนทันทีตวาดเมียด้วยถ้อยคําหยาบคายพร้อมกับแช่งด่าที่ไม่ทําตามคําสั่ง เมื่อนางประภัยชี้แจงด้วยเหตุผลก็แสดงความเป็นสามีเถื่อนด้วยการลุกขึ้นจากวงตรงไปยกเท้าเตะนางประภัยซึ่งกำลันงนั่งเย็บผ้าอยู่หน้าจากักรเดินตกจากเก้าอี้ลงไปนอนจุกแอดแอดแอดตัวงออยู่บนพื้นเพื่อนร่วมวงอาบูโสทั้งสองก็ปราดเข้าไปยื้อยุดนะให้ยุติบทบาทนักมวยสู้กับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้แต่นายดำรงไม่ฟังเสียงใครไอ้น้ําเปลี่ยนนิสัยที่ดื่มเข้าไปเยอะ ทำให้สติสมาชัน ญ, ญาขาดความยับยัง้งในดำรงก็สะบัดมือจากการกอร่อกลุ่มของเพื่อนก็ปราดก็ไปหยิบเหยือกน้ําบนหิ้งวางขวดน้ําปลาและซีอิว้วตรงเข้าไปที่จักเย็บผ้ายกเหยือกตบเปรี้ยงลงไปที่ใบหน้าที่กําลังจะเงยขึ้นมาพอดีเสียงโผล่เลือดสดๆนี่ไหล ย, ย้อยลงมาหางคิ้วขวาเหยือกแก้วใบนั้นแตกออกเป็นหลายเสียง ส่วนที่แตกออกก็แหลมคมเจาะเข้าไปในเนื้อตั้งส4มสี่รูเพื่อนร่วมวงเล่าก็พยายามเข้าห้ามทับแยกในดำรงออกมาได้ลากถูรูถูกลังไปข้างนอกพยายามพูดจาปลอบใจให้หายจากอารมณ์ป่าเถื่อนนางประภัยพอลุกขึ้นได้ก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเพื่อนบ้านที่ได้ยินได้รับรู้เหตุการณ์ก็พากันมาให้การช่วยเหลือหายา ม, มาใส่ให้แล้วก็ปถมพยาบาลไปตามมีตามเกิด นายดำรงไม่ได้สํานึกในการกระทําของตัวเองเลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ถึงเจ้าหน้าที่ตารวจหรอกเพราะว่านางประไพไม่ได้ไปแจ้งความก็นึกซสียว่าเป็นกรรมของตัวเองที่ทําไว้เมื่อชาติบางก่อนชาตินี้ถึงต้องมารับกรรมที่ก่อไว้วันรุ่งขึ้นหลังจากที่นายดํารงออกไปทํางานตามปกติแล้วนางประไพก็เดินทางไปหาพี่สาวคือนางวาสนามีบ้านพักอยู่ที่บางขุนเทียน สามีเขาเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอายุก็เกือบห้าสิบแล้วเป็นคนรักลูกรักเมียมีลูกด้วยกันสองคนกำลังเรียนทั้งคู่นางวาสนาก็รับฟังเรื่องราวของน้องสาวโดยตลอดก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็สงสารในเคราะกรรมเ็าคิดว่าคงจะเป็นกรรมเก่าที่น้องสาวได้ก่อไว้ตามสนองอพี่สาวก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นะ ถ้าแกเห็นว่าทนต่อไปไม่ไหวจริงๆนะก็ย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่ซะชั่วคราวหรือถ้าหากว่าเลิกกันก็อยู่กันตลอดไปเลยที่นี่นะบ้านเช่าข้าวซื้อเหมือนกันแกเย็บผ้าได้ก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้หรอกพี่เขาก็เป็นคนดีเขาไม่กินเหล้าไม่ตบตีลูกมเมียเงินทองก็พอกินพอใช้ถ้าอยู่อย่างประหยัดนางวาสนาพี่สาวก็ให้คําแนะนําด้วยความปรารถนาดีต่อน้องอ่านะ น้องก็บอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละพี่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆฉันจะย้ายมาอยู่กับพี่ที่นี่แต่แต่ถ้าพี่เขารู้จักคือเขารู้ว่าบ้านพี่อยู่ที่เนี่ยคือเขารู้ว่าฉันไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนอกจากพี่เนี่ยแล้วเขาก็ต้องมาตามฉันแน่แล้วฉันจะทํำยังไงอ่ะอ่ะถ้ามาก็เรียกมาพูดกันให้มันรู้เรื่องไปเลยว่าจะเอาอยัางไงถ้าหากทําตัวเหมือนเดิมแกก็ไม่ต้องไป จะเลิกกันไปเลยก็ได้แก่ก็ยังสาวอยู่ไอ้เรื่องหาผัวใหม่นะมันไม่ยากรอะหาไอ้ที่มันน่าดูหน่อยไม่ใช่เอาไอ้ขี้มเมาต๊อกต่อยที่ไหนมาสร้างปัญหาแบบนี้เออถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ช่วยฉันได้อย่างนั้นเฉันก็ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลยว่าฉันจะย้ายมาอยู่กับพี่พรุ่งนี้อ่ะนะดูซิว่าถ้าเขาไม่มีฉันแล้วเขาจะทำยังไงนางประภัยก็ตัดสินใจเด็ดขาดตอนนั้นเลย แม้ว่าภรรยาจะเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแล้วก็ตามนายดำรงก็ไม่ได้ทุกร้อนมากนักก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมคือชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกินเหล้ากันเป็นประจำเพื่อนร่วมวงอวุโสคือนายสุชาติก็พูดเตือนสติให้ในายดำรงทบทวนการกระทำของตัวเองชี้ให้เห็นถึงความดีของนางประภัยแล้วด้วยประสบะการณ์ที่มีชีวิต ยาวนานเนี่ยลุงสุชาติก็สรุปว่านายดำรงนะควรจะไปขอคืนดีกับเมียเสียเพราะไม่อย่างนั้นนางประภัยอาจจะมีผัวใหม่ได้อย่างสาวมีหน้าซ้ำํำยังสวยอีกด้วยเท่านั้นเองที่ทําให้ในายดำรงเกิดความหึงหวงขึ้นมาทันทีนะแม้ว่าตัวเองจะพิษมัยเล่ามากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเมียมีผัวใหม่แล้วเขายอมไม่ได้นาะยดำรงก็เห็นด้วยพร้อมมาขอร้องนายสุชาติไปเป็นเพื่อน โดยเขาจะไปที่บ้านของนางวาสนาที่บางขุนเทียนเข้าไปพูดจาขอคืนดีและขอโทษให้นางประภัยอภัยให้แล้วก็จะรับกลับมาอยู่กินตามเดิมเพื่อนร่วมวงอาวุโสก็รับอาสาจะไปเป็นเพื่อนให้แต่ว่าจะคอยอยู่ข้างนอกฟังผลนายดำรงกับเพื่อนขี่เมาก็เดินทางไปที่บ้านนางวาสนาคือนั้นเลยยุติวงเล่าเอาไว้ชั่วคราว แต่ตอนที่ไปนะ่ะกินเหล้าไปแล้วผูดจ่าอ่อแอ่แต่ก็พอรู้เรื่องละก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยรถแท็กซี่เดินไปถึงประตูบ้านนายสุชาติก็ยืนคอยอยู่นอกบ้านทันทีที่นายดำรงเดินเข้าไปก็เห็นเมียกำลังนั่งคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในลักษณะสนิทสนมหัวรอดต่อกระซิกกัน อนุภาพของแอรน้ำนรกที่ทำให้ในายดำรงเกิดความหึงหวงจนหน้ามืดไม่ยอมฟังอีลาข่าอารมปรารก็ไปในห้องที่คนทั้งสองนั่งคุยกันอยู่นางประภัยพอเห็นสามีเดินเข้าไปก็ตกใจฝ่ายชายก็ทำหน้าง ง, งๆอ๋อตกใจมากกล้วอีวันทองะจะมีผัวใหม่ยังไงเยาหวังอียากนะมึงอ๋อมึงมึงมึงนี่คิดจะมาเป็นชู้กับเมียกูใช่ไห ได้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องเจอกูก่อนสิ้นประโยคมัดขวาของนายดำรงก็จับเปาะเขาที่ครึ่งปากครึ่งจมูกผู้ชายคนนั้นอย่างจังทีนี้เกก็ไม่ทันระวังตัวนะัผงะไปข้างหลังนะเลือดกำดาวไหลออกมาเลยนายดำรงปราชก็ไปเพื่อจะซ้ำอ่ะแต่ว่าด้วยเอริ์แอลกอฮอล์ N K aw, ร่างก็สุวรรณเซดโดยไม่ได้ตั้งใจทีผู้ชายคนนั้นก็ผุดลุกขึ้นทีนี้ก็ต่อยกันยายเลยอะ ก็พลิกคว่มขมำหงายกันอยู่ตรงนั้นแหล ะ, อะพอดีน้องชายของพี่เขยของนางประภัยเนี่ยเรากำลังขุดดินอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงวิ่งถือจอบมาด้วยอพอมาถึงเห็นเหตุการณ์ก็เท่านั้นแหละดําจอบที่ถือในมือก็อหววพัวลงไปที่บนหัวของนายดำรงเต็มที่เลยอ ทีเดียวครับในดำรงม้อยก็รอกอยู่ตรงนั้นแหล ะ, ะผลปรากฏว่าในดำรงสลบนะพอฟื้นขึ้นมาที่นี่ทางญาติพี่น้องของนางประภัยก็เอาไปส่งแพร่เพื่อนที่รออยู่หน้าบ้านไม่รู้เห็นไปไหนแล้วหายเมาเลยเป็นขึ้นรถกลับไปแล้ว ก็เอาตัวนายดำรงเนี่ยไปส่งไวที่บ้านบ้านเก่าของเขานะ่ที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยให้นอนอยู่บนนั้นเนี่ยปล่อยไปตามยะถากรรมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานายดำรงก็ไม่วุ่นวายอะไรอีกเพราะนายดำรงนี่เหมือนกับคนประสาทเสื่อมไปเลยจำอะไรก็ไม่ได้เออของบางอย่างเนี่ยท่านู้ฟังมันต้องแก้ไขอนะ แล้ววิธีการแก้ไขบางทีแก้ไขดีๆนี่พูดดีๆก็ไม่ฟังใครมาบอกก็ไม่ฟังใครสอนก็ไม่จำไม่เชื่ออ่าบางทีดั้มเสียมเนี่ยครับจะช่วยแก้ไขได้อย่างเรื่องนี้เป็นต้นอย่างนายดำรงนี่ต้องแก้ไขด้วยดํ้เสียมแน่นอนอย่างอื่นคงยากที่พูดถึงในเรื่องเมาเราดื้อเนี่ยอ่อ ไอ้เจ้าเล็กเพื่อนผมสมัยก่อนนี้มันเคยเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อมันเนี่ยเก็บเอาลูกนกระยางตัวหนึ่งมาเลี้ยงวันนั้นลมฝนมาแล้วลมมันแรงมันพัดโยกกิ่งไม้ปรากฏว่าลูกนกระยางนี่มันร่วงลงมาปล่อยไว้ก็คงต้องตายเพราะมันยังเล็กมากพ่อหอยเล็กซื่อตาชุม่มก็เลยเก็บไปเลี้ยง เอาไปเลี้ยงจนมันบินได้แข็งแรงดีหากินเองได้แล้วพอ่อยเล็กก็ปล่อยมันไปแต่มันไม่ยอมไปมันยังอยู่ที่บ้านไอ้เล็ ก, นะกเนี่ยเกาะมันเกาะอยู่ที่ต้นกาปูข้างบ้านชอบมาเกาะตรงนั้นนะประจําวันหนึ่งมีตาลุงชื่อตะแจ้งขี่เมาประจําหมู่บ้านนดถือหนังสติก๊กเดินมาที่ข้างบ้านตั้งท่าจะยิงนกระยางตัวนั้น เจ้าเล็กมันเห็นก็ร้องห้ามบอกอย่ายิงอย่ายิงนกพ่อเขาเลี้ยงไว้แต่แจ้งนี่ผลักไอ้เจ้าเล็กใสแซดแ ซ, ซ, ซแล้วแกก็หัวเราะแล้วก็ด่าบอกไอ้บ้านกกระยางใครจะมาเลี้ยงวะไม่มีเจ้าของเจ้าเล็กห้ามก็ไม่ฟังทีนีเจ้าเล็กมันก็กลัวลุงแจ้งจะยิงนกกระยางก็เข้าไปกอดข า, ขาแกเตะซะกระเด็นเลยแล้วก็ยิงเจ้านกกระยางสีขาวนะแต่ไม่ถูกอ่ะมันบิน บินแต่ไม่ได้หนีไปไหนเพราะมันไม่รู้ว่าจะมีอันตรายจากมนุษย์หรือไงไม่รู้ก็บินวนๆอยู่แถวนั้นเน่ยมันบินไปเกาะกิ่งอื่นใกล้ๆกันน่ะตัดแจ้งก็ยิงอีกไม่ถูกนะมันก็ไม่หนียังเกาะเฉยทีนี้ไอ้เจ้าเล็กร้องไล่มันให้มันไปเสีบอกไปไปไปยางไปแล้วนกมันไม่รู้เรื่องอมันจะไปไหนอ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ลุงแจ้งก็เดือดดานอะ่าตบหน้าเจ้าเล็กชาดใจ เจ้าเล็กร้องไห้โหเลยเรียกพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านออกไปทำนาคนข้างบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็พากันมาดูลุงแจ้งก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะไอ้เจ้าเล็กก็บอกว่าลุงแจ้งทำอะไรเอาบ้างคือตอบเอาเพื่อนบ้านก็พากันพูดบอกว่าตาแจ้งนั่นนกระยางเขาเลี้ยงไว้จะมายิงยังไงก็กูจะยิงอะ่ะนกมันอยู่บนต้นไม้ไม่มีเจ้าของหรอก พวกมึง อ, อย่าปากมากแล้วกูตบปากมึงก็ไอ้เด็กเวนเนี่ลุงแจ้งขี้เมากินไม่เชื่อใครแถมจะตบชาวบ้านซะอีกแต่นกเขาเก็บมาเลี้ยงจริงๆนะมึง อ, อย่าพูดมากนะแกะยิงอีกแต่ฝีมือแกไม่ดีก็แกเมา่ยิงไม่ถูกชาวบ้านก็ไม่รู้จะห้ามยังไงนะมิโจเล็กเห็นว่าไม่มีใครช่วยได้ก็วิ่งไปบอกพ่อแม่ที่กําลังทํานาอยู่พ่อแม่พอรู้ว่า ลูกชายโดนตาแจ้งทั้งตบทั้งเตะแล้วก็จะยิงนกระยางที่เลี้ยงไวก็รีบพากันมาบ้านพอมาถึงบ้านก็ไม่เจอทั้งตาแจ้งทั้งเจ้านกกระยางตัวนั้นสอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกตาแจ้งยิงนกระยางตกลงมาแล้วเอาไปแล้วพ่อแมแ่แล้วก็เจ้าเล็กก็พากันวิ่งไปที่บ้านลุงแจ้งทันทีไปที่บ้านไปเจอตาแจ้งกาลังจะเอาสันมีดทุบหัวนกกระยาง แต่ชุ่มก็ตะโกนยายายาแต่แจ้งฉัน ง, งักอำไมว่านั่นนกชันเลี้ยงไว้อะอ้าวมาอีกคนหนึ่งแล้วเหรอทีนีแ้แม่ของเจ้าเล็กก็บอกจริงนะพ่อไอ้เล็กมันเลี้ยงไวจง้จริงๆทําไม่เชื่อข้าจะแก้งมันกินแล้วแต่แจ้งทําท่าจะทุบหัวนกอลุงชุ่มเข้าไปกระชากมีดจากมือแต่แจ้งโกรธจัดหน้าแดงกำเลยอ ละมืออย่างนกกระยางตรงเขามาจะทำไรแต่ชุม่มแต่ชุ่มก็หลบหลีกทีนี้เจ้าเล็กกับแม่เขารีบควา้านกกระยางที่โดนยิงปิงหักคว้ามาทีนี้แต่ชุม่มพอเห็นว่าได้นกแล้วก็บอกให้พานกหนีไปเสร็จแล้วแต่ชุ่มก็หนีไม่กันแต่แจ้งก็ตามใชตามแต่แต่ตชุ่มฉลาดวิ่งหนีไปบ้านผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยผู้ใหญ่ก็ออกมาจัดการ ตาแจ้งเจอผู้ใหญ่บ้านขู่จะเอาเรื่องทำร้ายร่างกายก็เลยหันหลังกลับไอ้นกระยางตัวนั้นมันรอดตายอีกครั้งหนึ่งแต่ชุ่มก็มารักษาปีกมันที่หักส่วนตาแจ้งก็ยังโกรธโกรธพ่อยเล็กไนงะโกรธตาชุ่มไม่หายกูจะต้องเอาไอ้นกบ้านมาแกงกินให้ได้แก่ตะโกนโวยโว ย, โว ย, โวยชาวบ้านเลยยินกับทั้งหมู่บ้านตาชุ่มก็ตั้งใจว่าทนาไยแล้วก็จะเอาไปปล่อยให้ไกลๆเลย แต่แจ้งจะได้ไม่ไปยิงมันในระหว่างรักษาแผลก็เอามันขังไว้ในสุ่มไก่ใบใหญ่ครอบเอาไว้ที่ตะขุนบ้านหลายวันผ่านไปอาการมันก็ดีขึ้นมาเกือบจะหายเป็นปกติแล้วเช้าวันหนึ่งก็ต้องตกใจกันทั้งบ้านเพราะว่านกกระยางตัวนั้นมันหายไปแล้วสุ่มก็หายเก้ๆอยู่่ช่วยกันตามหาก็หาไม่เจอก็นึกกันว่าหมาคงจะมาเปิดสุ่มแน่ๆเลย เที่ยวมองหาขนสีขาวของนกระยางคือถ้าหมาเอาไปกัดก็ต้องเจอขนบ้างแต่ก็ไม่มีร่องรอยเลยก็พากันคิดว่าหมาคงจะเปิดสุ่มจริงๆหรือว่าไอ้นกระยางมันอาจจะบินหนีไปได้จนตอนเย็นถึงได้รู้จากคนใกล้ๆบ้านตาแจ้งบอกว่าตาแจ้งแกงป่านกระยางแกล้มเล้ากินไปแล้วเมาแล้วหัวเราะชอบอกชอบใจพูดเสียงลั่นบ้านเลย บอกแม่แกงป่านกระยางมันอร่อยจริงๆเพื่อนบ้านคนนั้นก็ยืนยันว่าจะแจ้งแกงนกระยางจริงๆเพราะว่าเขาเห็นข น, นนกสีขาวเนี่ยทิ้งอยู่ที่ข้างรั้วบ้านกองหนึ่งตาชุ่มพ่อยเล็กแทบจะร้องไห้ส่วนแม่มันนี่น้าตาไหลไอ้เจ้าเล็กเองก็ร้องไห้สงสารนยางเขามันมากที่แรกตาชุ่มจะเอาเรื่องจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่า ตาแจ้งขโมยนกกระยางแต่แม่มันห้ามเอาไว้บอกว่ามันถึงที่ตายแล้วเราช่วยมันต้องสองคนอย่าไปแจ้งความเลยชาวบ้านเขาก็เห็นใจเราสงสารนกกันทุกคนนั่นแหละคนผ่านเกเรยอย่างนั้นอีกหน่อยก็รับกรรมเองแหละเรื่องนี้ก็เลยเงียบไปแต่ฝ่ายตาแจ้งนี่ไม่เงียบเที่ยวไปพูดที่นั่นที่นี่ว่าแกงนกระยางอร่อยจังเสร็จแล้วก็หัวเราะเยาะหยานชอบโบกชอบใจเป็นการใหญ่ ชาวบ้านนะไม่มีใครชอบแกแต่ก็ไม่ขัดขอเพราะเกรงจะเดือดร้อนเพราะว่าคนเมาคนบ้าดีๆนี่แหละหาเรื่องคนได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลมีคนบอกตาชุ่มบอกพ่อแม่เล็กกันหลายคนแต่พ่อแม่เขาไม่ไม่ว่าะไรถือว่าเรื่องมันจบไปแล้วชาวบ้านโกรธแทนพากันสาปแช่งให้ตาแจ้งได้รับกรรม หลายปีต่อมาก็เออเรื่องที่ทําให้ชาวบ้านหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ตาแจ้งทําไว้กับนกกระยางตัวนั้นคือวันหนึ่งตาแจ้งเนี่ยปีนต้นตาลทําน้ําตาลเมาอันนี้เป็นกิจวัตร้องแกอยู่แล้วแกจะต้องทําน้ําตาลเมาแกทํามาตั้งแต่หนุม่มจนแกก็ยังทําอ ย, าอยู่ไม่มีใครรู้ว่าแกเมาค้างดรือ ว, ว่าแข้งขาอ่อนเปลียระหว่างที่แกปีนพระองค์ขึ้นไปได้สักครึ่งตน้นแกก็พลาดพระตกลงมา ตัวแกผอมลอยละรลี้วลงมากระแทกพื้นดินลงปลักตะโพกซุดเลยเดินไม่ได้กลายเป็นอำมาตยให้ลูกหลานน้องลําบากแล้วเวลาแกปวดแกจะส่งเสียงร้องลั่นหมู่บ้านเลยกลางคืนกลางค่ำลูกหลานต้องให้กินยาแก้ปวดเอาน้าร้อนใส่ขวดที่ตะโพกแกเนี่ยวางไว้ตรงนั้นมันจะได้ช่วยได้บ้างแกได้รับความทรมานมากร้องโอยโอยโวยหน้าบิดหน้าเบี้ยวแม่เล็กยังไม่เยี่ยมกันเลย ชาวบ้านก็บอกไปเยี่ยมมันทำไมแม่เล็กก็บอกว่าคนบ้านเดียวกันเคยพูดเคยคุยกันสงสารแกแต่แจ้งเห็นหน้าแม่เล็กก็บอกว่าขากินมันเองไงนกกระยางตัวนั้นนะเนื้อมันอร่อยดีขครอยากจะกินอีกมีอีกไหมแม่ของเจ้าเล็กก็ไม่ว่าอะไรก็คิดว่าแกพูดตามพิษไอ้ความเจ็บปวดตะโพก ข, ของแก แต่แจ้งได้รับความทรมานนอนเจ็บจนก้นเนา่าเป็นแผลลึกบาดแผลก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งหมู่บ้านเลยลูกหลานก็พากันถอยห่างวันหนึ่งแกก็บอกลูกว่าอยากจะกินเหลา่าเอาเล่ามากินหน่อยลูกหลานก็บอกกินไม่ได้ดอกมันแสลงแกก็โมโหดา่าใหญ่จะให้กินหรือไม่ให้กินไอ้ลูกหลานสาระเลวเกี่ยวว่าไงลูกหลานก็เอือมระอาก็ยกไปให้เครื่งขวด แต่แจ้งบอกกินเหล้าไปหมดเกลีย้ยงเนะเกิดอาการชักกระตกสิทีนี้ลูกหลานตกใจช่วยกันพยาบาลปากของแกก็ร้องกูอยากจะกินแกงนกกระยางเอาแกงนกระยางมากูจะกินกูจะกินแกงนกเอามาเร็วๆเอามาเร็วๆแต่แกจะกินอะไรได้อีกอะพอสิ้นเสียงพูดก็เสียงครอกครอกในคอตากลับขากันไกลครั้งแกตายไปดื้อๆท่ามกลางความตกใจของลูกหลานที่ไม่นึกว่าแกจะตายกระทันหันอย่างนั้น ในงานศพของแกไอ้เล็กก็เล่าอ่ะคนก็พูดจนแต่ไอ้เรื่องที่แกทำเวรทำกรรมเอาไว้โดยเฉพาะกะ็เอานกระยางของพ่อไอ้เล็กไปแกงกินแล้วก็ยังพูดเยอะเ ย, ะเยะ้ยถาถางซะอีกนกรรมตอบสนองแกอย่างรุนแรงนะแม่ดีสมน้ำหน้าคนชั่วๆอย่างนี้ตายซะได้ก็ดีที่หมู่บ้านที่เจ้าเล็กอยู่เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเรือยอ่ะ อตอนนั้นมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดเป็นอะไรไม่มีใครรู้ชาวบ้านก็เห็นมันตาหวางผู้จาไม่รู้เรื่องจำคนที่เคยรู้จักไม่ได้แม้แต่กับแม่กับพี่สาวก็ตัวเองก็จำไม่ได้ข้าวปลาก็ไม่กินแม่ก็ถามว่าแล้วเองไม่กินข้าวแล้วเองจะกินอะไรแล้วแม่มันถามมันก็บอกว่าอยากจะกินแกและไรแก แม่ถึงก็กระทดถอยหลังเลยเพราะตามันน่ากลัวแล้วก็แยกเขียวเหมือนไม่ใช่คนเหมือนก็กลายเป็นสัตว์กินเนื้อไปแล้วทีนี้แม่ก็ตะโกนบอกเฮ้ยช่วยทีไอ้ฝ่มันจะกินกูเย่เย่เย่เตียงร้องรั่นเนี่ยที่สาวในฝ่าก็วิ่งมาดูว่าแม่เป็นยังไงเห็นน้องชายกำลังแยกเขี้ยวทำท่าจะกระโจนใส่แม่ไอไนะ้ฝน่ะมึงเป็นบ้าไปได้ไงนั่นแม่มึงนะ พี่สาวตวาดไปอย่างนั้นในฝ่ายก็จ้องมองพี่สาวก็คำรามเดี ok, oy, ๋ยวกูจะกินมึงด้วยกูจะกินมึงด้วยแล้วก็โจรใส่พี่สาวทั้งสองแม่ลูกใหญ่ยยเตียงกับพี่สาวในฝ่ายจะโดดบ้านลงมาดีค่ะขาแ ข, ข้งไม่หกักวิ่งกันไม่เหลียวหลังเนี่ในฝ่ายไม่ได้โดดอะยืนหัวเราะหา้หาาห้อยู่หน้าบานาันไดเสร็จแล้วใหญ่เตียงก็ามาหามาหาปู่ของเจ้าเล็กเนี่ย ปู่จะเรียกเป็นหมอผีแกก็มาหาราษว่าจะทํำยังไงดีปู่ก็แนะนําให้เอาน้ำมนต์ไปให้กินนะถ้าผีเข้าผีมันก็จะออกไปหรือไม่งั้นก็คงจะได้สติขึ้นมาบ้างเด็กเตียงก็เอาน้ำมนต์ที่ปูท่ทําใส่ขวดไปบ้านพักเดียววิ่งหน้าตื่นกลับมาเนื้อตัวเปียกน้ําระล่ำระลักมาบอกปู่มันไม่กินมันปัดน้ำมนต์ที่ใส่ขันหกหมดเลยยังเปียกอยู่เนี่ยเออไม่เป็นไรแต่อย่างงั้นเดี๋ยวข้าจะไปดูมันเอง ปู่ก็ใส่เสื้อสะพายยามอ่าเจ้าเล็กก็ตามไปด้วยทีแรกปู่จะไม่ให้ไปเสร็จแล้ว ก, ก็พยักหน้าแกบอกไปได้แต่ห้ามขึ้นไปบนบ้านนะยังไม่รู้ว่าไอ้ฝายมันเป็นอะไรเดี๋ยวมันเกิดบ้าระหามกินเด็กขึ้นมาออปู่ช่วยไม่ทันเองรออยู่หน้าบ้านแล้วกันว่ากันบ้านหลังย่อมย่อมหลังคามุงจากเก่าเก่าเสาก็โย่ใบเยมาอ่าเจ้าเล็กก็อยู่หน้าบ้านมีเด็กๆแถวนั่งสองสาคนเล่นกันอยู่ก็เลยไปเล่นกับเขา พักเดียวเท่านั้นหลังจากที่ปูเข้าไปก็ได้ยินในฝายร้องโวยโวยโวยเจ็บโวยเจ็บโว ย, โโวยโพอแล้วมันเป็นตอนเย็นแสงแดด ก, กลาลังจะหมดเด็กๆที่เล่นกันอยู่ก็มองหน้ากันเลือกๆเลือกๆนะเจ้าเล็กล ก, ล ก, ล ก, ก็เลยชวนว่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหมแทนที่เด็กพวกนั้นจะพยักหน้ามันพากันวิ่งหนีเข้าบ้านไปเลยบ้านใครบ้านมันทีนี้ก็เหลือเจ้าเล็กคนเดียวยืนเควงคว้างอยู่ตรงนั้น โชคดีที่ว่าตอนนั้นตอนที่กําลังกลัวอยู่นะปู่ออกมาจากบ้านยญ่เตียงบนเบาๆไม่รู้ไอ้ไฝเป็นอะไรอไล่ผีก็แล้วไม่มีอะไรปู่แกไม่รับรักษาแกบอกให้พาไปหาหมอพระที่วัดไกลๆบ้านยายเตียงก็พาลูกชายไปเย็นนั่นอไอ้เจ้าไฝคลุ้มคลั่งทรงเสียงอรารวาดลั่นถนนไปหมดยายเตียงก็เชือกผูกแขนลูกชายไว้สองคนกับลูกสาวช่วยกันพาตัวไปจนถึงวัด เช้าวันต่อมาถึงมีคนมาเล่าให้ปู่ฟังว่าพระรดน้ำมนต์ให้เจ้าฝ่ายดินใหญ่ร้องว่าร้อนร้อนแปลกมากน้ำมนต์เย็นเย็นลดลงไปแต่ในฝ่ายกลับร้องว่าเป็นน้ําร้อนหมอพระก็รู้ทันทีผีเข้าก็เลยรดน้ำมนต์ต่อจนกระทั่งในฝ่ายร้องทนไม่ไหวแล้วพอร้รองมาอย่างนั้นแล้วในฝ่ายก็ดิ้นสุดแรงเกิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะพระท่านใช้ขันบาทที่ทําน้ำมนต์นี่กดหัวในฝ่ายเอาไว้ ในฝ่ายดินแล้วก็สงบไปพักฟื้นขึ้นมาอีกทีคราวนี้รู้ตัวเป็นใครอ่าจําแม่จําพี่สาวได้สงสัยทําไมตัวเองมาอยู่ที่วัดเนื้อตัวเปียกปอนอยายเตียงก็เล่าให้ฟังผีออกไปแล้วในฝ่ายจําอะไรไม่ได้ว่าช่วงผีเข้านี่ยทำอะไรลงไปบ้างจําได้แต่เพียงว่าเหมือนกับฝันไปชั่วขณะหนึ่งได้เห็นคนหน้าตาหนวดคราวรุงรังมากกดคอให้นอนแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกพระท่านบอกก็คงจะเป็นเพราะผีตัวนี้แหละที่เข้าสิง ทา่านก็นั่งทางในดูจนรู้ว่าผีที่เข้าสิงเเป็นผีคนบ้าที่ตายหลังหมู่บ้านมาสิบปีก่อนเขาเรียกไอ้หนวดบ้าเพราะหน้าตามันมีหนดมีคราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ชอบมานอนที่สลามานอนที่นั่นจนคืนหนึ่งก็คลั่งไล่กัดเจ้าบ้านเลยโดนเชาวบ้านเอามีดฟันจนตายที่หลังหมู่บ้านศพฝังอยู่ในประชาหลังวัดวันที่ผีจะเข้าเนี่ยในฝ่ายก็ไปยิงนกแถวประชาข้างวัดนั่นแหละคงจะไปเหยียบหลุมศพมันเข้าก็เลยเข้าสิงตอนที่ปู่ไล่มันไม่ยอมออก แต่พอโดนน้ำมนต์ของหมอพระเข้าไปมันก็ทนไม่ไหวก็เพ่นออกไปทันทีดูมันจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ถ้าใครเจอจริงๆก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกครับผีมีจริงๆนายลวนกับนางน้อมเนี่ยถึงจะเป็นชาวนาก็จริงแต่ว่าก็มีฐานะร่ำรวยมากมีที่นาหลายร้อยไร่แล้วก็มีลูกสาวแสนสวยอยู่คนหนึ่งชื่อบุญยืน บุญยืนเนี่ยเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในละแวกบ้านย่านนั้นสวยทั้งรูปร่างหน้าตาผิวก็สวยกิริยามารยาทก็ดีงดงามสมเป็นกุลสตรีและพอความงามของเธอเนี่ยก็ทำให้ทั้งหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยในถิ่นเดียวกันต่างถิ่นก็พากันมาผูกสมัครรักใคร่กันอย่างมากมายแต่ว่าในล้วนกับนางน้อมก็พยายามจะเลือกเฟ้นผู้ชายที่นิสัยดีมีความขยันขันแข็งมาเป็นลูกเขย แต่ว่าบุญยืนไม่สนใจใผู้ชายเหล่านั้นเลยนอกจากนายปลื้มเพราะว่านายปลื้มเป็นหนุ่มรูปหล่อช่างพูดช่างเอาใจทำให้บุญยืนปลื้มได้ทั้งวันนายล้วนหนังน้อมก็พยายามขัดขวางเพราะว่านายปลื้มนี่เป็นพวกขโมยลักหัวลักควายชาวบ้านเป็นอาชีพแถมยังเป็นนักเลงการพนันอีกด้วย เมื่อถูกขัดขวางมากๆเข้าในปลื้มก็เลยชวนบุญยืนหนีไปด้วยกันทำให้พ่อกับแม่เศร้าโศกเสียใจมากเวลาผ่านไปหลายวันในปลื้มกขาพาบุญยืนกลับมาขอขามาลาโทษต่อพ่อแม่ใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถึงแม้จะไม่พอใจลูกเขยแต่เขาตัดลูกสาวตัวเองไม่ขาดเพราะความรักลูกบุญยืนน่มันเปรียบเสมือนแก้วตาและดวงใจและแกก็หวังเอาไว้ว่า ในปลื้มคงจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อต้องมาอยู่ร่วมชายคากับพ่อตาแม่ยายซึ่งเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนธรรมะธรรมโอํามยังขยันอดทนครอบครัวนี้เขาชอบทำบุญสุนทานอยู่เสมอแล้วบุญยืนก็มักจะพาในปลื้มไปทำบุญที่วัดบ่อยๆก็ทำให้ในปลื้มรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าเพื่อนๆไม่กล้า ม, มาหาเพราะว่าเกรงพ่อตาแม่หย่ ในปลื้มอึดอัดหนักเข้าก็เลยชวนบุญยืนไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของตัวแต่ว่าบุญยืนไม่อยากไปในล้วนกับนางน้อมก็เป็นห่วงกลัวว่าในปลื้มเดี๋ยวแยกบ้านและจะพาลูกสาวไปตกระครลำบากก็เลยยื่นข้อเสนอให้ไปอยู่ที่ที่นาของแกซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วก็ยกที่นาแปลงนั้นให้เป็นสินสมรสพร้อมกับปลูกเรือนหอให้อีกหลังหนึ่ง ท้งทรัพย์สินบริวารก็แบ่งให้ครบถ้วนเพราะว่าหวังว่าในปลื้มคงจะกลับตัวเป็นคนดีเมื่อเป็นอย่างนี้เพื่อนๆของในปลื้มแต่ก่อนนี้ก็ไม่กล้ามาตอนนี้ในปลื้มไปปลูกบ้านอยู่เองแล้วทีนี้มากันไม่ได้ขาดมีการเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งกันทุกวันทุกคนต่างก็ชื่นชมบรารมีของในปลื้มที่กลายเป็นเศรษฐีย่อยๆโดยไม่ขาดฝัง ไม่นานต่อมาในปลื้มก็หันกลับไปเล่นการพนันแล้วก็ลักขโมยวัวควายอีกเหมือนเดิมในปลื้มเสียการพนันมากรายได้ที่ได้จากการขโมยวัวควายก็ไม่พอเล่นก็เลยแอบเอาโฉนดที่นาจํานวนร้อยไร่เศษๆเนี่ยไปจำนองแล้วเสร็จแล้วปีนั้นเองบุญยืนก็ตั้งท้องพอครบกาหนดคลอดก็คลอดออกมาเป็นผู้ชายในปลื้มก็ดีใจมากนะหวังว่า ลูกชายโตขึ้นจะถ่ายทอดวิชาขโมยวัวขโมยควายให้วิชางัดแงส่วนบุญยืนนายล้วนนางม่อมก็ดีใจก็ได้ลูกหลานเป็นผู้ชายหวังจะให้บวชเป็นญาติกับาศาสนาจะได้เกาะชายพ้เหลืองอย่างคำโบราณเขาว่าไว้ก็ตั้งชื่อให้ว่าบุญปลูกเด็กชายบุญปลูกก็เติบโตขึ้นตอนนั้นอ้วนท้วนจำม่าแก้มยุย้ยผิวขาวน่ารักน่าชัง ตอนนั้นห้าขวบและในล้วนนางน้อมแล้วก็บุญยืนเนี่ยซึ่งเป็นแม่ก็ได้ปรึกษากันว่าพอลูกโตเป็นผู้ใหญ่เกรงว่าบุญปลูกเนี่ยมันจะไปรับเอาอิทธิพลเลวๆของพ่อมันมาในล้วนนี่ยนางน้อมก็เลยคิดจะเอามาเลี้ยงซะเองจะได้เป็นเพื่อนแก้เหงาด้วยเพราะตัวเองก็แก่มากแล้วบุญยืนก็เห็นดีด้วยวันต่อมาในล้วนกับนางน้อมก็พากันมาหาในปลื้มลูกเขย ก็เจราจาขอบุญปลูกไปเลี้ยงเองแต่ในปื้มไม่ยอมนะแม้ว่านายล้วนจะชี้แจงว่าเมื่อเติบใหญ่จะให้บวชเรียนเมื่อศึกออกมาก็จะจัดการแต่งงานให้แล้วก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ด้วยนายล้วนกับนางน้อมพยายามชี้แจงเหตุผลร้อยแปดพันประการแต่ในปลื้มก็ยังใจแข็งนะเขาก็อ้างว่าเขาก็รักลูกมากเหมือนกันที่สําคัญก็คือบุญปลูกเป็นผู้ชายหวังจะให้เดินตามรอยพ่อ นะก็เพราะว่าในปลื้มนี่กำลังเมามันในการพนันนะเห็นว่าการพนันน่ะมันสามารถทำเงินทำทองได้ดีเป็นอาชีพอย่างนึงแล้วก็มีความสุขจากการไปด้อมดอมมองมองคอยลักขโมยวัวควายของชาวบ้านเขาเหมือนกับพวกโรคจิตผลของการเจราจาระว่างพ่อตากับลูกเขยไม่สามารถจะตกลงกันได้ในล้วนพ่อตาก็เลยยื่นข้อเสนอให้ใหม่คือจะยกที่นา หนึ่งร้อยไร่แล้วก็ควายอีกสิบตัวให้กับนายปื้มทันทีนี้นายปื้มยินยอมยกบุญปลูกให้เป็นลูกบุญธรรมนะนายปื้มจะเอานานีไปทําอะไรก็ได้จะไม่คัดค้านเลยพอได้ยินข้อเสนออย่างนี้นายปลื้มซึ่งรักลูกสุดชีวิตก็เริ่มใจอ่อนอ่ก็คิดในใจว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียลูกของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับคนอื่นก็ตากรยายเขาแท้ แถมยังร่ำรวยเป็นเศรษฐีอีกด้วยเราก็มีแต่ได้กระได้ลูกเดียวนายปลื้มก็เลยตัดสินใจยอมให้ลูกไปอยู่กับนายล้วนหนังน้อมเพราะความโลภของเขานั่นเองหลังจากนั้นมานายปลื้มและบุญยืนก็ครองรักกันมาเป็นสิบปีบุญยืนก็ให้กำเนิดลูกชายบุญปลูกบุญรับจำลอง เพื่อนของนายปลื้มก็ยังชมออกปากชมนายปลื้มบอกเอ้ยบุญของเองไว้ปลื้มยังมแต่ลูกชายนะจะได้เปิดบอนเล่นไพ่ให้ลูกเองเป็นคนคุมบอนไงส่วนบุญยืนก็ได้แต่คิดว่าจะเป็นบุญหรือบาปของเรากันแน่ที่มีลูกเป็นแต่ผู้ชายเพราะว่าพี่ปลื้มเนี่ยเริ่มฝึกให้ลูกๆเล่นกันมานั้นตั้งแต่ยังเด็กแล้วเราก็ไม่มีทางจะคัดค้านได้เลยตอนนั้น บุญรับคนที่สองนี่มีอายุได้สิบขวบนะแล้วน้องก็อายุไล่เลี่ยกันลงมาถ้าหากวันไหนในปลื้มออกขโมยวัวขโมยควายถ้าฝนไม่ตกเขาจะพาลูกไปด้วยช่วงนั้นเรื่องการพันนันในในปลื้มมือขึ้นหรือว่าค้าขายวัวควายที่ได้มาเนี่ยมันช่างมีแต่กาไรทั้งนั้นก็ทำให้ลูกๆติดอกติดใจ บุญยืนก็ได้แต่สลดหดหูใจเกรงว่าสักวันหนึ่งผลกรรมอาจจะตามสนองสมัยก่อนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเข้าไปไม่ถึงในปลื้มก็ใช้กดหมู่อยู่เหนือกฎหมายจนตัวเองมีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีอิทธิพลมากต่อมาบุญปลูกลูกชายคนโตอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ในล้วนและนางน้อมก็พาหลานชายสุดที่รักไปฝากท่านสมพันธ์ ในระหว่างที่เตรียมตัวจะบวชบุญปลูกก็ขยันท่องบนตํำรับตาราจนเป็นที่เอ็นดูของท่านสมพันธ์และพระภิกษุทุกรูปในวัดอีกทั้งยังเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบุญปลูกเนี่ยเป็นคนดีมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุญยืนก็ชื่นชมบุญบารมีลูกชายคนนี้เหลือเกินเพราะว่านางหวังเอาไว้ในใจว่าเมื่อลูกบวชเป็นพระแล้วเนี่ยก็จะมีกิริยาที่สํารวมสง่างาม คงจะเป็นที่น้อมนำใจผู้เป็นพ่อให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้วันขึ้นสิบห้าค่เดือนสามก็จะเป็นวันบวชพระแล้วนายล้วนกับนางน้อมอ่าซึ่งเป็นตากับยายก็ขอร้องแกมบังคับไม่ให้ในายปลื้มลูกเขยไปในงานบวชครั้งนี้เพราะเกรงว่านายปลื้มจะพาเพื่อนเพื่อนของเขาไปดื่มสุรายาเมาแล้วก็ ทะเลาะวิวาทกันในงานเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนของอ่าในเปื่มนี่ล้วนแล้วแต่ผีการพนันครอบงำเั่านั้นน่ะมีการหักหลังกันทั้งเล่ทั้งเหลี่ยมทั้งคมนอกฝกักในฝกักจนสุดที่จะบรรยายในเปื่มก็รับปากว่าจะไม่ไปอ่าเพราะว่าลูกชายคนที่สองคนที่สามตากระยายก็มาขอแต่ในเปื่มไม่ให้บอกว่ายกให้ไปคนหนึ่งแล้ว นะคือบุญปลูกนั่นแล้วจะไม่ทวงสิทธ์อะไรว่าอย่างนั้นวันนั้นเป็นคืนวันสิบสามค่าลูกชายก็อยู่ที่วัดเตรียมบวชในเปลืมล้มมวคงอยากจะคุยกับลูกชายให้สมรักก็เลยไปหาลูกชายที่วัดนั่งคุยอยู่หน้ากุฏิท่านสมพันเห็นอย่างนั้นก็พูดเปรย์ออกมาบอกว่าบุญปลูกเอ้ยเข้านอนจะหัวคำ่ำเถอะลูก พนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพราะที่บ้านเขาจะเริ่มงานแล้วแล้วยังจะต้องรับแขกอีกเยอะพักผ่อนเอาแรงเถอะเออบุญปลูกก็บอกว่าครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมขอนั่งคุยกับพ่อผมสักครู่ครับหลวงพ่อท่านได้ยินอย่างนั้นก็เลยเข้าจําวัดก่อนในปื้มนั่งคุยกับลูกชายที่วัดเห็นว่าไม่สะดวกก็ชวนบุญปลูกไปคุยกันต่อที่บ้านแต่ว่าบุญปลูกก็ไม่อยากไปในปลื้มก็อ้อนวอนบอก ไปเถอะลูกเอ๋ยเป็นไรรอกลูกชายพ่อจะได้บวชเนี่ยพ่อก็ดีใจด้วยอ่าจะได้ไม่เป็นคนดิบเหมือนพ่อพ่อนะ่ะอยากจะอยู่ใกล้ใกล้ลูกสักพักเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านจะได้คุยกันน้องกับแม่เขาด้วยไงเออพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีพอได้ฟังคำขอร้องของพ่อบุญปลูกก็ใจอ่อนก็คิดว่าบ้านน่อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ก็เลยตกลงใจไปกับพ่อ เ, เดี๋ยวผมไปขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อก่อนนะครับไปบอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวผมจะไปบ้านสักเดียวเอ้ยไม่ต้องหรอกลูกไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวขากลับพ่อมาส่งลูกพอไปถึงบ้านทุกคนในบ้านก็พากันดีใจโดยเฉพาะบุญยืนซึ่งเป็นแม่ชื่นชมยินดีกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไม่ขาดปากเลยพอคุยกันหอมปากหอมคอดีแล้วบุญปลูกก็ลาทุกคนเพื่อจะกลับวัด เดี๋ยวผมลาแม่แล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตื่นท่านสั่งไว้ว่าไม่ให้ออกไปไหนเพราะว่าใกล้วันบวชแล้วในปื้มก็บอกว่าเออกลับก็กลับว่าเดี๋ยวพ่อไปส่งลูกว่าแล้วในเปื้มก็พาลูกเดินลงบันไดามาเออคืนนี้เดินหงายดีจังเลยไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้นะบุญปลูกก็กลมลงมองหารองเท้าในปื้มกอกว่าไฟแชกออกมาจุดนะ่ะให้ลูกเห็นสว่างสว่าง ก้มลงส่องดูลองเท้าเสร็จแล้วบุญปลูกก็ยืนขึ้นเสียงเปรียงเปรียงเปรียงสามนัดซอนซอนครับปืนดังมาจากไหนยิงใครสักครู่ครับเสียงปืนสามนัดซอนซอนเสียงร้องโอ้ยร่างของบุญปลูกสุดหัวบลงกองกับพื้น แล้วก็มีเสียงร้องตะโกนมาจากปากกล้วยข้างบ้านบอกเฮ้ยผิดตัวแล้วก็มีเสียงวิ่งหายไปในปลื้มตอนนั้นไม่ได้สนใจมัวแต่พะวงกับร่างของลูกชายเสร็จแล้วแม่บุญยืนัวถลามาที่บันไดพร้อมกับไฟฉายติดมือมาด้วยในใจของบุญยืนนะ่ะคิดว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยต้องเป็นในปลืม้มเพราะว่าในปลื้มนะ่ะมีคนปองร้ายมีศัตรูมากแต่ว่าใจก็สังหรณ์ถึงลูกชายก็ร้องถามว่า บุญปลูกเป็นยังไงบ้างลูกพอลงมาถึงส่องไฟฉายถึงได้รู้ว่าเป็นลูกชายบุญยืนก็โผลเข้าหารำพันนะใครทำลูกแม่อย่างนี้ใครใจร้ายทำลูกฉันอย่างนี้นางก็กอดศพลูกร้องไห้รำพันเหมือนกับใจจะขาดตามไปด้วยไฟในลวนนางน้อมสองตาใหญ่ เมื่อมีคนมาบอกว่าบุญปลูกโดนยิงอยู่ที่บ้านในปลื้มแกก็กระหืดกระหอบงกก์เงื่อนเงนมาพร้อมบางคนนำทางพอใกล้เขตบ้านก็เห็นแสงตะเกียงเจ้าพายุได้ยินเสียงคนร้องไห้สองตายายก็รีบเดินจำอ้าวอา้าวอ้าวโดยที่สังขารและความแก่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินครั้งนี้เลยพอมาถึงถึงได้รู้ว่าบุญปลูกสิ้นใจเสียแล้วสองตาใหญก็ร้องไห้รำพัน จนทุกคนอดน้ําตาไหลไม่ไดนะ้รำพันจนเป็นลมหมดสติไปถึงงานศพของบุญปลูกจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามตาล้วนและใยน้อมก็ยังเศร้าโศกเสียใจไม่ ส, สั่งซาเอาแต่นั่งกอดผ้าไตรจีวรพร่ำรำพันจนในที่สุดก็ล้มป่วยแล้วก็หมดบุญในเวลาที่ห่างกันเพียงสองเดือนแต่ก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็ได้เรียกในปลื้มแล้วก็หลานๆเข้าไปหา เสร็จแล้วแกก็บอกว่าพ่อปลืม้มเอ้ยไรนาสาโทที่พ่อกับแม่มีอยู่ไม่อาจจะนำติดตัวตามตนไปด้วยได้พ่อจะโอนให้เป็นชื่อของลูกแล้วก็หลานๆแต่ว่าพ่อกับแม่มีข้อแม้ที่จะแลกเปลี่ยนพ่อจะขออะไรผมก็บอกมาฮะผมยินดีทำให้พ่ออยากให้พ่อปลื้มกับหลานๆหยุดเล่นการพานัน เลิกลักขมโมยวัวควายแล้วขอให้ห ล, นหลานๆได้บวชอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบุญปลูกแล้วก็ตากับยายด้วยนะในปลื้มก็รับปากแล้วก็จำคำพูดได้เสมอแต่ในปลื้มก็เลิกไม่ได้เมื่อลูกชายเติบโตขึ้นในปลื้มก็พาไปด้วยทั้งหมดเลยแต่ว่าสำหรับคนที่สองเนี่ย ไม่ค่อยอยากจะไปด้วยเพราะวันนี้ใสเขาคล้ายมาทางแม่มากกว่าแต่ก็ไม่กล้าขัดใจพ่อระยะนั้นในปลื้มฆ่าทุกคนที่เขาสงสัยว่าเป็นฆาตกรฆ่าบุญปลูกลูกชายแล้วบางทีตอนนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ชักจะยื่นมือเข้าไปถึงบ้างแล้วการขโมยวัวขโมยควายก็โดนจับได้อยู่บ่อยๆเล่นการพนันก็ถูกจับบางครั้งก็ถูกจับ ทังพ่อทั้งลูกบางครั้งก็จับได้แต่ในปลื้มคนเดียวเมื่อเหตุการณ์ผันแปรเป็นอย่างนี้ที่ไร่ที่นาที่มีอยู่ก็ต้องขายไปประกันตัวในปลื้มบ้างประกันลูกชายบ้างขายเอาเงินไปเดินเรื่องสู้คดีความบ้างในที่สุดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายมหาศาลก็ร้อยหลอลงแล้วเพื่อนๆก็ไม่ไว้วางใจในปลื้มก็หมดอำนาจสิ้นอิทธิพลและฐานะยากจนลง ปีต่อมาบุญรับลูกชายคนรองมีอายุครบกาหนดบวชบุญรับก็บอกกับพ่อบอกว่าพ่อครับปีนี้ผมอายุยี่สิบแล้วครบบวชแล้วผมอยากจะบวชผมยังจำคำขอร้องของตากายายได้ผมก็ทำความไม่ดีมามากอยากจะบวชจะได้ไม่เสียแรงเกิดมาเป็นลูกผู้ชายบุญยืนได้ฟังลูกพูดอย่างนั้นก็ดีใจมากก็ถามว่าแล้วจะบวชนานไม่ลูกหาบุญรับ ก็ถ้าหากว่าบวชแล้วสบายดีแนะผมอาจจะไม่ศึกเลยก็ได้แม่บุญยืนฟังอย่างนั้นก็ดีใจจนน้ำตาไหลก็ชวนในปลื้มพาลูกไปฝากท่านสมพานที่วัดเพราะว่าอีกประมาณสองเดือนเนี่ยชาวบ้านเขาจะจัดบวชหน้าหมู่ซึ่งเขามีเป็นประจำทุกปีโดยจะบวชพร้อมกันที่วัดหนองบัวเมื่อเข้าอยู่ในเขตของวัด นาคบุญรับก็มันอ่านมันทบทวนบทสวดต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำจนสมพันธ์แล้วก็เพื่อนๆชมสมพันธ์นิสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้หนาคบุญรับออกนอกเขตวัดไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเพราะกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอีกนาคบุญรับก็เชื่อฟังทุกอย่างวันขึ้นสิบสี่ค่ำก็จะเป็นวันสุกดิบของงานเขาเรียกวันทําขนมจีน คืนวันสิบามค่ำนั่แหละญาติพี่น้องมาช่วยกันต้มน้ำยาทำขนมจีนเพื่อจะได้เอาไว้เลี้ยงแขกพรุ่งนี้ตอนนั้นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งยังหัวค่ำอยู่นาคบุญรับนี่อยู่ที่วัดอาบน้ำเสร็จก็จัดเตรียมเสื้อผ้าเอาไว้ใส่พรุ่งนี้แต่ว่ากางเกงแต่ละตัวก็เก่าก็เลยนึกอยากจะได้กางเกงใหม่ๆสักตัว พอดีมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นเพื่อนนาคโดยกันที่มาอยู่วัดด้วยกันนเดินมาเป็นกลุ่มนาคบุญรับก็ออกไปถามว่าจะไปไหนกันนะ่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปกินโจ๊กที่หัวตลาดกันนะ่ะเ อ, อเดี๋ยวผมออกไปด้วยคนนะยังหัวค่ำอยู่ร้านค้ายังไม่ปิดผมอยากจะได้กางเกงใหม่สักตัวเฮ้ยอย่าดิว้านะ่ะหลวงพ่อเขาสั่งไว้ไม่ให้บุญรับออกนอกเขตวัดไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเราผมไปคนเดียวเมื่อไหร่เราไปด้วยกันทั้งหกคนเจ็ดทั้งผมเนี่ยนะให้ผมไปด้วย นาคทุกคนก็มองตากันแล้วก็ออกเดินโดยที่ไม่พูดอะไรแม้แต่คาเดียวพอไปถึงตลาดนาคบุญรับก็แยกตัวออกจากเพื่อนๆเพื่ อ, อ, อไปซื้อกางเกงเสร็จแล้วก็กลับมากินโจกที่เพื่อนเพื่อนสั่งไว้ให้อิ่มแล้วก็เดินกลับกันก็เดินเรียงแถวกันเรียงหนึ่งมาเลยนาคบุญรับก็เดินเป็นคนที่หกมีเพื่อนนาคอีกคนนึงเดินห้อยท้ายเป็นคนที่เจดเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งปั่นจักรยานสองล้อมาด้วยความเร็วมากจักรยานคันนึงก็ฉลบลงมาเฉี่ยวขาตรงน่องร้อยไหวของนาคบุญรับลม้มลงถึงก็สลบแล้วเพื่อนๆก็รีบนําส่งโรงพยาบาลอ่าเพื่อนคนหนึ่งก็รีบมาบอกนายปลื้มแล้วก็นางบุญยืนพอไปถึงโรงพยาบาลนางพยาบาลก็ถามว่าเ อ, อขอโทษนะคะคุณเป็นญาติของนายบุญรับหรือเปล่าคะบุญยืนก็บอกว่าใช่คะ่ะดีฉันเป็นแม่ของนาคบุญรับ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนาบุญรับลม้มศีรษะนกพืนเลือดข้างในสมองสิ้นใจแล้วค่ะแม่บุญยืนยโผไปยังร่างลูกชายที่นอนอยู่บนเตียงปาก็บอกว่าไม่จริงไม่จริงลูกฉันยังไม่ตายบาดแผลอะไรก็ไม่มีจะตายได้ยังไงลูกฉันยังไม่ตายลูกฉันจะต้องบวช ต้องบวชให้แม่นะลูกนะจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพี่เขาให้ตาให้ยายด้วยบวชให้แม่นะนางข่ำครวนวิงวอนต่อร่างของลูกชายที่ไร้วิญญาณอย่างน่าสมเพชแล้วของกินของใช้ที่เตรียมไว้สำหรับงานบวชก็กลายเป็นจัดงานศพแทนเจ้าของจักรยานคันที่ว่ามาชนนั้นถูกตำรวจจับตัวได้ ก็รู้ว่าเป็นนาคที่จะบวชนาคหมู่พร้อมกันในครั้งนี้แต่ว่าจะบวชเจนคนลวัดเนี่ยโบราณเขาบอกว่าโบราณว่าใกล้บวชมักมีมนันอย่าเดินเล่นยามวิการมานคอยมองนี่เขาพูดกันมานานนักหนาแล้ว เ, เมื่องานศพผ่านไปในปลื้มก็เริ่มรู้สึกสำนึกตัวเมื่อทบทวนเหตุการณ์ต่างๆว่า ทำไมตัวเองถึงต้องเสียลูกชายไปถึงสองคนเขาเลิกเล่นการพ น, นันเลิกรักขโมยเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความทุจริตสองคนผัวเมียก็มักจะมาคุยกับท่านเจ้าอาวาสบ่อยๆเริ่มรู้จักบาปบุญคุณโทษเริ่มรู้ว่ากรรมมีจริงแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกรรมตามสนองท่านตาเห็นวันหนึ่งขณะที่ในปลืม้มนอนหลับอยู่ดีๆตำรวจก็มาปลุก แจ้งข้อหาว่าขโมยวัวควายมาฆ่าแล้วก็พาไปดูหลักฐานต่างๆก็มีหัววัวมีหนังแล้วก็เลือดสดๆแดงฉานแสดงว่าสัตว์นั้นเพิ่งจะถูกฆ่าซึ่งความจริงแล้วในปลื้มไม่ได้ทำแต่ว่าถูกใส่ร้ายจากคนอื่นแล้วระยะนั้นในปลื้มจะดวนจับเป็นประจำเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้ที่นาที่เหลือน้อยอยู่แล้วก็ถูกขายเอาเงินไปประกันตัวสู้คดี แต่ในปื้มก็ไม่ได้สืบสาะว่าใครเป็นคนเอาหลักฐานเหล่านั้นมากองไว้ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนไปแจ้งตำรวจเพราะว่ารู้ดีว่าบัดนี้กรรมได้ตามมาสนองเขาแล้วแล้วก็รู้ดีว่าที่ลูกชายโดนยิงนะแท้จริงฆาตรกรไม่ได้ตั้งใจจะยิงลูกเขาแต่จงใจจะปิดชีวิตตัวเขาเองต่างหากแต่เผอิญลูกมารับเคราะห์แทนต่อมาความเจริญก็เข้าสู่หมู่บ้าน ถนนสายกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ตัดผ่านอำเภอหนองบัวนายจำลองลูกชายคนสุดท้องของนายปลื้มกับนางบุญยืนก็มีอายุครบบวชอีกนางบุญยืนก็เรียกลูกชายแล้วก็นายปลื้มมาปรึกษากันบุญยืนก็บอกว่าจำลองเ อ, อ้ยปีนี้อายุครบบวชแล้วนะลูกแม่เห็นท่องเจ็ดตำนานลูกคิดจะบวชเหรอครับแม่ผมตั้งใจผมจะบวชครับ แม่คิดว่าอย่าบวช ด, ดีกว่าลูกพี่ชายของลูกทั้งสองคนก็ตายในวันทําขนมจีนทั้งสักสองคนเลยแม่ว่าลูกอย่าบวชเลยนะแม่ไม่อยากให้วันนั้นมาถึงแม่ให้ผมบวชเถอะแม่ผมบวชแล้วผมจะไปอยู่วัดสวนบัวร่วงที่นั่นเขามีงานปฏิบัติธรรมผมเคยไปหาท่านเจ้าอาวาสแล้วที่นั่นสงบเยือกเย็นดีบางทีผมอาจจะไม่สึกก็ได้นะครับแม่ถ้าบวชแล้วแม่ไม่ห่วงหรอก แต่ช่วงจะบวชนี่สิเอออย่าห่วงเลยนาะบุญยืนเลยคนเรามันจะเหมือนกันหมดทุกคนได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอยากบวชจริงๆก็เอาไว้อีกปีสองปีแล้วค่อยบวช ด, ดีไหมลูกไม่เอาว่าแม่บวชปีนี้เหอะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบวชปีนี้ทั้งนั้นเลยสองผัวเมียพาลูกชายไปฝากหลวงพ่อหลวงพ่อก็อึกอักไม่ว่าอะไรแต่ก็รับไว้เป็นการบวชนาคหมู่ เดือนสามมีงานบวชนาคหมู่เป็นประจำทุกปีคืนวันทำขนมจีนมาถึงอีกแล้วพอถึงเดือนสามซึ่งมีงานบวชนาคหมู่เป็นประจำทุกปีคืนวันนี้ตามบ้านนาคเขาก็จะมีการต้มน้ำยาทำขนมจีนเช่นเคยช่วงเวลาห้าโมงเย็นวันนั้นนาคจำลองก็ชวนเพื่อนไปรับแฟนของตนที่เขาเรียกว่าสีกานา ซึ่งอยู่คนละหมู่บ้านสิการนาคเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณสักยี่สิบกิโลนะพอไปถึงบ้านแฟนสาวก็บอกว่าเดี๋ยวพี่กลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ชายฉันจะเอารถไปส่งพ่อกับแม่ก็จะไปด้วยพี่เอามอเตอร์ไซค์มาแค่คันเดียวซ้อนท้ายกันมาทั้งสามคนแล้วกลับไปก่อนเถอะนาคจำลองกับเพื่อนก็พากันกลับก็บึบ่งมอเตอร์ไซค์มาตามถนนสายเอเชีย ขณะที่มาได้ประมาณได้ครึ่งทางตอนนั้นใกล้จะคํำแล้วมีรถคันนึงวิ่งมาเสยท้ายรถมอเตอร์ไซค์เป็นเหตุให้ทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์พุ่งตกลงไปข้างถนนก็โดยที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ารถที่ชนนั้นเป็นรถอะไรด้วยซ้าเพื่อนของนาคจำลองสลบอยู่ครูใหญ่เลยฟื้นเสร็จแล้วเพื่อนก็มาโบกรถแต่ไม่มีรถคันไหนหยุดรับเลย จนกระทั่งรถของสีการนาคเนเขาตามมาเนี่ยผ่านมาเห็นก็จําได้ก็หยุดรถลงไปดูเห็นว่านาคจําลองอยังสลบอยู่ก็นําส่งโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วก็บอกว่าเ อ, อในจําลองคอหักแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับทุกคนก็นําศพนาคจําลองกลับไปบ้านซึ่งมีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันโคลกแป้งขนมจีนบางก็จับโน่นจับนี่กันวุ่นวายโอลลามัน เมื่อรถแล่นเข้าไปจอดเพื่อนสองคนก็ช่วยกันหามร่างที่ไร้วิญญาณของนาคจำลองลงจากรถผู้คนก็แตกตื่นวิ่งมาดูพร้อมกับคำถามว่าตายหรือเปล่าตายหรือเปล่านางบุญยืนได้ยินเสียงคำว่าตายนี่รู้สึกเสียวปราบเข้าไปในหัวใจก็ลุกขึ้นจากที่ที่กำลังจัดผ้าไตรจีวรอยู่รีบเดินไปดู มองไปยังร่างที่ถูกหามมานั้นด้วยอาการตกตะลึงตาเบิกโครงจนกระทั่งคนหามศพเนี่ยต้องหยุดยืนอยู่กับที่ต่อหน้าของนางบุญยืนสักครู่หนึ่งดวงตาของนางก็เป็นปกติเงียบสงบไม่มีเสียงหรือ ว, ว่าคําพูดใดๆเด็ดลอดออกจากปากแม้แต่คําเดียวบุญยืนก็มองร่างนั้นอย่างสงบนิ่งน้ําตาแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ไหลสักครู่หนึ่งในปลื้ม ซึ่งเป็นพ่อก็เข้ามาจับแขนแล้วก็บอกว่าเขาสิ้นใจแล้วละ่ะบุญยืนบุญยืนพยักหน้าชา้าๆกลืนน้ําลายลงคออย่างฝืดเคืองเสร็จแล้วก็บอกกับนายปลื้มบอกว่าฉันรู้แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงอีกจนได้ฉันเตรียมใจรับกับมันไว้แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถอนหายใจไปตามๆกันก็ช่วยกันหาศพขึ้นไปบนบ้าน จากวันนั้นเป็นต้นมานางบุญยืนก็มีอาการมือลอยวันหนึ่งก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วกราบนกกามสกันเรียนหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะดีฉันมาขอบวชชีเจ้าคะ่ะเออเจริญพรเนยโยมโยมตัดสินใจแน่แล้วเหรอเจ้าคะ่ะดีฉันใคร่ครวญไตรตรองดีแล้วลูกเข้ามาอาศัยท้องดีฉันเกิดแล้วเขาก็ทิ้งดีฉันไปตายแล้วเขาก็ไปแต่ตัว พอดีในปลื้มก็เข้ามากราบน้ำมัสการก็เรียนว่าจะขอบวชอีกคนเออจะเอาอย่างไงเดายมปลื้มอออนุโมทนาด้วยนะผมบวชแล้วจะขอไปอยู่ที่วัดสวนบัวร่วงนะครับหลวงพ่อผมอยากจะปฏิบัติธรรมอยู่ในที่ที่สงบลูกมึงเคยบอกว่ามันอยากจะไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวผมจะไปอยู่แทนดีใจด้วยนายโยมปลื้ม ถึงแม้ว่าโยมจะเคยทำกรรมไม่ดีไว้มากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลบางจำพวกมามืดแต่ไปสว่างโยมปลื้มกับโยมบุญยืนเนี่ยก็สงเคราะห์ลงในบุคคลจำพวกนี้ล่ะนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมกรรมมูนาวัตติโลโกสัตโลกยอมเป็นไปตามกรรมในปลื้มก็บอกว่าผมเห็นประจักษ์แล้วครับหลวงพ่อ ว่าคนเราเมื่อตายแล้วนี่ไม่ได้เอาสิ่งของอะไรติดตัวไปได้เลยแม้กระทั่งร่างของตัวเองมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะตามไปได้ทุกวันนี้ผมเหลือเพียงแค่ที่บ้านกับบ้านแล้วก็ยุ่งข้าวผมตั้งใจจะขายเอาเงินเข้าวัดครับอืมอนุโมทนาด้วยโยมคืนวันนั้นสองผัวเมียก็นอนที่วัดเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าแต่ตอนดึกคืนวันนั้นขณะที่ทุกคนกําลังหลับ ก็มีแสงไฟลุกขึ้นเห็นเปลวแดงฉานพุ่งสู่ท้องฟ้ามีเสียงคนร้องคนวิ่งกันโอลมมนไฟไหม้บ้านและยุ่งข้าวของนายปลื้มจนหมดสิน้นแล้ววันใหม่ก็มาถึงนายปลื้มนางบุญยืนก็บวชโดยที่ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงไม่มีเครื่องข้องใดๆทั้งสิน้นเมื่อบวชแล้วแม่ชีบุญยืนกับพระปลืม้ม ภิกษุรูปใหม่ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงปีพุทธศักราช 2,531 ในช่วงต้นปีพระปลื้มก็มรณภาพลงภายใต้ร่มกาสาวพัดด้วยอาการสงบแล้วถึงพอช่วงปลายปีแม่ชีบุญยืนก็เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟัง หลวงตาปลื้มและแม่สีบุญยืนมีลูกชายด้วยกันถึงสามคนทำไมทุกคนถึงต้องตายในวันใกล้จะถึงวันบวชลูกชายทั้งสามคนอยากบวชอายุก็อย่างน้อยแต่ก็ไม่ได้บวชแต่หลวงตาปลื้มซึ่งเป็นคนเลวและมีอายุมากกลับได้บวชในบวรพุทธศาสนาท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาคิดเป็นการบ้านกันหน่อยนะครับ ตรีพศเนี่เป็นคนเมืองเพชรบุรีแกจบจากโรงเรียนในสิบมาได้สักสองสมปีแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวกับแม่สมบุญสาวแม่กรองคนทั้งสองก็ได้มาอยู่ร่วมกันที่บ้านพักทหารแถวแถวพญาไทกรุงเทพแม่สมบุญภรยาของสิตรีพศเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวา ง, วางอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่ในหมู่ภรยาทหารซึ่งอยู่ในบ้านพักใกล้เคียง อาชีพเดิมของสมบุญเนี่ยเป็นชาวสวนพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนเมื่อจบป .4 แล้วก็ช่วยค้าขายผลไม้แบ่งบาวภาระจากพ่อแม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวต่อมาเข้ามาเรียนเย็บผ้าที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสิบตรีพ์จนกระทั่งร่วมหอลงโรงกันแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามาได้ราวห้าหกเดือนสิบตรีพ์ทำงานอยู่ฝ่ายทหารช่าง ต่อมาก็ย้ายมามาอยู่ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลทหารซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านพักมากนะักที่นี้รายได้จากสิบตรีพศมันแกเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยเดือนเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าไหนจะค่ า, าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวค่าข้าวสารน้ำปลาอาหารแล้วรายจ่ายพิเศษเกี่ยวกับสโมสรหรือว่าสังคมกับเพื่อนฝูง ตอนนั้นสมบุญก็เลยต้องหาเปร eh, ่ขายขนมถ้วยบ้างขายผลไม้บ้างตกกลางคืนก็เย็บผ้าโหลส่งเพื่อหาไรายได้มาใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวกว่าจะได้พักผ่อนก็ดึกมากแต่ว่าก็ต้องทำเพราะรักลูกฐานะที่หาเงินไม่ค่อยพอใช้ในครอบครัวก็ทําให้เมียต้องหาเปร eh, ่ขายของเนี่ยก็ทําให้สิบโทพจนิรุมใจเขามักจะกลับบ้านดึกแล้วก็เริ่ม กินเหล้าหนักขึ้นว่าเก่าการพนันซึ่งไม่เคยสนใจมาก่อนหรือว่าเคยเล่นเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆนั้นที่นี้สิบโทพศก็คิดเสี่ยงโชคอยากเงินที่ชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังเพราะว่าคิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ลงมือเล่นการพนันในบ่อนแถวซอยรางน้ำแล้วก็ก้าวไกลไปถึงเข้าสนามมาวันเสาร์วันอ า, าทิตย์ ก็ส่งผลให้แก่จมดิ่งอยู่กับการพนันอย่างโอหัวไม่ขึ้นจนมีหนี้สินรุงรังแล้วในปลายปีนั้นสิบโ ท, โทพศก็หาทางออกใหม่ด้วยการตัดสินใจไปเป็นทหารรับจ้างในลาวโดยหวังว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอยู่สองปีในลาวชีวิตทหารช่างสิบโทพศกลายเป็นทหารรับจ้างที่รบเพื่อชีวิตของครอบครัวแล้วก็หนี้สินที่เขาสร้างไว้เอาชีวิตแต่เลือดเนื้อ แลกกับเงินตราที่เขาจ้างด้วยเงินดอนลล่าร์เมื่อกลับจากสงครามสมบุญมีลูกเพิ่มอีกสองคนเงินที่ได้จากอาชีพทหารรับจ้างซึ่งส่งให้ครอบครัวพอจะใช้หนี้สินได้หมดแต่ก็ไม่มีเงินเหลือในครอบครัวเพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นสมบุญก็ยังคงต้องหาเปร่ขายขนมถ้วยในตอนกลางวันตกเย็นก็ขายหมูย่างเสียบไม้ที่หน้าบ้าน โดยที่ลูกชายคนโตก็คอยช่วยแม่ชีวิตทหารรับจ้างในลาวทำให้สิบโทพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาไปอยู่ในท่ามกลางความเฮี้ยมโหดของสงครามและความตายก็เลยมีนิสัยก้าวร้าวและมองโลกในแง่ร้ายคาพูดที่เคยสุภาพเรียบร้อยกับลูกเมียก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเขาก็ยังคงกินเหล้าหนักแล้วก็เล่นการพนันอย่างเก่าคืนนั้นสิบโทพศก็กลับบ้านดึก ก็เมามาเหมือนกับทุกคืนน่ะพอเดินขึ้นบันไดบ้านเสียงนกขุนทองซึ่งลูกชายคนโตเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆ ก, ก็ร้องทักเหมือนกับคนอื่นๆบอกสวัส ด, ดีครับสวัส ด, ดีครับเปิดประตูหน่อยเสียงนกขุนทองมันร้องด้วยความเคยชินมันถูกสอนให้พูดได้หลายคําแล้วก็เรียนเสียงพูดคนบนบ้านได้ชัดเจนอ่าจนใครๆก็บอกว่าให้ส่งเข้าประกวดแต่ว่าสิบโทรพศเนี่รําคาญทุกครั้งน่ะที่นกขุนทองร้องทัก แกจะด่ามันหยาบๆยาบใครๆจนกระทั่งมันพูดคำหยาบได้เท่ากับที่สิบโทพะเป็นคนพูดละแล้วทุกคืนที่สิบโทพศเมามาแกจะทุบประตูเรียกลูกๆทั้งหมดให้มาตื่นนอนมาร้องเพลงหาถ้วยชามหรือกระทะมาเป็นเครื่องดนตรีเคาะพราะฤทธิ์เมาเป็นอย่างนี้เรื่อยมาถ้าลูกคนไหนขัดขืนแกก็จะดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบใครด่าสาเสียเทเสียแม้กระทั่งด่าแม่อย่างคล่องปาก แล้วก็ไล่ลูกให้ลงไปแช่น้ำครัมในใต้ถุนบ้านพักกันแหละถ้าหากว่าลูกไม่ทำตามที่แก่ต้องการปีศาสุราเข้าครอบครองจิตใจของพศเท่าๆกับปีศาจการพนันเขาไม่เคยมองดูความเหนื่อยยากของเมียและความขมขื่นของลูกเลยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเมียก็ได้แต่กล่มกลืนน้ำตาจากความโหดร้ายทารุณของผัวทุกครั้งที่เธอต่อว่า สามีก็จะทุบตีหรือว่าถูกตบจนเลือดกรบปากจนในที่สุดเธอก็ต้องตกอยู่ในความกลัวแล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านว่าเขาจะหนูหูก็นิ่งเสียก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมวันนั้นเป็นวันเกิดลูกชายคนโตสมบุ์ไม่ได้ออกไปขายของเหมือนอย่างเคยหลังจากที่เธอใส่บาดให้ลูกแล้วก็ทำอาหารกินกันเฉพาะแม่ลูกตา ม, มีตามเกิด ปรากฏว่าวันนั้นสิบโทพศนี่กลับบ้านเร็วว่ะปกติก็เมามาอย่างเคยพอขึ้นหัวบันไดเรือนเสียงนกขุนทองก็ร้องทักทายเช่นเคยสวัสดีครับสุขสัรวันเกิดครับสุขสัรตวันเกิดพ่อองใหญ่ขุนทองแกตะโกนลั่นบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านเห็นแม่ลูกกํำลังนั่งกินอาหารกันอ ย, อยู่สิบโทพศก็วางขวดเหล้าลงที่พื้นแล้วยืนงงนเงีนแอนไปแอนมา ไปซื้อโซดาให้กูหน่อยอ่ะนี่มันนั่งนินทาพ่อมึงอยู่เหรอฝ่ายสมบุญก็บอกว่าพี่นี่วันเกิดลูกนะหยุดเมาสักวันเถอะกูเม า, มาแล้วจะหยุดทำไมอ่ะดื่มจะร้องวันเกิดจะดีกว่าเว้ยไปรีบไปซื้อโซดาแล้วมาเล่นดนตรีกันสมบุญนิ่งเงียบไม่อยากจะต่อปากต่อคำเพราะรู้ว่าไร้ประโยชน์ พวกลูกๆ ก, ก็ได้แต่มองตากันเพราะสงสารแม่หลังจากที่ลูกไปซื้อโซดามาแล้วแกก็ลงมือดื่มต่อแล้วก็เรียกลูกๆมาตั้งวงดนตรีไปเคาะอย่างที่เคยทํามาทุกครั้งก็โดยมีเพื่อนบ้านมาร่วมวงด้วยตอนที่ดนตรีกระป๋องหยุดเล่นสิบโทพศก็จะดื่มกับเพื่อนๆจนดึกจะด้วยความปากเบาหรือว่าความเคยชินที่ได้ยินเสียงด่าของนายผู้ชาย อยู่เป็นประจําเนี่ยคืนนั้นปรากฏว่าเจ้าขุนทองร้องด่าแม่สิบโทพศผู้เป็นนายตลอดคืนแล้วก็เป็นคําด่าที่เหมือนกับคําด่าลูกด่าเมียที่สิบโทพศเคยด่าแหละเช้าวันใหม่สมบุญกําลังจัดขนมถ้วยลงหาบเตรียมจะออกไปขายลูกชายคนโตก็วิ่งเข้ามาหาแม่ในครัวน้ําตานี่นองหนะ้าแม่แม่ครับขุนทองมันตายแล้ว สมบุรณ์เนี่ยนิ่งอึง้งอย่ามือไม้อ่อนมันเป็นอะไรตายอะลูกแม่ลงไปดูดีกว่าครับนางสมบุรณ์ก็รีบออกจากครัวเดินไปดูที่ระเบียงหัวมันใดาภาพที่เห็นก็คือไม้ไผ่เสียบหมูปิ้งเนี่ยเสียบคาปากนกขุนทองตัวนั้นเลือดทะลักออกมาจนลิ้นแดงยื่นออกมาดวงตาก็เลือกรานนั่งสมบุรณ์รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบกลับ้าไปในห้องแล้วก็ตะโกนเรียกสามีพี่ พี่ข้านาขุนทองเหรอพี่ข้ามันทำไมอ่ะมันด่าแม่กูทั้งคืนน่ะด่าต่อหน้าแขกอ่ะให้มันกินไม้เสียบหมูถึงมันจะได้เลิกด่าทีนางสมบุ์ก็พยายามปลอบลูกแล้วเธอก็เดินอ่อนแรงเข้าครัววันนั้นเธอแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงขายของนาขุนทองที่ลูกเลี้ยงไว้ได้วยความรักหัดสอนพูดเป็นเพื่อนแก้เหงามาตายเพราะนํามือผัวขี้เมา เย็นวันนั้นนางสมบูรณ์กลับบ้านเร็วกว่าทุกวันขณะที่เดินเข้าซอยบ้านก็สวนกับสิบเอกพงษ์บ้านอยู่ใกล้ๆกันแกก็เดินเข้ามาหาข้าสมบูรณ์เพิ่งกลับเหรอเขาเพิ่งจะพาผัวยังไปส่งโรงพยาบาลเกิด อ, อะไรขึ้นอะพี่พงษ์ไอ้พศมันกินเหล้าเมามันคาบอาบกับแกล้มหมูปิ้งอะคาปากไว้แล้วเดินท่าไหนไม่รู้ลม้มไม้เสียบหมูปิ้งแทงหลอดคอเลือดออกมาหยุดเลย นี่ยังไม่รู้ว่าเป็นตายได้ดียังไงเดี๋ยวข้รีบกลับมาตามเอ็งกับพวกลูกๆอให้ไปที่โรงพยาบาลคําพูดของเพื่อนบ้านทําให้สมบุญถึงกับหน้ามืดหลังจากที่เพื่อนบ้านช่วยกันพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมดูอาการสามีถามหมออหมอก็บอกว่าเขาเสียเลือดมากไม้ไผ่เสียบหมูนี่หักขาอยู่ในลําคอตอนนี้เราดึงออกมาแล้วละ่ะ แต่คิดว่าอาการเขาหนักมากพอดูต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันทีเดียวสิบโทพจน์ต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลหลายอาทิตย์ทั้งยังมีโรคเรื้อรังเนื่องจากพิษสุราแล้วก็มาเร็งหลอดลมเนื่องจากบุหรี่หมอก็ต้องผ่าตัดแล้วก็ต่อท่อหายใจให้ใหม่ที่ใต้ลูกระเดือกแม้ว่าหมอจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่เขาก็กลายเป็นคนใบ้ไปตลอดชีวิตสมบุ์ปรยาทำหน้าที่ของเธอต่อไปด้วยความอดทน เพราะสามีต้องกลายเป็นคนพิการการเงินที่ได้จากทางราชการนั้นไม่พอจะเลี้ยงลูกเธอก็ต้องทำงานหนักขึ้นสองเท่าเพื่อสามีและลูกทำงานเหมือนทาสที่ไม่รู้จักเหนื่อยลูกคนโตของเธอบวชเป็นพระและเรียนปริยสติธรรมสอบจนได้ป ร, ริญญาเก้าประโยคส่วนน้องๆก็เรียนจบอาชีวะช่วยตัวเองกันได้ทุกคนเพราะความอดทนและยึดมั่นในธรรมะ ธรรมะที่ลูกชายคนโตที่บวชเป็นพระนี่แวะเวียนมาให้สติโยมแม่อยู่บ่อยๆทุกครั้งที่พระลูกชายมาโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านโยมพ่อขาน้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจะร้องไห้ดังๆแต่ไม่มีเสียงร้องไห้ให้ได้ยินอีกแล้วมนุษย์จะไม่ได้เกิดมาเพราะอุบัติเหตุหรือความบังเอิญ น, นะท่านผู้ฟังแต่มันเกิดมาเพราะกรรมกรรมน่ะส่งมาเกิดนะ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างกันแต่ว่าผลของกรรมนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกิเลสกรรมและวิบากเช่นเดียวกับเรื่องของนกขุนทองกับสิบโทพ์ที่ว่าเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะสร้างกรรมอันใดไว้บาปหรือบุญมนุษย์จะต้องเก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมนั้นไม่มีโอกาสปิดบังอำพรางไม่มีโอกาสถา่ายถอนไม่มีเครื่องมือทันสมัยใดๆด มาลบล้างกฎธรรมชาติดังกล่าวนี้เลยเพราะมันคือฝนบุญไฟบาตครับถ้าใครไม่เชื่อจะลองท้าทายกฎแห่งกรรมดูก็ได้ครับมาพูดถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ทารุณสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตยังคนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ แล้วก็มองดูสัตว์อย่างอื่นว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็ดไก่ปูปลากบเขียดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเมื่ออยู่ดีกินดีบางคนก็อาจจะมองข้ามสัตว์ชั้นต่ำเหล่านี้ว่าเขาเกิดมาเพื่อประดับโลกเท่านั้นไม่มีความสำคัญเท่าไหร่สู้ความสำคัญของมนุษย์หรือความสำคัญของตนเองและครอบครัวไม่ได้ก็ใช้ชีวิตของเขาเหล่านั้นมาประดับบา ร, รมีหรือล่ามาเพื่อเป็นเกมกีฬา ที่ว่าเอามาประดับบา ร, รมีก็คือเขาอยู่ป่าอยู่ดงตามธรรมชาติของเขาอยู่ดีๆก็ไปจับมาใส่กรงขังเอาไว้เพื่อเอาไว้ดูประดับบ้านหรือว่าเก็บไว้เพื่อจะอวดอ้างคนอื่นว่าตัวเองนี่แน่สัตว์ป่าเหล่านั้นบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากเมืองไทยแล้วบางชนิดก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาเขามาใส่กรงขังสัตว์น่ะนกป่า น, านานาชนิดลิงข้างเก้งควางหมี แม้กระทั่งเสือที่ได้ชื่อว่าเจ้าป่าก็ไม่เว้นจะโดนเขาจับมาขังกรงนะท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเขาอยู่ของเขาอย่างมีความสุขตามธรรมชาตินะถ้าไปอยู่ในป่านเนี่ยเสียงร้องของไก่ป่าเสียงลิงเสียงชนีอนะปรากฏว่างเงียบหายไปเสียงร้องเหล่านั้นกลับหายไปมาร้องอยู่ตามบ้านตามเมืองแทน แต่เสียงที่ร้องก็เปลี่ยนไปเหมือนกับร้องไห้โหวยหวนที่จะกลับไปหาลูกเมียพวกเขาที่รออยู่ในป่าหรือว่าอาจจะร้องด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาที่ถูกจับมาขังก็เป็นไปได้ลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นเราเดินอยู่ถนนดีๆเดินอยู่กลางตลาดถูกเขาจับไปใส่กรงขังเนี่ยเราจะต้องทุกขเวทนาต้องทนคิดถึงบ้านคิดถึงลูกเมียขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้น สงสารมันเถอะรีบนําพวกเขาไปปล่อยถิ่นที่อยู่ของเขาเถอะครับยังไม่สายเกินไปหรอกทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องลุงน้อยลุงน้อยเนี่ยเป็นคนนครพนมโดยกําเนิดเลยแกมีอาชีพทํานาเสร็จนาแล้วแกก็รับจ้างทั่วไปรับจ้างแบกหามก่อสร้างบ้านตลอดกระทั่งเลื่อยไม้สร้างบ้านอาชีพชาวนากับการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นของคู่กันมา พอฝนลงชาวนาก็จับกบจับเขียดนะมันผสมพันธ์พอน้ํามากชาวนาก็จะถือแห่ถืออ้วนถือสวิงพากันไปจับปลาเอามาเป็นอาหารเหลือก็ทําเป็นปลาราปลาแดกตามประสาชาวบ้านวันศีลวันพระก็พากันไปวัดทําบุญทําทานกันเป็นที่อิ่มเอิบร่าเรืองยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามๆกัน ที่เขาหาปูหาปลามาได้ก็พอแต่ประทังไปวันๆไม่มีใครคิดจะทำรู้ว่าฆ่าเป็นอาชีพหรอกพอกลางวันก็ก้มหน้าก้มตาทําไปพอถึงกลางคืนก็ออกหาจับกบจับเขียดอ่าทีนี้ก็เพียสิหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายเลยทีเดียวลุงน้อยก็เหมือนกับคนอื่นปีนั้นลุงน้อยก็ได้นางสีเนี่ยเป็นเมีย พอได้เมียลุงน้อยก็ยิ่งขยันมากขึ้นอีกเท่าตัวปีนั้นหลังจากเสร็จจากการทํานาแล้วลุงน้อยก็ไปรับจ้างเขาเรื่อยไม้เพื่อจะเอามาสร้างบ้านให้กับอ่นางชื่อนางลันที่อยู่บ้านอยู่ติดกันเลื่อยไม้เนะี่ยจะต้องไปเรื่อยที่ภูเขาภูพนันถึงจะได้ไม้สวยถือไม้ตะเคียนทองหรือว่าไม้แดงการไปเลื่อยในป่านี่กว่าจะเสร็จก็ต้องกินเวลาสิบวัน ถึงสิห้าวันต้องเอาเข้าวสารอาหารแห้งขึ้นไปนอนไปกินอยู่ที่นั่นด้วยที่หลับที่นอนก็ไปหานอนเอาข้างหน้าจะ น, นอนตามถ้ำหรือว่าหลืบหินก็แล้วแต่สะดวกวันเดินทางขึ้นภูเ ข, ขาลุงน้อยกับเพื่อนก็หาบเอาสัมภาระผ่านท้ายหมู่บ้านเสร็จแล้วหูหลุงน้อยก็ได้ยินเสียงจีบจิบจิบของลูกนกลุงน้อยก็มองหาที่มาของเสียงก็พอดีเห็นโคนไม้หรือว่าโพรงไม้ที่อยู่สูงมากโดยความอยากจะได้ลูกนกลุงน้อยแกก็ปีนไปขึ้นไปเอา ก็ไปเจอลูกนกอยู่สี่ตัวเป็นลูกนกเข้าแมวลูกนกสี่ตัวมันกําลังหิวก็ร้องจีบจีอยู่ตลอดเวลาลุงน้อยก็คิดว่าจะทํำยังไงกับลูกนกดีถึงจะเอากลับไปบ้านได้เพราะว่าถ้าเอาไปด้วยตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะเอาไปทําอาหารกินเป็นแน่เพราะว่าลูกนกขนาดนี้เอาไปย่างกินอร่อยแต่ถ้าปล่อยไว้กว่าจะเลื่อยไม้เสร็จแล้วค่อยกลับมาเอาลูกนกมันก็จะโตพอที่จะหัดบินแล้วก็บินหนีไปซะก่อนคิดอยู่ตั้งนาน ลุงน้อยก็คิดได้ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้นกบินไปไหนได้เอาหนามทิ่มลูกตามันให้บอดทั้งสี่ตัวนั่นแหละพอตามันบอดแล้วมันจะบินหนีไปไหนได้มันก็ต้องอยู่แต่ในรังเพื่อจะรออาหารจากแม่มันตลอดไปหัวแกไวเท่าความคิดเนี่ยมือก็ไวลูกน้อยไปอ่าแกไปเอาหนามแหลมๆมาทิ่มลูกตาลูกนกข้าแมวทั้งสตัวนั่นสิ เวรกรรมเรือเกิดลูกนกที่นาสงสารต้องตาบอดตั้งแต่เกิดใหม่ไม่ทั้งที่มันไม่ได้เคยไปทําอะไรให้ใครเลยอลุงน้อยซึ่งไม่คํานึงถึงบาปบุญกุลบุญกระยิ้มยิ้มย่องในความฉลาดของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองได้ทําบาปอย่างมาหันต์เข้าแล้วจากนั้นแกกับเพื่อนก็ไปทํางานเลื่อยไม้โดยทิ้งให้ลูกนกขมิ้นสี่ตัวนั้นต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัส ต, ต่อไปเวลาผ่านไปแล้วประมาณสิบวันลุงน้อยกับเพื่อนก็เลื่อยไม้เสร็จ พอกลับบ้านลุงน้อยก็ไม่ลืมที่จะขึ้นไปดูลูกนกข้าวแมวที่ตัวเองเอาหนามทิ่มลูกตาไว้พอขึ้นไปดูก็เห็นลูกนกก็ยังอยู่หน้าสงสารครบทั้งสี่ตัวถ้าตาไม่บอดทั้งสี่ตัวแล้วพวกมันก็คงจะบินไปหาอาหารได้เองแต่เนื่องจากถูกมนุษย์ใจร้ายใช้หนาทิ่มแทงทําให้ต้องทนอยู่ในโลกมืดปากก็ร้องจีบจีบเพื่อจะเร่งให้แม่ไปเอาอาหารมาป้อนลุงน้อยเห็นอย่างนั้นก็กลับดีใจที่ลูกนกไม่ไม่สามารถจะบินออกจากนอกรังได้ ในใจลุงน้อยไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยแกกลับคิดว่านี่ถ้าหากว่านำลูกนกพวกนี้กลับถึงบ้านก็จะต้องเอาไปย่างไฟก็หอมอร่อยเสร็จแล้วก็ลุงน้อยก็นำลูกนกไปย่างกินจริงๆหลายเดือนต่อมาลุงน้อยก็จะลืมเหตุการณ์เหล่านี้เสียสนิทแต่ผลจากการกระทำของแกหรือว่ากรรมของแกนั้นมันย่อมตามตัวล่ะครับกรรมมุนาวัตติโลโกโสัตโลกย่อมเป็นไ ป, ปตามกรรม วันหนึ่งแกแสนจะดีใจเมื่อเมียของแกคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแกคิดว่าลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการทํางานเวลาแก่เท่าแต่ว่าลุงน้อยต้องผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลูกชายตัวน้อยตาบอดตั้งแต่เกิดจะถึงจะตาบอดยังไงแกก็เลี้ยงของแกแล้วก็รักของแกหลายปีผ่านไปแกก็มีลูกชายถึงสี่คนแต่ว่าทุกครั้งเมื่อมองเห็นลูกชายของแกนั่งรออยู่ที่บ้านทั้งสี่คนทุกคนตาบอดสนิท มันทำให้แกคิดได้ว่าเคยทำอะไรไว้แล้วลูกนกที่แกทิ่มตาบอดนั้นก็นั่งรอคอยอาหารจากแม่ของมันเหมือนกับลูกชายของแกนั่งรอแกอยู่ทุกวันนี้นะแกก็คิดเลยไปอีกว่าหรือว่าไอ้ลูกนกทั้งสี่ตัวนั่นมั้งที่มันเกิดมาเป็นลูกกูให้กูต้องรับเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้มันคงจะเป็นบาปกรรมของแกแน่ๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามแกก็ต้องก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกทุกคนไปตลอด และพยายามทำกรรมดีไว้ตลอดเพราะว่าลุงน้อยแกเชื่อแล้วครับว่าบาปกรรมนั้นมีจริงๆสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระมหากรสปะตอนที่บวชอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมจนได้ฌานสี่ น, นะต่อมาวันหนึ่งก็มีธุระจะไปบ้านลุงกลับไปบ้านลุงไปเจอผู้หญิงเกิดนึกรผู้หญิงคนนั้น ก็เลยศึกออกไปเป็นคาราวาสแต่หลังจากศึกแล้วก็มีนิสัยเกียดคร้านไม่ยอมทำมาหากินอะไรก็เลยถูกไล่ออกจากบ้านต้องเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยการโจรกรรมลักเขมั่งขโมยเขมั่งปล้นเขมั่งถูกจับได้ในที่สุดในวันที่ถูกนาตัวไปยังแดนประหาร น, นั่นพระมหากัะสปะซึ่งเคยเป็นพระอุปชาไปเจอเข้าพอดี ก็เลยขอให้ผู้คุมผ่อนเครื่องจองจำแล้วก็กล่าวกับนักโทษประหารซึ่งเป็นลูกศิษย์ว่าเธอจงระลึกนึกถึงพระกรรมฐานที่เธอเคยปฏิบัติมาในอดีตก็ได้สติพิจารณากรรมฐานจนได้บรรลุฌานสี่เหมือนที่เคยเรียนมาที่นี้พอได้ฌานสี่แล้วหอกดาบแหลนเหลาที่ผู้คุมเขาเอามาใช้ในการประหารใช้ไม่ได้เลย ปรากฏว่าหนังเหนียวเหลือเกินฆ่าไม่สําเร็จพระราชาทรงทราบเรื่องแล้วก็สืบสาวราวเรื่องดูก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของมหากระสปะก็รับสั่งให้ปล่อยตัวเขาพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจากการกราบทูลของพระราชาก็เลยถอดกายทิพย์ไปปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาแล้วก็ตรัสสอนว่าอ่าโยนิ พ, พันโธวนาทิมุตโต คนที่ไม่มีอิเลตแล้วตันหาแล้วก็ยังวิ่งเข้าไปหาตันหาเหมือนกับคนที่ออกจากป่าได้แล้วพ้นจากป่าแล้วยังวิ่งเข้าไปในป่าอีกนะบุคคลก็เหมือนกันพ้นจากเครื่องจองจําไปแล้วก็ยังวิ่งเข้าสู่เครื่องจองจําอุตส่าห์ไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ยังอุตส่าห์วิ่งกลับมาหาผู้หญิง จนกระทั่งในที่สุดก็มาเข้าเครื่องประหารยนได้นั่นก็เป็นเรื่องของพระธรรมบทที่เราคุยกันช่วงเช้า ว, วันนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องนึงที่จะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องสมบัติพระสถานกับพี่กับน้องนี่นะข่าวก็ลงให้เห็นอ ย, อยู่เสมอว่าไอ้ปัญหาเรื่องสมบัติเนี่ยไม่ว่าพี่ว่าน้องละ่ะลองถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเดือดร้อนลุงพรกับป้าเพียน สองผัวเมียี่อยู่กันมานานแล้วช่วยกันทำมาหากินขยันลุงพรอนแกรับเหมาก่อสร้างก็เรียกว่าเป็นผู้มีอันจะกินคนนึงในละแวกฝั่งทนป้าเพียนแกก็คอยช่วยเหลือดูแลกิจการทุกอย่างเท่าที่สามารถจะช่วยได้อย่างไม่เห็นแก่เน็ดแกเหนื่อยเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการแลกระยะเงื่อแรงกายของทั้งสองผัวเมียหลังจากที่ จับจ่ายใช้สอยภายในบ้านแล้วก็จะเอามาเก็บลําลเลียงเข้าธนาคารจนได้จำนวนมากพอที่จะซื้อที่ดินสักแปลงแกก็ถอนเงินออกมาเพื่อจะซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ทั้งนี้ไม่ใช่ต้องการจะสะสมที่ดินเพื่อจะเสริมความเป็นเศรษฐีหรือว่าทำให้มองดูร่ำรวยเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าไอ้ที่แกทำเนี่ยก็เพราะว่าลูกชายแกสองคน ซึ่งสืบสายโลหิตอายุมันก็เกือบจะยี่สิบแกก็เป็นห่วงลูกว่ามันโตไปนหนุ่มแล้วจะให้มันสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องตราตรำทำงานหนักเหมือนกับแกทั้งสองเมื่อครั้งอดีตลูกชายคนโตนี่ชื่อในพลในพลนี่แ ก, กว่าในพันซึ่งเป็นน้องชายเกือบห้าปี ถึงแม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาแต่ว่าอุปนิสัยของคนทั้งสองนี่แตกต่างกันยังไม่ใช่พี่น้องในพลซึ่งเป็นพี่เนี่ยเป็นคนสุขุมเยือกเย็นใจบุญสุนทานไม่มักใหญ่ายสูงต้องการเพียงแค่ได้เจริญรอยตามพ่อสืบสารสิ่งที่พ่อแม่บรรจงสร้างเอาไว้ให้ก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เรียนสูงกลับออกมาศึกษางานทางด้านรับเหมาก่อสร้างมาเรียนรู้งานทางด้านนี้กับพ่อเป็นการแบ่งเบาวภาระของพ่อไปได้อีกทางนึง สำหรับในพันนี่อาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็น้องคนเดียวที่ทําให้ในพันนี่ถูกตามใจตั้งแต่เล็กจนโตนิสัยเอาแต่ใจตัวอยากได้อะไรต้องได้อย่างนั้นมีความทะเยอทเยอทะยานสูงถือตัวว่าเป็นลูกคนมีเงินไม่ยอมเห็นหัวใครมักจะคบหาสมาคมแต่กับเพื่อนที่มีการศึกษาและมีชาติตระกูลมีสตังค์เท่านั้นแต่ว่าโชคก็ยังเป็นของเขาอยู่ที่เพื่อนๆยังชักนํากันไปในทางที่ดี ในพันนี้ก็มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งในหลายปีต่อมาเขาเลือกเรียนกฎมหมายเพราะว่าไฝฝันเหลือเกินที่จะเป็นทนายความและด้วยความพยายามไอ้สิ่งที่เคยฝ้าใฝฝันก็เป็นจริงขึ้นมาเมื่อเขาเรียนจบสวมชุดคุยรับพระราชทานปริญญาบัตรนิติศาสตร์บัณฑิตลุงพรป้าเพียรแล้วก็ในพนพี่ชายเนี่ยทุกคนต่างก็ปราบรื้มใจเป็นอย่างมากกับความสําเร็จของในพันในครั้งนี้ ในพลซึ่งเป็นพี่นี่ภูมิใจมากเลยในงานวันรับปริญญาพลก็จะวนเวียนขอถ่ายรูปเคียงคู่กับบัณฑิตใหม่น้องชายเขาโดยที่เขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าชีวิตทั้งชีวิตของเขาจะต้องพินาศลงเพราะความสาเร็จของน้องรักของเขาคนนี้ในเวลาต่อมาจากวันนั้นเหตุการณ์ล่วงเลยไปอีกสิบสองปีหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลุงผ่อนผู้เป็นพ่อก็เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้าน เมื่อสามปีที่แล้วป้าเพียรก็เริ่มเจ็บออดอดแอดแอดตามประสาคนแก่ซึ่งเปรียบประดุดไม้ใกล้ฟังตอนนั้นแกอายุได้หกสิบเสร็จในพนผู้พี่ก็แต่งงานกับอนอาผู้หญิงคนนี้ชื่ออ่อนก็เป็นผู้หญิงละแวกบ้านแหละจนกระทั่งได้ลูกสาวคนหนึ่งอายุได้สี่ขวบจะห้าขวบอีกไม่กี่เดือนเนี่ยส่วนในพันน้องชายหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว ก็ประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมาโดยเป็นทนายความอยู่ประจำสำนังกงานทนายความแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในพันนี้จะโชคดีประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานสมความคาดหมายชีวิตเฟื่องฟูขึ้นดำนาดับถ้าหากว่าเขาไม่มัวเมาอยู่กับการพนันการพนันนี่มันซึมซาบเข้าไปในจิตใจแกทุกขณะรายได้ที่ไดจากการทางานก็ถูกเทเข้าบ่อนอ่า แบบชนิดที่ว่าไปแล้วน้อยครั้งที่จะหวนกลับในพันที่ถลำลึกลงไปซะแล้วไม่อาจจะหักใจจากขนทางสู่ความหายานะได้แม้กระทั่งแม่ผู้ให้กําเนิดก็ยังไม่อาจจะทัดทานได้หลายครั้งหลายคราวที่ในพันหมดตัวไปเพราะการพนันในพันก็มักจะไปหาพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือทางด้านเงินด้านทองในพลเองถึงแม้จะเอื้อมระอากับความประพฤติของน้องแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือได้สักครั้ง ก็เขาจะทําได้ยังไงในเมื่อคนที่บากหน้ามาขอความช่วยเหลือนี่เป็นน้องชายแท้ๆเป็นน้องคนเดียวในชีวิตที่เขาสามารถจะมีได้เป็นคนที่เขาเห็นมาตั้งแต่เกิดเลี้ยงดูอุ้มชูทั้งกินทั้งนอนเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะนิ่งดูดายทนเห็นความเดือดร้อนของน้องร่วมสายโลหิตได้ยังไงปากก็พร่ำสอนตักเตือนแล้วตบท้ายโดยการให้อันเป็นวิสัยของผู้เป็นพี่ แต่ว่าแทนที่พันจะสํานึกกลับทำให้เขาย่ามใจไว้ยังไงเสียพี่ชายเขาก็จะต้องเคลือกูลเขาได้ตลอดอีกทั้งออนพี่สะพก็ไม่เคยแสดงความรังเกยียดรังอ่อนแต่ประการใดแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ากิจการทางด้านรับเหมาก่อสร้างของพลเวลานั้นกําลังประสบภาวะย่ําแย่จนตัวพลเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วสิ่งที่พลยังอุ่นใจอยู่ก็คือที่ดินอีกหลายแปลง ซึ่งพ่อกับแม่แบ่งให้เขากับพันน้องชายคนละครึ่งยังเป็นหลักทรัพย์ที่สูงค่าพอที่จะนำมากอบกู้สถานการณ์ให้ดีขึ้นโดยไม่ยากนะักเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นธนายอยู่พลก็ตัดสินใจเอาที่จำนวนสามแปลงประมาณหกไร่ในจำนวนทั้งหมดเนี่ยห้าแปลงที่ได้รับมรดกนี่เข้าจำนองกับธนาคารแต่พล น, นี่ไม่รู้จักใครที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เขาได้ดีที่สุดนอกจากน้องชาย ผลก็มอบหลักฐานทุกอย่างตามที่นายพันบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ให้พันไปเพื่อประกอบการยื่นจำนองที่ดินเพื่อเอาเงินมาสะสางปัญหาต่างๆในกิจการก่อสร้างของเขาพันน้องชายนี่หายไปหลายวันพร้อมกับหลักฐานสำคัญของพี่ชายทุกชิน้นแม้แต่โฉนดที่ดินผืนที่พลปลูกบ้านอยู่ในขณะนั้นแล้วก็พันก็กลับมาโดยมีปึงเอกสารหลายฉบับ มาให้พลพี่ชายเซ็นรับรู้แล้วก็ยินยอมพลก็เซ็นชื่อในทุกๆจุดที่พันทำเครื่องหมายไว้โดยที่ไม่ได้ตะกิตตะขวงใจไม่ได้อ่านข้อความตามที่ได้ระบุมาแม้แต่ประโยคเดียวด้วยความไว้วางใจในพันหายหน้าหายตาไปหลังจากที่นาเอกสารมาให้พลเซ็นแล้วเอากลับไปในขณะที่พลตั้งหน้าตั้งตารอเงินที่คิดว่าจะได้จากการจำนองที่แต่ว่าการรอคอยของเขา กลับพลิกผันมันไม่ใช่เป็นการรอเงินที่หวังว่าน้องชายจะนำมาให้แต่กลับกลายเป็นการรอเจ้าของที่ดินคนใหม่ที่มาพร้อมกับหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของที่ดินของเขาทุกแปลงรวมทั้งผืนที่เขาปลูกบ้านให้ลูกให้เมียและแม่ได้อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายน้ำตาของลูกผู้ชายก็ไหลรินคนแทบไม่เชื่อว่าพันน้องชายนี่จะทากับเขาได้แค่นั้นลาพังหักเป็นเขาคนเดียวคงไม่เท่าไร ยังพอเอาตัวรอดได้แต่นี่ทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกแล้วต่อจากนี้จะมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงในเมื่อตอนนี้หมดทุกอย่างในพันจะไม่นึกถึงแม่นึกถึงพี่ถึงหลานสักนิดเหรือนะผลพี่ชายก็กรุ้นคิดอยู่ในใจอยากชีวิตความเป็นอยู่อย่างผู้มีอันจะกินย่อยยับรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ติดผลต้องพาครอบครัวไปอาศัยอยู่บ้านญาติข้างแม่คนหนึ่งซึ่งเป็นคาแนะนาของป้าเพียน ซึ่งเป็นแม่ใช้ชีวิตอยู่ยไปวันๆเพราะมันยากเหลือเกินที่จะกออ่อกู่ฐานะให้เหมือนตังแต่ก่อนมาพันยังคงเยี่ยมหายไปแต่ว่าพลพี่ชายก็มั่นใจว่าสักวันหนึ่งพันจะต้องกลับมาไม่ว่าจะช้าหรือเร็วหกเดือนต่อมาพลก็ได้รับข่าวจากทางการบอกว่าพันได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกยิงเนื่องจากเสียพนันแล้วเบี้ยวไม่ยอมจ่ายให้เจ้ามือ ตำรวจจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นมือปืนรายนี้ไม่ได้ทันทีที่ได้รู้ข่าวทุกคนก็ตกใจและเป็นห่วงโดยเฉพาะป้าพปเพียนอาการแกจะย่ำแย่มากกว่าใครแกเป็นลมล้มพับอยู่หลายระรอกเพราะยังไงเสียพันก็ยังเป็นลูกแกแม้ว่าจะดีจะเลวยังไงไม่มีวันที่แม่จะตัดลูกจากอกได้ป้าเพียนก็รบร้าให้พลพาแกไปหาเจ้าพันในด่วนที่สุดโดยไม่แคร์ต่อสังขารตัวเองเลย อาการของนายพันนี่หนักกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้เพราะว่ากระสุนปืนเจาะผ่านประสาท ส, ส่วนกลางที่บริเวณสันหลังถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกตัวแต่ก็ไม่สามารถจะกระดุกกระดิกได้จนกระทั่งพ้นขีดอันตรายหมอถึงอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ว่ากลับไปในสภาพของคนเป็นอัมพาตกมกำลังตามสนองนายพันอย่างรวดเร็วเขาต้องกลับมานอนรอความตายอยู่ที่บ้าน ทรัพยินส่วนที่เป็นของเขาไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เคยได้อาศัยตั้งแต่เมื่อครั้งยังเด็กกับที่ดินอีกหลายแปลงถูกในพันธุ์ผาญจนหมดหมดไปตั้งแต่ก่อนหน้าที่เขาจะทรยศผู้เป็นพี่ซะอีกความทุกข์ทรมานกระนำถาโถมสู่ในพันธุ์อย่างหนักเขาไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้สักอย่างแม้กระทั่งหยิบอาหารใส่ปากหรือว่าขับถ่ายอวัยวะทุกส่วนแทบจะกระดิกกระเดียไม่ไหว ป้าเพียรผู้เป็นแม่ก็รับภาระเป็นผู้ปรนิบัติดูแลประครับประคองลูกของแกไม่ต่างจากสมัยเมื่อลูกยังเป็นทารกแบเบาตอนแรกเกิดนั่นแหละอาการในพันในหนักขึ้นทุกวันปากก็บิดเบี้ยวเยเกยผิดรูปไอความหมักหมมของเหงือกใครความอับชื้นส่งผลให้บริเวณแผ่นหลังของในพันในกเกิดเป็นแผลแล้วก็เน่าไปในที่สุดหลังจากที่ต้องนอนอยู่กับที่มาเป็นเวลาเกือบสองปี โดยไม่มีใครสามารถจะช่วยได้นอกจากความตายเท่านั้นที่จะทำให้เขายุติความทรมานให้หมดสิ้นไปที่นี้เหมือนกับพญามัจจุราชนี่ต้องการจะแกล้งเขาให้สะสมสม ก, กรรมที่เขาเคยก่อขึ้นก็เลยยังไม่ให้ตายไปทัทีเดียวต้องการให้มันทรมานอย่างที่สุดแล้วเย็นวันนั้นในพลพี่ชายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ ก็เห็นน้องชายทำท่ามันก็ต้องการจะพูดอะไรกับเขาสักอย่างพนก็เลยกระเถิบเข้าไปหาน้องชายเอียงหูเข้าไปใกล้ๆจะรับฟังสิ่งที่พันอยากจะพูดพนก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองจากสิ่งที่นายพันน้องชายพูดว่านายพันเนี่ยอยากจะกินดินเขาขอร้องให้พี่ชายหาดินให้เขากินสะกก้อนโดยเฉพาะดินจากที่ของพี่ชาย ที่เขาเคยหลอกเอาไปขายพลก็คิดว่าน้องชายคงจะเพอ้อก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่กับเมียฟังจากวันนั้นทุกคนในบ้านก็ได้ยินเสียงโอดครวนขอกินดินจากนายพันทุกเมื่อเชื่อวันเป็นเวลาหลายเดือนข่าวการขอกินดินของนายพันกระจายไปทั่วละแวกบ้านหลายคนที่เคยรู้จักและรู้เรื่องครอบครัวนี้ต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่า เป็นเพราะผลกรรมที่พันเคยก่อขึ้นกับครอบครัวของพลตามสนองอย่างรวดเร็วพันก็เลยต้องทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้และคนเดียวที่จะช่วยให้พันหลุดพ้นได้ก็คือพลพี่ชายคนเดียวเท่านั้นพลก็เลยตัดสินใจทำตามที่พันขอร้องในตอนเชา้าก็เดินก็ไปขอดินซึ่งในอดีตเคยเป็นของเขาแต่ว่าตอนนี้ต้องไปขอเจ้าของคนใหม่เขาแล้วพลก็กรำดินจากที่ผืนนั้นแล้วก็มุ่งตรงกลับมาบ้าน มองดูสภาพน้องชายแล้วนึกสังเวชในพันก็ยังคงข้ามครวนขอดินกินเขาก็นั่งล ง, งข้างๆน้องชายแล้วก็ปั้นดินก้อนเล็กๆส่งเข้าปากจนกระทั่งพ้นคำที่ห้าร่างของนายพันก็กระตุกพื้ก่อนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะขาดลงนในพลก็ได้แต่อโหสิกรรมให้น้องก็ขอให้หลับให้สงบเถอะร่างนั้นไร้วิญญาณ เวรกรรมมันมีจริงท่านผู้ฟังสมบัติพรสถานเนี่ยทำไมดูแลมันให้ดีมันเป็นเครื่องบาดหมางระหว่างพี่น้องญาติน่ะของสิ่งนี้มันเป็นของที่มีอาถรรพ์ครับใช้ในทางดีมันก็ดีแต่ถ้าหากว่าใช้ในทางไม่ดีมันก็จะบาดมือตัวเองเหมือนอย่างสมบัติของบ้านนี้ครับสักครู่ครับ นับเนื่องกันมาเป็นเวลาเกือบสี่สิบปีแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครที่นั่นเป็นเขตติดต่อกับอำเภอบึงการจังหวัดนองคายยังเป็นป่าแล้วก็อยู่ไกลความเจริญถนนห น, นทางก็ไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวนันนี้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถอะไรไม่เคยผ่านก็ไปในหมู่บ้านนี้พูดง่ายๆว่าคนเฒ่าคนแก่หรือหนุ่มสาวสมัยนั้นยังไม่เคยเห็นรถยนต์ จะเห็นก็แต่เกวียนเทียมวัวซึ่งมีกันอยู่แทบทุกหลังคาเรือนเกวียนนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการติดต่อหรือว่าเดินทางระยะไกลเป็นฐานะสําหรับบรรทุกสัมภาระได้มากกว่าอย่างอื่นสัตว์ป่าก็มีเยอะทั้งเก้งกวางนกกระต่ายป่าเสืออาหารของคนในหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นอาหารป่าอาชีพหลักของคนที่นั่นก็ทํานาทําไร่ไปตามมีตามเกิดเสื้อผ้าก็ทอทําเองจากดอกไฟที่ปลูกเอง ป่าไมา้ยังคงเป็นป่าที่หนาทึบแล้วก็คงสภาพเป็นป่าดงดิบหมู่บ้านที่ว่านี้ก็หลากหลายไปด้วยอาหารป่าแล้วก็อันตรายรอบข้างบางคื น, นีเสือจะเข้าไปในหมู่บ้านจับเอาหมาไปกินเป็นอาหารหรือไม่ก็กัดวัวกัดควายลากเข้าไปกินในป่าซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านนะักข่าวเสือกินควายกินบัวก็มีอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นธรรมดาของหมู่บ้านนี้ อคอกวายอคอกวัวก็เลยต้องทําไว้สูงกันเสือกันหมาป่าในหมู่บ้านเนี้มีลุงปุ่นลุงปุ่นเนี่ยเป็นคนชอบล่านกแล้วก็สัตว์ป่าเอามาแลกข้าวแล้วก็เป็นอาชีพหลักทั้งเป็นอาชีพที่แกมีความชานาญมากที่สุดยิงปืนก็แม่นยังกระจับวางสมัยนั้นจะมีปืนแก๊ปหรือว่าปืนฆ่าศิลาภาษาอีสานเขาเรียกปืนเพลิง เป็นปืนที่สามารถล้มช้างได้เนื่องจากใส่ลูกโดดลูกเดียวเท่าหัวแม่มือนะลูกปืนก็ทําด้วยตะกัว่วมาหลอมหรือว่าตีให้เป็นลูกกลมๆที่ลุงปุ่นได้สัตว์มาแลกข้าวทุกเช้านั้นก็เห็นจะเป็นพวกนกเป้าหรือว่านกอีฮูนะนกอีฮูนี่นะนกชนิดนี้ปัจจุบันกําลังจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเนื้อมันอร่อยอย่างนกเขานกเป้าที่ว่าเนี่ยลุงปุ่นจะจับมันเฉพาะหน้าแรงเพราะว่านกเป้าเนี่ยตอนเช้ามันจะลงมากินเอื้อย คือดินโป่งแถวแถวห้วยบอ่อแดงที่จริงห้วยบอ่อแดงเนี่ยเป็นหนองน้ําในหน้าฝนพอหน้าแรงห้วยบอ่อแดงก็จะแห้งดินก็จะเค็มเหมือนเกลือที่จริงมันเป็นบ่อกเกลือก็คือเกลือสินเทาเนี่ยนกเป้าเวลาบินไปไหนมันจะไปกันเป็นฝูงใหญ่เป็นร้อย ร, อ ย, รอยตัวที่หนองบอ่อแดงหน้าแรงในตอนเชา้าก็มองดูเหมือนจะมีผืนพรมสีเทาผืนใหญ่คลุมผิวน้ำในหนองทั้งหมด วิธีจับนกเป้าของลุงปุ่นก็คือแกจะเอาตะข่ายผืนใหญ่ไปดักก่อนที่นกจะมากินดินโป่งตอนเช้ามืดแต่วิธีการจะทําแบบไหนยังไงอ่ารายละเอียดเป็นยังไงก็ไม่รู้ละ่ะคุณวิชัยเนี่ยที่เล่าเรื่องเนี่ยเคยขอไปกับแกเหมือนกันแต่แกไม่ยอมให้ไปด้วยรู้แต่ว่าแกไปดักนกเป้าที่หนองบัวแดงพอสายๆหน่อยแกก็จะนํานกเป้าเข้าไปแลกข้าวหรือไม่ก็ขายเพียงตัวหนึ่งห้าสบตังค์เท่านั้นแหละ ทุกครั้งแกจะได้นกเป้าครั้งละจำนวนเกือบห้าสิบกสิบตัวทุกตัวก็ล้วนแต่สวยๆเท่านั้นนะแล้วมันยังไม่ตายเข้าเปลือกยุคนั้นก็ถังละประมาณสามบาทนะอืมอย่าเรียกว่าเป็นถังเลครับคิดเป็นกระบุงเลยดีกว่าเพราะไม่ต้องชั่าง่ะเพียงเอากระบุงตักให้เต็มก็เอานั่นแหละลุงปุ่นก็ทําอาชีพจับนกยิงนกขายมาเป็นเวลานับสิบสิบปีจนมีชื่อเสียงในการจับนกของแกนอกจากนกเป้าแล้วแกยังมีวิธีการต่อนกเขาหรือว่านกคุ้มมีตาหาก คือแม้แต่เหี่ยวที่บินอยู่บนฟ้าก็ยังสามารถจับมันได้โดยใช้กลบล่ออ่ใช้กลบล่อให้มันลงมาจับกบแล้วก็ดักจับด้วยตาข่ายลุงปุ่นมีลูกชายลูกสาวอยู่สามคนลูกชายคนหนึ่งชื่อไอศารดูมันว่าไอสาเนี่ได้สายเลือดสืบต่อจากพ่อในการจับนกขายเป็นอาชีพเลยเพราะว่าลุงปุ่นเนี่ยสอนวิธีการจับนกให้ทุกอย่างครั้นต่อมาเวลาล่วงเลยมานานลุงปุ่นอายุมากขึ้นเดินเหินก็แทบไม่ไหวปวดโน่นเจ็บนี่อยู่ตลอดเวลา ก็มีลูกๆเป็นคนคอยเหยียบคอยนวดให้กับพอทุเราจะหาหมออย่างทุกวันนี้ไม่มีอย่างมากก็หมอกลางบ้านเนี่ยเอารากไม้มาฝนเป็นยากินแล้วก็ทาที่แรกก็ปวดเมื่อยต่อไปเป็นล้มป่วยคราวนี้อาการลุงปุ่นแปลกกว่าคนไข้ทั่วไปคืออาการของแก จ, จะเหมือนกับนกที่โดนตาข่ายคือหาทางหนีอย่างทุรนทุรายแล้วก็อ้วกออกมาอันเป็นอาการอย่างหนึ่งของนกเป้ามาโดนจับได้ ตามที่คนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนกเป้าเป็นนกที่ไม่เคยรบกวนมนุษย์เลยแม้แต่น้อยอาหารของมันก็เป็นพวกผลไม้ป่าแล้วก็ดินเค็มที่มันกินดินเค็มหรือว่าโป่งก็เพื่อเป็นยาเขาว่าอย่างนั้นเมื่อเราจับมันมันจะแสดงความบริสุทธิ์ออกมาให้รู้ว่ามันไม่เคยลักกินขโมยกินของใครคืออาเจียนสำรอกอาหารออกมาว่าทําไมจะต้องจับมันไปกินเป็นอาหารนกเป้าทุกตัวจะต้องแสดงอาการอย่างเนี้ยคืออาเจียนสำรอกอาหารออกมา ลุงปุ่นในขณะที่นอนป่วยแกถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ร้องว่าร้อนร้อนตลอดเวลาแล้วก็ถามหาตาไข่ที่แกใช้ดักนกไม่ขาดปากลูกๆ ก, ก็ต้องเอาตาไขา่ดักนกของแกมาห่มให้อาการครวงครางถึงได้เงียบลงชาวบ้านที่มาดูอาการไข้ของลุงปุ่นต่างก็ซบซิกกันต่างๆนานาบ้างก็ว่าลุงปุ่นบ้าบ้างก็ว่าบาปตามทันลุงปุ่นแล้วเพราะว่าอาการที่แสดงออกมานั้นไม่ผิดกับนกที่แกล่ามาขาย ก่อนที่แกจะตายก็ต้องใช้ตะไข่ดักนกเป้าสองผืนมาห่มไม่งั้นแกจะตะโกนเรียกหาม่หยุดเพราะว่าแกร้อนแกว่างั้นตะไข่ก็เลยกลายเป็นพัดลมชั้นดีของแกไปในตัวตอนที่แกจะสิ้นใจคุณวิชัยเองไปนั่งดูอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าแกดิน้นทุรนทุรายอย่างทรมานที่สุดปากก็ตะโกนไม่หยุดจนกระทั่งขาดใจถ้ามาถึงคิดถึงโกดแห่งกรัมว่าลุงปุ่นแกก็ใช้กรัมแล้วในขณะที่แกยังมีชีวิต กรรมของคนบางคนจะตามทันในชาติเดียวไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอย่างเช่นลุงปุ่นเนี่ยเป็นต้นคุณวิชยเห็นการใช้กรรมของลุงปุ่นแล้วก็นึกกลัวจนไม่กล้ากินนกเป้าอีกส่วนไอ้สานซึ่งเป็นลูกชายของลุงปุ่นน่ะบอกว่าบาปไม่มีว่างั้นบอกนกทั้งหลายเกิดมาเป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นการจับนกฆ่านกก็เลยไม่เป็นบาปแล้วมันก็ยังบอกอีกว่าการจับนกมาฆามาขายนี่เป็นการโปรดสัตว์ให้ขึ้นสวรรค์เร็วขึ้นว่าอย่างนั้น สำหรับไอสารนี่แม้ว่าชาตินี้กรรมยังไม่ทวงเพราะมันเพิ่งจะอายุสี่สิกว่าเท่านั้นแต่ว่าชีวิตครอบครัวไอสารไม่มีความสุขความเจริญมิจะจนลงจนลงเรื่อยลูกสาวไอสารแต่ละคนหัวนี่เหมือนกับนกเป้าเลยนิ้วมือนิ้วเท้ายาวเรียวเหมือนกับตีนกทุกวันนี้แม้ว่ามันจะเลิอกอาชีพดักนกแล้ว ท, ที่เลิกก็เนื่องจากไม่มีนกเป้าให้จับมันหันไปประกอบอาชีพหาลูกนกมาขายแล้วก็บาปอันนี้ก็ตามมันทัน ลูกสาวมันโดนเขาหลอกไปขายเข้าซองทั้งสองคนคุณวิชัยเนี่ยเคยพบเอกสารมา่สองปีที่ผ่านมาเคยถามเรื่องราวลูกสาวว่าโดนหลอกเข้าซองขายตัวเท่านั้นยังไม่พอโดนหลอกขายอีกตอนึงไปทางมาเลเซียจนกระทั่งเกิดตั้งท้องไม่มีพ่อกลับบ้านมาหาพ่อแม่มาอยู่ไม่นานก็หนีไปอีกก็ทิ้งลูกไว้เลี้ยงมันพูดได้อยู่คําเดียวก็คือแล้วแต่เว้นแต่กรรมน่ะ คิดรายการที่ตามทันในสารในชาตินี้ก็คือการพรากลูกนกจากอกพ่อแม่ของเขานี่ยแหละเพราะอาชีพของมันจะไปล่าลูกนกขายครับใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเราขอยืนยันว่ากรรมนั้นมีจริงใครก่อกรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะสนองทันตาเหมือนกับไอสารกับลุงปุ่นที่เจอมาแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับนายแดงมีเขาเรียกนายแดงสิบเอ็ด อ่าเหตุที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกมูโจนะพักพวกตั้งฉายาให้มือข้างซ้ายมีหกนิ้วอ่าเพราะฉะนั้นแดงสิบเอ็ดนี่ก็สั ญ, ญลักษณ์ของนิ้วของเขาแล้วก็วันนั้นเป็นวันตัดสินชะตากรรมเสือแดงผู้โด่งดังก็เอามาขึ้นศาลผู้คุมคุมมาทั้งสี่คนอตอนที่มานั่งฟังการพิจารณาคดี ก็ไม่แสดงว่าตื่นกลัวเลยเสียงโหเสียงสาบแช่งจากผู้คนไม่ทำให้เขามีอาการอะไรนั่นนะเสร็จแล้วทุกคนก็ตั้งใจฟังการตัดสินเสือแดงไม่ได้สนใจอะไรนะเมื่อยังเป็นเด็กวัยรุ่นครอบครัวของนายแดงนี่ค่อนข้างยากจนพ่อแม่มีลูกหลายคนแดงเป็นลูกคนโตก็เป็นภาระหนักที่จะช่วยเหลือพ่อแม่หนังสือก็เรียนไม่จบ นะเพื่อนผูงก็ล่อเพราะจนแล้วแถมยังมีนิ้วมือสิบแดนิ้วรับจ้างสารพัด ต, ตอนนั้นก็เป็นคนพิการมีปมด้อยนานวันเขากงหงุดหงิดอารมณ์ร้อนเริ่มไม่เกรงกลัวใครพอมีใครล้อเลียนจะตรงเขาทำร้ายทันทีจนว่าทุกคนไม่กล้านะเสร็จแล้วนั่นแหละเป็นความมั่นใจที่เดินไปในทางผิดนะก็ทำเป็นลูกพี่ใหญ่ให้กับเด็กรุ่นน้องที่ทางานด้วยกัน ถ้าใครมีความเดือดร้อนมีเรื่องมีราวอะไรในแดงจะออกโรงนำหน้าทุกครั้งนะจนใครๆก็ยกย่องตอนนั้นแดงก็เริ่มลำพองตำรวจก็เริ่มหมายหัวจับตาต่อมาแดงก็โดนไล่จากงานงานที่อู่ซ่อมรถเพราะว่ามีเรื่องกันบ่อยทีนี้เขาก็เกจ็บใจก็ย้อนกลับมาตอนดึกมางัดอู่รถเข้าไปหวังจะขโมยทรัพย์สินแต่เจ้าของอู่ตื่นขึ้นมาเจอเข้าขัดขวางต่อสู้แดงกับพักพวกฆ่าเขาเลย มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำร้ายคนจนตายแดงก็ตกใจพวกก็พากันหนีหนีจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดไปกับเพื่อนรุ่นน้องสองคนไม่นานนักกลุ่มของเขาที่เหลือก็ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ซัดทอดในแดงทีนี้เขาก็ต้องหัวสุกหัวสุนอดมือกินมือแดงก็เริ่มคิดถึงพ่อแม่พี่นอ้องตอนนั้นแต่ว่าต้องเดินหน้าต่อแล้ว เมื่ออดอยากแดงก็เริ่มก่อคดีมากขึ้นโดยการจี้ชิงทรัพย์มีพักพวกมากขึ้นจากการคบหานักเลงหัวไม้ต่างถิ่นเมื่อมีพักพวกมากจะจี้ชิงทรัพย์ไม่พอทีนี้ปล้นนี่แดงสิบเอ็ดเริ่มขจรขใจเป็นที่หวาดกลัวพ่อค้าแม่ค้าแถบย่านปราจีนบุรีเป็นอย่างมากไม่เป็นอันทมาหากินไกลต่อสู้ขัดขืนก็ต้องโดนทำร้ายโดนฆ่าในแดงก็กลายเป็นคนเลือดเย็นการฆ่าคนเป็นความชาชินมีอยู่ครั้งหนึ่งแดงเกิดปะทะตํารวจยิงตํารวจตายสองคน ระดับนายตำรวจซะด้วยตัวเขาเองก็บาดเจ็บแดงรอดมาได้แต่ว่าถูกติดตามกดดันอย่างหนักเสือแดงก็ถอยไปสู่ภาคอีสานพวกก็ช่วยเก็บตัวอยู่หลายปีขาดการติดต่อกับครอบครัวไปล้วคนเคยได้เงินด้วยวิธีไหนตัวเองถนัดก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละไม่นานเสือแดงก็เริ่มออกปล้นฆ่าอีกนับหลายรายทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งนายตำรวจมือปราบคอมมานโดไปภาคอีสานจัด ก, การเสือแดงเกิดประทะกันขึ้น เจอเดินอยู่ในเขตชุมชนปะปนกับผู้คนแต่ว่าตำรวจนอกเครื่องแบบจําได้สะกดรอยตามในแดงพร้อมมาสมุนสองคนหนีเข้าไปในร้านค้าอย่างหนึ่งจับเจ้าของร้านเป็นตัวประกันประกาศจะยิงตัวประกันในร้านทั้งหมดโดยยื่นข้อเสนอขอภานะหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เกลียยปลอมเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลพ่อกับแม่เสือแดงถูกตามตัวมาเพื่อช่วยขอร้องลูกชายให้มอบตัวเป็นสิบปีที่เสือแดงไม่ได้ติดต่อเจอเจอพ่อแม่ ร่างกายพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปจากอ้วนท้วนเป็นผ่ายผอมเพราะว่าอายแล้วก็ตรอมใจในการการะทําของลูกตอนนั้นเป็นเวลามืดค่าแล้วเมื่อทั้งสองมาถึงที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังจะพาพ่อแม่เสือแดงเข้าไปเจรจาแต่ว่าเขาจําไม่ได้เห็นตํารวจกําลังจะเดินเข้ามาก็ยิงปืนออกไปหวังคู่เสียงปืนดังขึ้นเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นทันทีเป็นการยิงโต้ตอบกันทั้งสองฝ่าย หน่วยคอมมานโดที่เตรียมพร้อมกบุกเข้าชาร์จช่วยตัวประกันแล้วก็จับกลุ่มเสือแดงได้โดยที่เขาบาดเจ็บแล้วก็ลูกน้องที่เหลือเน่ยตายขณะที่ตำรวจพาเดินออกมาข้างนอกเสือแดงก็ถึงกระสุดเมื่อเห็นร่างที่จมกองเลือดตรงหน้าของเขาก็คือพ่อกับแม่เขานั่นเองอ่าแดงไม่มีเรียวมีแรงเดินนะร้องไห้โฮปกติแล้วแดงเนี่รักพ่อแม่เขามากแดงก็ร้องไห้จนเป็นลมหมดสติหมดสภาพเสือร้ายเลย เสียงผู้พิพากษาก็บอกว่าเนื่องจากจำเลยเป็นบุคคลที่มีใจโหดเยี่ยมฆ่าผู้อื่นโดยใจตรองและตั้งใจและกระทำความผิดผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ลงความเห็นตัดสินให้จำเลยต้องโทษประหารชีวิตตายตกไปตามกันจบคำพิพากษาเสียงชายโยโห่ร้องแสดงความดีใจก็ดังจอแจแต่ว่าเสือแดงก็ยังนั่งนิ่งเฉยเมยยอมรับในบาปของตัวเองโดยสิ้นเชิงไม่มีการอุทธรณ์ดีกาใดใทั้งสิ้น เขาก็อยากจะไปพบพ่อแม่โดยเร็วที่สุดเพื่อจะกราบขอขมาต่อสิ่งที่เขากระทำลงไปทั้งหมดต้องใช้ลูกปืนถึงสองชุดเพื่อประหารเสือแดงนะเพราะว่าชุดแรกนี่ยังไม่ตายทันทีก็เลยต้องยิงอีกชุดหนึ่งเขารู้แล้วว่าไอความเจ็บปวดที่เขาเคยเคยเป็นผู้ให้โดนยิงและก่อนตายทีมันทรมานแค่ไหนครับนั่นก็คือเรื่องชีวิตตัวอย่างที่นําเล่าให้ฟังเช้านี้ครับ สมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อพระกัปปิละท่านเล่าเรียนมาในทางปริยัติธรรมแต่ว่าเรียนแล้วไม่ยอมนำไปปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพระอาศัยความรู้ในทางธรรมนี่สแสวงหาลาบหาบริวารมีความทะนงตัวมากซ้ำยังดูหมิ่นพระรูปอื่นอีกด้วยเมื่อพระกัปปิละมรณภาพลงก็ไปเกิดในอเวจี หลังจากนั้นก็เกิดมาเป็นปลาใหญ่อยู่ในแม่น้ามีสีตัวเหมือนกับทองคำแต่ว่าปากเหม็นเหลือไรที่ปลานี้มีสีตัวเหมือนทองคำก็เพราะว่าเมื่อครั้งเป็นพระกะปิละนี่เป็นผู้เล่าเรียนมากมีบริวารมากอ่าส่วนที่มีปากเหม็นก็เพราะว่าเคยด่าว่าพระภิกษุอื่นไว้มากพระพุทธเจ้าทรงปรารบถึงปลากปิละเนี่ยแล้วก็ได้ตรัสพระคาถาว่า ยาถาปิมูลเลคือว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อตัดแล้วแต่ว่ารากยังอยู่มันก็สามารถจะงอกขึ้นอีกได้ฉันใดเป็นพระแล้วแต่ยังไม่ตัดตัญหาคือความอยากทุกนี้มันก็จะเกิดขึ้นร่ำไปฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงท่านจะไปเกิดกี่พ่กี่ชาติแต่ถ้าท่านตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ขาดท่านก็จะต้องรับเวรรับกรรมเรื่อยไป ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องอ่าบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนมหาบุญช่วยวัดบางพลัดท่านเป็นพระธรรมทูตท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าท่านเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเมื่อท่านบวชพรรษาแรกที่วัดมัชชิมอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตอนที่เป็นพระนี่ท่านอยู่ร่วงกุติกับสามเณรนิน เดินบินตบาดตามหลังอยู่ตลอดความคุ้นเคยก็ทำให้ท่านรักสัมมาเนนินเหมือนกับ น, น้องชายร่วมสายโลหิตทีเดียวบ่ายวันนั้นสามมาเนนินก็เกิดอาการแน่นท้องหายามากินก็ไม่บรรเทากลับอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆประมาณสองถ้วยตะไลเสร็จแล้วก็นอนแซวทางเจ้าวาดรู้เข้าก็ให้ท่านนําสัมมาเนนินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่หนองหานหมอตรวจวินิจฉัยละเอียดพบว่าสัมมาเนนินนี่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วต่อมากระเพาะทะลุมีเลือด ออกเนี่ต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าขณะที่สามเณรนินรอเลือดจากโรงพยาบาลอุดรธานีอาการก็ซุดลงหมอก็นำเข้าห้องผ่าตัดด่วนแล้วก็ให้ท่านมหาบุญช่วยในยกราบวัดก่อนพรุ่งนี้จึงมาดูอาการกลับมาถึงวัดก็ดึกโขพระเนนเข้าจําวัดกันหมดแล้วมหาบุญช่วยก็เลยเข้าจําวัดปกติแล้วมหาบุญช่วยจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนตีสี่ เพื่อจะครองผ้าลงไปทําวัดสวดมนต์ในวิหารก่อนจะกลับมาเตรียมบาตรเพื่อจะออกบินธบัตรหลังจากทําวัดแล้วก็เดินจากวิหารมากุฏิระหว่างทางพบสัมมาเนนินเดินเข้าประตูวัดมาแต่ว่าก้มหน้าก้มตางุดๆุดไม่เห็นหน้าก็ดีใจคิดว่าสัมมาเนนินคงจะหายแล้วก็กลับมาวัดแล้วท่านมาหาก็เดินเข้าไปหากะว่าจะพาขึ้นกุฏิแต่พอเดินก็ไปใกล้สัมมาเนนินก็หันหลังเดินไปอีกทาง พอเข้าไปใกล้ท่านก็ส่งเสียงเรียกบอกเนียนนี น, นหายแล้วเหรอขึ้นกุฏิเถอะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเช้านี้หลวงพี่จะออกบินสบานมาแบ่งให้ไม่ต้องไปอะ่ะสามเณรเนียนจำอ้าวอ้าวไปที่กุฏิมหาบุญช่วยตามไปทันพอดีสามเณรนินเดินเลี่ยงมุมกุฏิมหาบุญช่วยจวะคว้าไหล่ก็ไม่ทันพอชะงกดูที่มุมกุฏิก็ไม่เห็นมองไปอีกทีสามเณร น, นินเดินไปนั่งอยู่หน้าวิหารเอ๊อก็แปลกใจว่า ทำไมเดินเร็วขนาดนั้นก็รีบสาวเท้าไปหาสามเณรนินคราวนี้ไม่ไปไหนนั่งหันหลังให้พอเอามือเอื้อมไปจะแตะตัวปรากฏว่าสามเณรนินหายไปต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยท่านเล่าว่าตอนนั้นอาตมารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิญญาณสามเณรนินแน่นอนคงจะมรณภาพแล้วแล้วก็ห่วงวัดห่วงบินทบาทแล้วก็ห่วงอาตมาจึงมาให้เห็นแล้วก็หายไปท่านก็กลับมากุฏิเตรียมออกบินทบาท พอฉันเช้าเสร็จท่านเจ้าวาดก็เรียกไปพบเพื่อสอบถามอาการของสัมมาเนนินมหาบุญช่วยก็กราบเรียนเจ้าวาดบอกว่าเมื่อคืนนี้หมอนําเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้วก็ให้ท่านกลับมาก่อนสายๆนี่จะไปดูอาการพอดีพ่อแม่ของสัมมาเนนินมาที่กุฏิเจ้าวาดพอดีก็เลยพร้อมกันไปดูอาการสัมเนนที่โรงพยาบาลพยาบาลแจ้งให้ทราบว่าสัมมาเนนินถึงแก่มรณภาพก่อนที่จะผ่าตัดเพราะว่าเลือดตกในมาก ตลอดจนโลหิตที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลในเมืองอุดรธานีก็มาไม่ทันศพของสั ม, มเนนอยู่ในห้องดับจิตหากต้องการจะนํากลับไปบปําเพ็ญกุศลก็ให้ทําเรื่องขอรับออกไปที่แผนกห้องดับจิตสา ม, มเนนที่เห็นตอนใกล้สว่างก็คือวิญญาณของสัมมาเนนินนั่นเองสําหรับตอนที่มหาบุญช่วยเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระธรรมทางภาคเหนือท่านก็ได้ไปพบกับเรื่องของวิญญาณอีกครั้งหนึง่ง คือท่านได้รับการส่งไปยังวัดราษดอนในเขตกันดานของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อไปถึงเจ้าวาดก็บอกว่ากุฏิเต็มให้ไปจำวัดที่สาลาท้ายวัดที่เป็นที่เขาเอาศพมาทำพิธีก่อนที่จะนำลงโรงไปตั้งศบสวดแล้วก็เป็นเขตป่าเขาเรียกป่าผีดิบคือเขาเอาศพเด็กที่ตายทั้งกลมหรือว่าตายจากเหตุไหนก็แล้วแต่มาฝังไว้มีต้นไม้รกขึ้นไมหมด คือธรรมดาแล้วเนี่ยศพอื่นก็จะต้องเผาแต่ว่าในบางกรณีเขาฝังถ้าฝังก็มาฝังตรงนี้เขาเรียกปา่าช้าผีดิบคือไม่เผาที่นั่นในเยาว่าแต่กลางคืนในขดกลางวันก็ยังวังเวงน่ากลัวแต่เมื่อท่านเป็นพระธรรมทูตจะไปทำเป็นเหอะเยาะหรือว่าแยงชาวบ้านก็จะไม่มาหามาฝังเทศอดต้องสร้างความยำเกรงให้ชาวบ้านและชาววัดพร้อมๆือนไปด้วยมาหาบุญช่วยอยู่เดี่ยวละหกวัน วันที่เจ็ดพระสมชายซึ่งเป็นพระธรรมทูตเหมือนกันก็ตามมาสมทบอยู่ด้วยกันวันนั้นตอนสายๆทั้งสององค์ก็ไปกินนิมนต์งานเลี้ยงพระที่บ้านโยมหลังวัดเด็กผู้หญิงที่เพิ่งตายทางพ่อแม่เขาเอาไปฝังแล้วแล้วก็ทำบุญอุทิศให้หลังจากนั้นทั้งสององค์ก็กลับมาพักที่กุฏิเพื่อรอเทศโปรดญาติโยมที่จะมาฟังธรรมในตอนหัวค่าเมื่อเทศแล้วก็กลับไปจาวัดพอเวลาประมาณสักปีสามเสร็จ พระมหาบุญช่วยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กระซิกกระซิกดังมาจากภายนอกศาลาที่จำวัดก็เลยสะกิดพระสมชายพระสมชายก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นนั่งฟังเสียงจนจับต้นเสียงได้ว่ามาจากต้นไม้ใหญ่ห่างจากศาลาประมาณสามสิบเมตรก็เลยชวนกันเดินลงไปดูพอไปถึงก็เห็นเด็กผู้หญิงเดินร้องไห้วนเวียนอยู่แต่ว่าหันหลังให้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดกับเด็กคนนั้นว่าเป็นยังไงอะ่ะหลงทางเหรอ ฮะจะพาไปส่งบ้านเอาไหมล่ะร่างของเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปที่มูลดินใหม่ๆใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็นั่งลงบนมูลดินหายวับไปต่อหน้าแม้จะได้รับการอบรมมาอย่างดีจะเจออย่างนี้สององค์ก็จำอ้าวอ้าวกลับมาที่สลามานั่งแผ่เมตตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นอ่าสวดครั้งแรกเนี่ยเสียงเด็กร้องดังจ้าเลยสวดครั้งที่สองก็ร้องอีกคราวนี้แผ่ครั้งที่สาม เสียงสะอื้นเบาๆแล้วก็หายไปรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างไหมมาหากับเพื่อนธรรมทูตก็เล่าให้ฟังท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่านั่นแหละเด็กที่ตายเป็นเพศหญิงเขาเอามาฝังไว้ตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วบ้านที่เขานิมนท่านไปฉันเพลงเมื่อวานนี้แหละที่ป่าช้า น, านัา่นใครก็อยู่ไม่ได้ฉันยังนิยมพวกเธอเลยว่าพระธรรมทูตเดี๋ยวนี้เขาอบรมกันมาดี รุ่นก่อนๆฉันเห็นมานมัส ก, การลากลับบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วผีมันกวนท่านมหาบุญช่วยออตอนนั้นมหาทั้งสององค์เนี่ยครับท่านอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณสักเกือบสองอาทิตย์นะโดยที่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มหาบุญช่วยก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีพระธรรมทูตอีกองค์มาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกันนี่ท่านผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเรือตังเกชื่อสุวรรณทีอยู่แถวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับเมื่อแรกต่อเรือเนี่ย ในแสงหรือว่าไตแสงเจ้าของเรือให้ประกอบพิธีเชิญแม่ยานางมาพร้อมประการวางกระดูกงูสินแสซึ่งมาทําพิธีเขาก็บอกว่าเรือลําเนี้มีแม่ยานางองคหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสมุดถือศีลกินเจเวลาเส้นให้ใช้ผลไม้กับอาหารเจอย่าเอาเนื้อสัตว์มาเส้นเวลาออกเรือก่อนออกให้จุดประทัดบอกเจ้าสมุดซะก่อนไตแสงก็เล่าว่าเมื่อเอาเรือออกไปทดลองเครื่องแล้วก็ค้างแรมอยู่ที่หาด ชายเกาะก็ฝันเห็นแม่ยานางเนี่ยมายืนที่หัวเรือเป็นสตรีโบราณห่มสบสีทองเหลืองอารามเลยมาบอกว่าแม่มาอยู่ด้วยอย่าเอาเนื้อวัวเนื้อควายขึ้นมาบนเรือเด็ดขาดใครนําขึ้นมาจะลงโทษสถานหนะักว่าอย่างนั้นคนงานอีสานหลายคนไม่เชื่อหรอกมันชอบกินลาบอ่ะอะ่มันแอบเอาเข้าวเหนียวลาบเนื้อขึ้นเรือพอเหยียบหัวเรือนี่จุกแอกแอกดินพราดจะหอ่อลาบเนื้อกับข้าวเหนียวที่ซ่อนมาในแตกระจุย อเอาโยนลงทะเลแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จุดธูปบอกแม่ยานนังก็หายเองไม่ต้องกินยานะไตแสงเล่าว่าผีทะเลนี่ก็ร้ายหากออกไปหาปลาแล้วไปเจอศพลอยน้ําแล้วไม่ช่วยลากเข้าฝั่งก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีอ่าต้องอ้อมออกไปให้ห่างๆถ้าเป็นขากลับจะช่วยลากเข้าฝั่งแต่ขาไปนี่เขาไม่เอานะเอาขากลับแต่ว่าต้องเป็นศพที่ พอจะสมบูรณ์ถ้าเน่ามากก็จะไม่ลากเข้ามาลากศพเข้าฝังมอบให้มูลนิธิแล้วเที่ยวต่อไปจะหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยว่าอย่างงั้นเหมือนกับผีที่ช่วยลากเข้าวังเขาช่วยหาปลามาตอบแทนอันนี้เป็นประเพณีของคนทะเลไตสแสงก็เล่าเรื่องของผีทะเลให้ฟังว่าเพื่อนของไตสแสงเนี่ยเป็นเจ้าของเรือประมงที่จังหวัดตรังออกทะเลไปวางอวนติดหัวกระโหลกกะโหลกคนนะ่ะมาหัวหนึง ลูกเรือจะโยนทิ้งทะเลแต่ว่าไถเรือลานั้นเกิดสงสารก็ให้ใส่ถุงวางไว้พอเข้าฝั่งจะเอาไปทำบุญใส่บารแล้วก็ฝากเขาเผาในตาเผาศพตกกลางคืนก็ฝันไปว่ามีผู้ชายจีนคนหนึ่งมาบอกว่าขอบใจลือมากที่ช่วยไอ้อ้วกลับเข้าฝั่งได้อ้วขอให้ลือ้อย่าเอาอ้วไปเผาแต่จงเอาไปทําสารแล้วก็เส้นไหว้อ้วนประเพณีของอ้วไม่ชอบการเผาอัวจะช่วยให้ลื้อเป็นเศรษฐีในหนึ่งปีนะ ไต้ไายนั้นก็เชื่อกก็เอามาทําสารเส้นไหวปรากฏว่าไปทะเลคราวไหนก็ได้ปลาได้กุ้งจนเต็มเต็มลำแล้วก็ดีกว่าทุกลำที่ออกไปด้วยกันไต่ก็บอกว่าลงอวนทีไรไม่ผิดหวังเหมือนจะมีใครมาต้อนพวกปลากุ้งมาเข้าอวนในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เรือใหม่อีกลำเพราะว่ากําไรที่ได้มานี่มันมหาศาลจริงๆแล้วท่านผู้ฟังรุ่นเก่าๆนั่นนะคงจะรู้จักสวนลุมพินีที่ในสวนลุมพินีเนี่ยมีสระน้ําอ่า แต่ก่อนเนี้ยมีพัตตาคารชื่อกินนารีนาวาหัวเรือทำเป็นพัตตะคารลอยน้ำอะครับเป็นไม้แกะเป็นรูปกินนารีเปลือยอกไม่ค่าสบายเจ้าของร้านก็มักจะเอาเครื่องไปเส้นไหวเสมอแล้วก็ขายดีเป็นเทนม้มเทท่าเป็นพัตตคารลอยน้าที่มีคิวจัดเลี้ยงเต็มตลอดเดือนต้องจองคิวกันนานๆนะคืนหนึ่งมีเรื่องเอะอที่หัวเรือ ฝรั่งนักท่องเที่ยวนอนชักน้ำลายฟูมปากกล้องนิลนกระจายต้องหาห ม, มัเข้าไปประถมพยาบาลข้างในเจ้าของพระตะคันเขาก็สอบถามเพื่อนของฝรั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้ความว่าก่อนที่จะชักดินชักงอเนี่ยปีนขึ้นไปเอามือจับหน้าอกนางกินนารีแล้วก็ให้เพื่อนสาวนี่ช่วยถ่ายภาพให้ยังไม่ทันถ่ายก็ล่นลงมาชักอย่างที่เห็นเนี่ยเจ้าของพระตะคานก็เลยไปจุดทูบบอกพอทูบหมดไปครึ่งดอกฝรั่งก็หายเป็นปกติแล้วพออธิบายให้ฟัง ออไปโค้งแล้วโค้งอีกก่อนที่จะลาจากไปพัตตะคานกินรีที่ว่าเนี่ยต่อมาทางกรทมไม่ต่อใบอนุญาตให้ก็เลยต้องทำการรื้อถอนออกไปแต่ว่าเกิดเหตุประหลาดอยู่ดีๆพัตตะคารร้างเนี่ยก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งๆ ท, ที่ก็ได้ตัดไฟออกไปหมดแล้วลุกไหม้เรือทั้งลำจมลงไปในน้ำพร้อมกับรูปกินรีที่มอดไหม้ไปส่วนหนึ่งก็ปิดตานานพัตคารกินนรีนาวาลงเพียงแค่นั้น ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อกลั่นธรรมโชติวัดพระยาติการามตําบลไผ่หัวลิงอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศสิยตาหลวงพ่อกลั่นนี้ท่านดังมากเลยนะก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดครองวัดพระยาติการามเนี่ท่านถือทุดงเป็นวัด ท่องเที่ยวทุดงไปตามป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิปทาของหลวงพ่อกลั่นเป็นไปในทางเมตตาโดยไม่มีประมาณกล่าวกันว่าเมื่อท่านจาริกอยู่กลางกลางป่าลึกดงดิบสัตว์ทั้งหลายจะเข้ามาหาท่านสัตว์ซึ่งมีสัญชาตญาณระวังภัยทุกลมหายใจเข้าออกก็กลายเป็นสัตว์เชื่องอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้การที่พวกมันเหล่านี้ไม่กลัวหลวงพ่อกลั่น ก็เนื่องจากรับรู้กระแสความเมตตาอันชุ่มเย็นจากท่านมันรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อพวกมันแล้วยิ่งไปกว่านั้นท่านยังสามารถสื่อภาษากับสัตว์เหล่านั้นได้ซึ่งเรื่องนี้แม้ท่านจะไม่ได้บอกเล่ายืนยันด้วยตัวท่านเองแต่ก็มีหลักฐานยืนยันเป็นที่ประจักษ์ของชาวบ้านไผ่หัวลิงทั้งตำบลทุกเช้าเมื่อได้อารุณหลวงพ่อกลั่นกับภิกษุสัมเนนวัดพระญาติการามจะออกบิณฑบาตเป็นวัด เนื่องจากพื้นที่ตำบลไผ่หัวลิงเนี่ยใช้การสัญจรทางน้ำพระเนนก็ต้องบินทบาตด้วยการใช้เรือพายชาวบ้านก็จะมาคอย ใ, ใส่บาต ท, ที่สะพานท่าน้ำบ้านใครบ้านมันทุกเช้าจะเห็นเรือพายลำเล็กๆหลายลำมีพระเนนพายแล่นเอื่อยๆไปตามลำคลองแล้วก็ในจำนวนเรือเหล่านั้นชาวบ้านนั้นจะรู้เลยว่าเรือลำไหนเป็นเรือหลวงพ่อกลันไม่ว่าเรือหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม เหตุที่รู้ว่าเป็นเรือหลวงพ่อการ์นก็เพราะว่ามีความผิดแปลกแตกต่างจากเรือพระเนนลำอื่นกล่าวคือจะเห็นดำมืดมาแต่ไกลคลุมอยู่บนเรือที่เห็นดำๆนั่นไม่ใช่เอาอะไรไปคลุมหรอกครับอีกาไม่รู้กี่สิบตัวเกาะเต็มกราบเรือหัวเรือเว้นด้านที่หลวงพ่อการ์นนั่งภายเรือเท่านั้นที่ไม่มีอีกาล่วงละเมิดไปเกาะเมื่อหลวงพ่อภายเรือเข้าไปรับประทานอารับอาหารขาวหวานที่ชาวบ้านถวายใสย่บาต อีกาทั้งหมดก็จะบินขึ้นไปจนหมดแล้วก็บินวนเวียนอยู่รอบรอบเรือไม่ทำตัวให้เป็นที่เกะกะกีดขวางการทำบุญทำทานเมื่อหลวงพ่อกรันพายเรือต่อไปอีกาก็จะลงมาเกาะใหม่แล้วก็จะทำอย่างเนี้ยทุกครั้งกระทั่งท่านพายเรือกลับวัดในช่วงที่หลวงพ่อกรันกลับวัดบนเรือจะมีสำรับอาหารหวานคาววางเรียงรายเต็มลาเรืออาหารส่วนมากจะใส่ไว้ในภาชนะไม่มีฝาปิด แต่ว่าไม่มีอีกาตัวไหนแต่ต้องจิกกินอาหารแล้วก็ผลไม้เหล่านั้นแม้แต่ตัวเดียวทั้งๆ ท, ที่อีกาเป็นสัตว์ตะกะชอบลักกินขโมยกินแต่ว่าพวกมันกลับไม่กล้าล่วงละเมิดอาหารเหล่านั้นซึ่งหลวงพ่อการ์นยังไม่อนุญาตนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อเรือของหลวงพ่อการ์นถึงท่าน้ําหน้าวัดเด็กวัดลูกศิษย์จะลงมาขนสําหรับอาหารในเรือขึ้นไปจัดเตรียมไว้บนสราสําหรับหลวงพ่อการ์นจะอุ้มบาตรตามไปเป็นองค์สุดท้าย คราวนี้จะมีอีกาชุดที่สองซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่าน้ําแล้วก็ บ, บนต้นไม้ริมตะลิงจะพากันบินลงมาต้อนรับหลวงพ่อบินห้อมล้อมท่านจนมองถ้าไม่เห็นตัวท่านกระทั่งขึ้นบนศาลาก่อนหลวงพ่อกันฉันท่านจะแบ่งอาหารแยกใส่ภาชนะวางเรียงรายไว้ห่างๆรอบตัวท่านอาหารเหล่านั้นแบ่งให้เป็นอาหารของอีกาซึ่งฝูงอีกาเป็นร้อยตัวจะเกาะตามระเบียงบ้างแล้วก็รายล้อมอยู่รอบๆภาชนะใส่อาหารบ้าง แต่จะอยู่ห่างๆไม่เข้าใกล้อาหารไม่มีอีกาตัวไหนเข้ามาจิกกินกระทั่งหลวงพ่อการลงบือฉันเป็นคำแรกอีกาทั้งฝูงก็จะกรูเข้ามาจิกกินอาหารนู่นนอย่างชุลมุนบางครั้งมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งอาหารจิกตีกันโอลมันหลวงพ่อกรัรยัเงยหน้าขึ้นพูดเบาๆไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอีกาซึ่งส่งเสียงเจียวเจ้าจิกตีกันก็จะเลิกราไปฏิกันทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันกินอาหารอย่างสงบเหมือนเดิม เมื่อหลวงพ่อกรันอ า, าพาธด้วยโรคชราแล้วก็มีอาการสุดหนักลงทุกทีในวันที่หลวงพ่อจะมรณภาพอีกาจำนวนนับพันตัวซึ่งอาศัยอยู่ในเขตวัดก็พากันร้องเสงียมแท้วันนั้นไม่มีอีกาตัวไหนบินออกไปหากินนอกวัดเลยก็ว่าได้เสียงร้องของฝูงอีกาดังระ ง, งมไปไกลทีเดียวเมื่อหลวงพ่อกรันสิ้นลมหายใจละสังขารอีกาทุกตัวก็พลันเงียบเสียงอย่างทันทีทันใด จากนั้นก็ทยอยบินจากไปเป็นหมู่ๆจนกระทั่งไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ไม่กลับมาที่วัดอีกเลยตราบถึงวันทําพิธีชาปน ก, กิจเช้าวันรุ่งขึ้นมีการทําบุญอัฐิเช้าวันนั้นกาฝูงเก่าก็หวนกลับมาที่วัดพญาติการามอีกครั้งอีการนับพันตัวบินมาเกาะที่เชิงตะกรแล้วก็แออัดอยู่เต็มลานวัดดูดํามืดไปหมดจากนั้นก็โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้า บินวนเหนือวัดสามรอบแล้วก็จากไปจนหมดนับแต่นั้นไม่มีอีกาอยู่ในเขตวัดพระยาติการามอีกเลยครับนั่นก็คือเรื่องของหลวงพ่อกรันวัดพระยาติอยุธยาครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเมียนพุทธศิริวัดโพกบเจ้าตาบลกบเจ้าอาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเมียนที่ว่า มีวิชารักษากระดูกเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยล่ะกระดูกหักกระดูกแตกแกหลกเลวยังไงก็แล้วแต่ไปหาหลวงพ่อเมียนเถอะผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมถึงขั้นกระดูกหักส่วนมากมักจะเป็นนักสิ่งสิงมอเมตอร์ไซค์ซึ่งขับขี่กันด้วยความประมาทขนองนกว่าจะรู้สํานึกถึงผลแห่งความพยองก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กลางถนน เวลานั้นหลวงพ่อเมียนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโพกบเจ้าอำเภอบางบานันจังหวัดพระนครศีิยาร์แล้วนอกจากจะช่วยรักษากระดูกหักกระยติโยมแล้วท่านยังมีชื่อเสียงเรื่องไล่ผีะเรื่องวิญญาณพยาบาทรายนี้เริ่มขึ้นจากที่หญิงสาวชาวอายุธยาคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวสุพรรณไปกับเพื่อนๆในขณะที่ไปเที่ยวชมโบราณสถานแห่งหนึ่งผู้หญิงสาวคนนี้เกิดหายไปจากกลุ่ม เพื่อนๆก็แยกย้ายกันออกตามหาเป็นเจ้าละวันในที่สุดไปพบนั่งซึมอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ในป่าละเมะหลังวัดนั่นแหละมีกิรยิยาท่าทีผิดไปเป็นคนละคนเพื่อนก็เข้าไปดึงมือให้กลับออกมาด้วยกันแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นกลับแสดงกิริยากลาดเกลี้ยวบอกว่ากูไม่กลับกูจะอยู่ที่นี่พูดจาหยาบคายเพื่อนๆ เ, เ, เห็นอย่างนั้นก็คิดว่ามาด้เรื่องแน่เพราะว่าหญิงสาวคนเนี้ยปกติมีกิริยาเรียบร้อยอ่อนโยน สุภาพอ่อนหวานเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดตรงกันว่าต้องถูกผีสิงแน่นอนบางคนที่รู้จักกับอาจารย์มีวิชาอาคมก็แยกย้ายกันไปหาอาจารย์มาช่วยขับไล่วิญ ญ, ญาณที่สิงร่างของผู้หญิงคนนี้เพราะมนต์คาถาบทไหนของอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะทำให้วิ ญ, ญญาณร้ายเกิดความสะดุ้งสะเทือนได้เลยกลุ่มเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ก็จาเป็นต้องช่วยกันมัดตัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถพากลับพระนครศรีอยา พอกลับ ม, มาถึงบ้านของผู้หญิงที่อยุธยาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันวิตกทุกร้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารแม้แต่น้าก็ไม่แต่ต้องนั่งซึมลืมตาโพลงไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่และบรรดาญาติต่างออกไปติดต่อเสาะหาอาจารย์หมอผีหลายคนแต่ละคนเป็นผู้มีวิชากล้าแข็งเป็นที่ยอมรับนับถือให้มาขับไล่วิญญาณให้ออกไปจากร่าง แต่ว่าทุกอาจารย์ต้องยอมสายหน้าหมดปัญญาจะไล่ผีออกไปได้ตราบกระทั่งมีผู้รู้คนหนึ่งแนะนำให้ไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าว่ามีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่จะพอช่วยได้เวลานั้นหญิงสาวซึ่งถูกผีเข้าเนี่ยสู้ผอมอย่างรวดเร็วน่ากลัวเพียงไม่กี่วันเนี่ยร่างกายมีสภาพแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่ง พ่อแม่และญาติพี่น้องก็อุ้มหญิงสาววางบนแคร่แล้วก็ช่วยกันหามพามาที่วัดโพกบเจ้าที่หลวงพ่อเมียนจําันษาอยู่พอพบหลวงพ่อแล้วพ่อแม่ผู้หญิงก็นำมาสการเล่าเรื่องให้ท่านรับรู้หลวงพ่อก็พิจารณาคนป่วยเห็นหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณสิงนี่จ้องตาประสานกับท่านอย่างไม่แกงกลัวในตาคู่นั้นขุ่นขวางเหมือนเป็นในตาของคนที่กาลังตกอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นมาก หลวงพ่อเมียนก็บอกให้ยกแค่นนำหญิงสาวเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอธิบายให้วิญญาณซึ่งสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวได้รู้ว่าการมาเบียดเบียนมาสิงมาทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่ผิดกับการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกควรจะถอดถอนวิญญาณออกไปเสียเมื่อถึงวาระอันควรจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่อย่างนั้น ก็จะตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหลวงพ่อเมียนถามต่อไปว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มีเจตนามาเข้าสิงผู้หญิงสาวคนนี้วิญญาณก็เล่าผ่านร่างที่สิงอยู่ให้หลวงพ่อฟังด้วยน้ำเสียงเคียดแค้นบอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเวลานั้นพระองค์ท่านยังไม่ได้เลิกทาต ตัวเขาเนี่ยเป็นทาสของเจ้านายองค์หนึ่งที่สุพรรณบุรีวันหนึ่งเครื่องประดับทองคําของเจ้านายองค์นี้เกิดหายไปแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ลักขโมยไป ท, ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะยืนกรานว่าตัวไม่ได้ทําผิดเจ้านายก็ไม่ฟังก็สั่งให้หัวหน้าทาสนําตัวไปทรมานเพื่อให้รับสารภาพหัวหน้าทาสก็ได้ทําการทารุณสาราพัดแต่ว่าตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนให้เขา จกนกระทั่งทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวก็ขาดใจตายก่อนตายได้กล่าวเป็นสัจจะสาบานเอาไว้ว่าจะขออาคาดพยาบาทจองเวรกับหัวหน้าทาตตลอดทุกชาติแล้วยังตามล้างแค้นไม่ได้จะไม่ขอไปผุดไปเกิดจะตามฆ่าไปจนถึงที่สุดหลวงพ่อเมียนท่านก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคู่แค้นกับเจ้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่แล้ว ข้ารอคอยมันมันานจึงกระตั้งมันไปสุพรรณไปที่ป่าตรงนั้นแหละเป็นที่ฝังศพข้าเป็นโอกาสที่ข้าจะได้ล้างแค้นมันเขาคงไม่มีเจตนาจะทําร้ายเองหรอกเขาเพียงแต่ทําตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนไม่ใช่เหรอก็ข้าบอกแล้วข้าไม่ได้ลักทองไปมันควรจะฟังคําขบังมันไม่ฟังมันไม่มีเมตตาปราณีข้าเลยมันทําร้ายข้าจนตายคามือ คราวนี้ถึงทีกข้าลนะ้วเขาจะให้มันอดข้าวอดน้ำทรมานมันจนกว่ามันจะตายเหมือนข้าใครอย่ามาห้ามเส่ยากหลวงพ่อเมียนรับฟังวิญ ญ, ญาณธาตุที่อาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติอย่างรุนแรงถึงกับรอคอยจนกระทั่งหัวหน้าธาตุนี่มาเกิดใหม่แล้วมาเป็นผู้หญิงคนเนี้ท่านเล็งเห็นว่าถึงจะใช้เวทบนคาถาขับไล่วิญญาณที่สิงออกไปได้ก็จริงแต่ว่าวิ ญ, ญญาณดวงนี้มีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงนะัก คงจะไม่ยอมเลิกรา ง, ง่ายๆอาจจะออกไปแต่ว่าได้โอกาสก็จะเข้าสิงอีกและหากเป็นเช่นนั้นถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงทีคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ตายแน่หลวงพ่อเมียนถึงได้ใช้วิธีนุ่มนวลชี้ให้วิญญาณอาฆาตได้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษว่าเวรนะควรจะระงับเสียด้วยการไม่จองเวรจะได้ไม่ต้องมีกรรมผูกพันต่อกันอีกหากทาให้กู้แค้นตายไปตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปผุดไปเกิดทันที ซ้ำยังจะต้องได้รับโทษทันทุกทรมานสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็ควรจะอโหสิกรรมต่อการเสียหญิงสาวซึ่งเป็นคู่แค้นในอดีตชาติคนนี้จะได้มีโอกาสทำความดีผ่อนคลายความผิดของตัวในอดีตได้โดยการทำบุญกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปวิญญาณอาฆาตรับฟังอย่างสงบแล้วก็มีท่าทีอ่อนลงแต่บางครั้งก็เกิดหึดฮัดขึ้นมาอีก หลวงพ่อเมียนท่านก็นมายอมละความเพียรพยายามกล่อมเกลาโนมนาวให้วิญญาณอาฆาตเกิดสำนึกในทางที่ถูกที่ควรเจ้าลองคิดดูสิว่าตลอดระยะเวลาเป็นร้อยปีที่เอ็งอยู่ในป่าเมืองสุพรรณเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องอยู่อย่างอดอดอยากๆ ย, ยากหิวโหวยตากแดดตากฝนทนหนาวทนร้อนตลอดมาก็กเพราะไอ้โทสะพยาบาทเนี่ย หากเจ้าอาโหสิกรรมต่อคู่แคนของเจ้าวันนี้เขาก็จะทำบุญใส่บาตรกูทิ่ส่วนกุศลให้เจ้าทุกวันอาตมาเองก็จะแผ่มเมตตาอุทิศส่วนกุศนให้เองไปสู่สุคติพบอีกคนหนึ่งหลังจากวิญญาณธาตรับฟังหลวงพ่อชี้แจงแสดงให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษนานพอสมควรก็ยอมตกลงจะออกจากร่างแต่ว่าก่อนจะออกได้ไปขอกินเลือดคู่แคนหยดหนึ่งอ่าเพราะว่าได้สาบานไว้แล้ว โดยให้นาหญิงสาวเนี่ยไปที่จังหวัดสุพรรณแล้วกรีดนิ้วหยดเลือดลงบนใบไม้ให้กินจากนั้นต้องสัญญาว่าจะทําบุญตักบาตรให้ทุกวันเมื่อได้รับส่วนกุศลแล้วก็จะยอมอโหสิกรรมให้หลวงพ่อก็ถามพ่อแม่ของหญิงสาวว่าจะให้สัญญาตามที่เขาขอหรือเปล่าก็ให้สัญญาหลวงพ่อเมียนก็ให้หญิงสาวไปสุพรรณและกรีดเลือดให้วิญ ญ, ญาณอาฆาตกินตามที่ขอหลังจากที่ทาทุกอย่างแล้ว หญิงสาวก็มีสติรู้สึกตัวเป็นปกติเหมือนเดิมแสดงว่าวิญญาณอาฆาตได้รักษาสัจจวาจาของตัวเช่นเดียวกันครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าเป็นผู้ที่มีกิติยาคมสูงมากชื่อเสียงของท่านโด่งดังคุณกเกษมมีน้าสาวอยู่คนหนึ่งชื่อน้าออน นออนนี่เป็นคนดีเก็บเงินเก็บทองเก่งมากก่อนนั้นทำงานโรงงานแล้วก็ไปเจอกันนชัยก็รักกันชอบกันทั้งที่นิสัยแตกต่างกันมากเพราะว่าน้ชัยนี่แกเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเก่งเหมือนกับคนกระเป๋ารั่วมีเงินไม่ได้มันร้อนอยู่ในกระเป๋าได้ไม่นานน้าชัยนี่ทำงานเป็นพวกเซลล์แมนพูดเก่งมากหาเงินเก่งหาเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยนออนก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเงินของน้าชัยเท่าไหร่ ก็มีลูกกันสองคนอยู่กันในบ้านเช่าแถวแถวอันคุณกเกษมก็บอกจำไม่ได้ว่ารลงวันที่หนึ่งได้เงินกี่ล้านกันแน่แต่เรียกว่าน้าออนก็กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาทีเดียวพอถูกหวยแล้วน้าออนก็ออกจากทำงานความจริงไม่อยากจะออกแต่น้าชัยให้ออกบอกว่าจะทำไบทไมัยมีเงินแล้วตัวของนาชัยเองก็ไม่ทางานแล้วออกจากบริษัทมาอยู่บ้านใช้เงินอย่างคนมีสตัง แต่คนที่ใช้เงินอย่างคนมีเงินไม่ใช่นาอ่อนอะกลายเป็นน้าชัยส่วนนา อ, อ่นเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่นา อ, อ่นต้องการก็คือบ้านของตัวเองก็เลยซื้อบ้านหลังหนึ่งมีบริเวณกว้างอยู่กันอย่างสบายปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักได้นอ่นี่ชอบมากนะคงจะเป็นบ้านนี่แหละที่น อ, อ่นภูมใิใจมากที่สุดบ้านหลังนี้ก็อยู่แถวแถวบางพลัด จะอยู่กันไปแล้วใช้เงินไปวันๆนี่มันหมดแน่ณอรก็เลยหาหรือกับนชัยในที่สุดก็ซื้อที่ปลูกบ้านให้คนเช่าเป็นห้องๆด้วยเพื่อจะได้เก็บค่าเช่าเอาไว้กินใช้ไปเรื่อยๆน้าชัยก็รับอาสาเป็นคนดูแลเรื่องอเก็บค่าเช่าจะจัดการให้โดยเรียบร้อยคล่องแคล่วว่าอย่างนั้นเพราะเขาเก่งทั้งนี้อยู่แล้วกิจการห้องเช่าดาเนินไปด้วยดีมีคนเช่าเต็มทุกห้อง ก็ทำให้มีรายได้ทุกเดือนนาออนมีเงินก็จริงแต่ว่าแกก็ยังใช้ใจ่ายอย่างประหยัดเหมือนก่อนนี้แกก็ยังผอมเหมือนเดิมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าง่ายๆราคาถูกๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลาคุณกเกษมไปหายกมือไหว้สวัสดีครับนอ่อนนะแกก็จะยกมือรับไหว้แล้วถามว่ามาทำไมอะเอ็มอคุณกเกษมก็บอกผมคิดถึงน้าอ่อนมาหาไม่ได้เหรอ แกก็จะบอกมานะมาได้แต่อย่ามาขอตังค์นะนี่แหละณออนก็มักจะพูดทำนองนี้เวลาคุณกเกษมไปหาที่บ้านก็ยอมรับว่าเคยของเงินณอ่อนแต่แหม่ยากมากที่จะได้ช่วงนั้นคุณกเกษมเรียนหนังสืออยู่ว่างจากเรียนก็มักจะแวะไปที่บ้านแกก็ไปบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนให้เงินคนที่ให้เงินก็คือณชัยละใจดีใจกว้างแล้วก็เมตตาคุณกเกษมเสมอ ก็รู้ว่าคุณเกษมไม่ค่อยมีตังค์เพราะว่าพ่อแม่คุณเกษมนิฐานะไม่ดีแถมมีลูกทั้งสามคนคุณเกษมเป็นลูกคนกลางแม่ในเคยเอ่ยปากขอยืมเงินจากนาอ่อนไม่ได้เลยนอ่อนไม่ให้แล้วก็ไม่ให้ใครด้วยไม่ใช่ไม่ให้แต่แม่มีนาชัยคนเดียวที่เอาเงินจากนาอ่อนไปใช้ได้ครอบครัวนี้มีอันจะกินแต่เพราะนาอ่อนเป็นคนอดออมอาหารการกินที่บ้านก็ยังเป็นน้าพริกผักต้มอยู่ แต่ละมื้อก็กินกันอย่างฝืดเครืองก็ทําให้ลูกสองคนเกิดความเบื่อหน่ายที่จะกินข้าวในบ้านโอ้ oh, แม่น้ำพีกับเบือเ่อเบื่ออยากจะกินข้างนอกอยากจะกินผัดกะเพรามัาง่ะแม่ลูกๆ ก, ก็เลยออกไปกินข้าวนอกบ้านอ่กินที่ร้านใกล้บ้านน่ะ น, นะอ้อนแกก็บ่นลูกต่างๆนาๆนว่าไม่รู้จักกินรู้จักใช้ไม่รู้จักประหยัดแล้ว เ, เงินทองมันจะไปเหลือได้ยังไง แต่ลูกๆก็เบื่อกับข้าวที่บ้านเต็มทีก็ไปกินข้าวนอกบ้านกันบ่อยส่วนนออนก็เก็บผักข้างรั้วนี่มาผัดมาต้มจิ้มน้ำพริกกินคนเดียวใครจะกินไม่กินนออนไม่จะไปบงการไม่ได้แล้วแม้แต่น้าชัยก็ไม่ยอมกินข้าวบ้านลูกๆที่จะได้เงินก็จากพ่อเพราะว่าแม่ไม่ยอมให้ก็ยังนับว่าครอบครัวมีทางออกคนหนึ่งไม่ให้อีกคนให้หน้าชัยนี่ชอบเที่ยวชอบกินชอบไปฟังเพลงกินเหล้าเมายา เวลาที่คุณเกษมไปหาก็มักจะไปกับน้าชัยนี่แหละอ่าพอไปถึงร้านแกก็บอกว่าเอาอยากกินอะไรก็สั่งเอาเลยวะแกก็จะบอกอย่างเงี้ยบางทีลูกๆของน้าชัยก็ไปด้วยกันก็สั่งของกินกันอย่างสบายคุณเกษมตอนนั้นก็ไม่ได้นึกเห็นใจน้าออนเลยก็กลับคิดไปว่านอ่อนนี่ไม่ฉลาดเลยมีเงินก็ไม่กินของดีๆกินแต่น้าพริกอยู่นั่นแหละ แม้แต่นชัยหรือว่าลูกหญิงชายของนชัยก็ขำที่แม่ของพวกเขาทําอย่างนั้นห้องเช่าที่ปลูกให้เช่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เช่าอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนเป็นนักร้องบ้างพนักงานร้านอาหารบ้างหมอนวดบ้างนาชัยแกเป็นคนเก็บเงินค่าเช่าทุกเดือนเงินในส่วนนี้นชัยจะเก็บเอาไว้ใช้ส่วนหนึงก็ให้นอ่อนส่วนหนึ่งมีหมอนวดสาวอยู่คนหนึ่งค้างค่าเช่า ไปทวงหลายหนก็ยังไม่ได้จนกระทั่งน้าออนทนไม่ไหวต้องไปทวงเองพอน้าออนไปทวงเองหมอนวดคนนั้นก็ยอมให้ทีแรกน้าออนจะให้ออกไปแต่ว่าณชัยกขอร้องเอาไว้บอกให้อยู่ต่อไปเถอะต่อไปนี้คงจะไม่กลา้าติดข้างอีกแล้วหมอนวดคนนี้สาวมีความขาวบวกกับความสวยเป็นสมบัติติดตัวก็ทําให้นาชัยนไปทวงที่ไรก็ไม่ได้ค่าเช่ะเพราะว่าน้ชัยไม่กล้าเด็ดขาดกับหลอนหมอนวดคนนี้แหละ ตอนหลังนาชัยเกิดไปชอบกันหลอนเข่าจนกลายเป็นว่านาชัยเอาหมอนวดคนนี้เป็นเมียน้อยนออนก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยความจริงมาปรากฏในตอนหลังนออนสงสัยในพฤติกรรมของนชัยที่ไม่เคยพูดถึงหมอนวดคนนี้อีกถามว่าทวงเงินยากไหมก็รีบตอบว่าไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นทันทีทันใดวันหนึ่งนออนออกไปซื้อของที่ห้างแล้วก็บังเอิญไปเห็นหนาชัยคุ้งอยู่กับ หมอโวดคนเนี้ยอยู่ในห้างอ่ะแหละมองดูก็รู้ว่ามีสัมพันธ์กันขนาดไหนไม่ต้องให้ใครมาบอกหรือไม่ต้องรอคาดคันนาชัยให้สารภาพหรอกนอ่นเข้าไปจัดการทันทีต่อหน้าคนเยอะๆนั่นแหละนาชัยต้องรีบพาผู้หญิงคนนั้นเพนหนีไปเลยนอ่อนก็ตามไปที่ห้องเช่าก็ไปเจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ห้องอผู้หญิงคนนั้นก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องทําเป็นว่าไม่ได้ออกไปไหนผู้หญิงคนที่น อ, อ่นเห็นนะ่ะไม่ใช่เธอแต่ว่านาอ่อนจำได้ดี จัดการไล่ให้หล่อนออกจากห้องไปไม่ให้เช่าต่อไปแล้วผู้หญิงหมอนวดนี่ก็เลยต้องย้ายออกไปแต่ว่าทางด้านณ้ชัยนั้นนอ่อนก็สั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีกณชัยก็บอกไม่ได้จริงจังอะไรเล่นๆ เ, เท่านั้นแหละแต่นอ่อนก็ไม่รู้ว่าน้ชัยน่ะจริงจังกับหมอนวดคนนี้ถึงขั้นเบียดบังเอาเงินไปผ่อนบ้านให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์แล้วก็เรียงดูเป็นเมียน้อยอย่างถาวร นาชัยก็ทำดีกับนออนถ่ายเทเงินจากกระเป๋าหนออนไปสู่กระเป๋าเมียน้อยได้อย่างไม่อยากเย็นด้วยคารมคงคายแล้วก็ลูกเล่นของเซอร์แมนเก่ากว่าหนออนจะรู้ก็เกือบหมดตัวทําให้หนออนในกลุ่มหนักเครียดอ่าคุณเกษมบอกว่าไปหาที่บ้านหนออนยังไม่พูดไม่จาด้วยหนออนก็ขอร้องให้นาชัยเลิกกับหมอหนวดคนนั้นเพื่อเห็นแก่ลูกสองคนนาชัยก็รับปาก เขารับปากแต่ว่าเขาไม่ทำตามที่รับปากก็ยิ่งทำให้หนาออนเครียดหนักขึ้นไปอีกนาชัยก็รับปากอีกอมันก็เหมือนเดิมต้องถือว่านาชัยใหลงหมอนวดสาวคนนี้เอามากๆเลยมันหลายครั้งหลายหนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนนาออ น, นี้สุดจะทนทานต่อไปได้แล้วก็บ่นออกมาว่าอยากจะตายไม่อยากจะอยู่ต่อไปอแล้วนาชัยได้ยินลูกๆ ก, ก็ได้ยิน แต่ไม่มีใครห้ามเพราะคิดวานณออนบ่นไปอย่งงางนั้นตามปราษาคนกำลังครุ่มใจแต่แล้ววันหนึ่งลูกๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วณชัยก็ออกจากบ้านไปเขาไม่ได้บอกว่าจะไปไหนณออนอยู่บ้านคนเดียวก็จัดการกับตัวเองขั้นเด็ดขาดใช้ปืนณชัยเนี่ยระเบิดสมองตัวเองต่อหน้ากระจกเงาในห้องนอนมันสมองกระจายเลือดกระเซน็นเลอะเทอะไปหมดณ อ, อนตายสนิท ลูกๆของนาออนบอกว่าตอนเช้าเนี่ยแม่ยังกอดบ้านแล้วก็เรียกลูกๆเข้าไปในห้องนอนสั่งเสียเรื่องทรัพย์สมบัติให้กินใช้กันอย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยว่ามันเหลือน้อยแล้วเงินหมดอย่าลำบากลูกๆไม่ได้สังหรณ์ใจแม้แต่น้อยเพราะว่าในช่วงนั้นนาออนมักจะพูดทํานองสั่งเสียอยู่บ่อยๆจนฟังแล้วกลายเป็นเรื่องธรรมดาผิดปกติก็ตรงที่เรียกลูกทั้งสองเข้าไปกอดแล้วก็หอมแก้มพร้อมกันเสร็จแล้วก็พูดว่า แม่ลาก่อนแล้วนะอยู่กันดีๆรักกันแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆนะจะได้มีงานทำดีๆพระที่นั่งทางในองค์หนึ่งก็บอกกับแม่คุณกเกษมบอกว่าที่นออนต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมเก่าชาติก่อนนี้นะอ่อนเคยทำให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันชาตินี้กรรมก็เลยตามมาสนองเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานเกือบยี่สิบปีนะครับป่บานนี้นะออนแกก็คงไปผุดไปเกิดแล้วคุณกเกษม ยืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดกับญาติของแกผมมีเรื่องแปลกๆที่ได้ยินคุณสุเทพเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเรื่องนี้แปลกแล้วก็น่ากลัวครับคุณสุเทพบอกว่าเมื่อวันที่สามสิงหาคม ปี2525 25. วันนั้นหลังจากที่กับประทานอาหารเย็นแล้วแกก็ได้ข่าวว่านายจิตซึ่งเป็นคนที่แกเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานเนี่ยตายซะแล้วตายที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางครอบครัวเขามีความประสงค์จะให้คุณสุเทพเนี่ยไปรดน้ำศพในค่ำวันนี้เขาจะคอยอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านเขานั่นแหละ คุณสุเทพพร้อมด้วยภรรยาก็ขับรถไปที่วัดในคืนนั้นเพื่อจะดูหน้าศพในจิตเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับร ถ, รถน้าศพด้วยพอไปถึงวัดศพในจิตยังมาไม่ถึงต้องรอไปอีกพักใหญ่ประมาณสามทุ่มรถยนต์บรรทุกศพก็เคลื่อนมาที่วัดลูกหลานในจิตก็ได้ช่วยกันยกลงศพลงจากรถเข้ามาตั้งในสระเป็นที่เรียบร้อยญาติก็เปิดภาคลุมแล้วก็เปิดฝาหีบศพออก ให้คุณสุเทพเข้าไปดูหน้าศพแล้วก็รถน้ำศพเป็นคนแรกศพในจิตก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนตัวเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเป็นร่างที่ไม่มีวิญญาณครองแล้วสวมเสื้อผ้าแบบจีนอย่างสวยงามพอรถน้ำศพแล้วก็ขอหัหศีกรรมที่มีต่อกันแล้วก็แผ่เมตตาขอให้เขาไปเกิดในสุคติ ในจิตเป็นคนเกิดอยู่ในท้องที่อำเภอสีมหาโพธิ์เป็นลูกครึ่งจีนขยันหมั่นเพียรประกอบการงานหาเลี้ยงชีพมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณสุเทพเนี่ยเคยใช้สอยว่าจ้างเขาเป็นประจำอยู่เสมอแล้วต่อมาคุณสุเทพ ย, ย้ายออกจากอำเภอสีมหาโพธิ์ไปอยู่ที่อื่นในจิตก็ยังคงตามไปร่วมประกอบการงานอยู่เป็นนิดในจิตสามารถรวบรวมเงินทองได้ก้อนหนึ่งก็หันมาประกอบอาชีพทางกเกษตรกรรม ในที่ของตัวซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านของเจนน่ะแหละในจิตกับลูกพร้อมด้วยภรยาเขาก็ชวนปลูกถั่วปลูกมันสำปะหลังกับเลี้ยงสัตว์คู่กันไปแต่ฐานะการครองชีพก็เพียงไปได้วันๆเท่านั้นเองที่ดินซึ่งในจิตปลูกอาศัยหากินอยู่นั้นเคยเป็นสถานที่ของชาวขมได้เข้ามาปกครองอยู่ก่อนเป็นเวลา น, านานถึงพันกว่าปีตามที่มีไป มีผู้ที่ไปขุดพบเห็นพระพุทธรูปหินสูงเท่ากับคนธรรมดาเวลานี้ก็ยังอยู่ที่หน้าวิหารหน้าที่ว่าการอำเภอโคกปีบเดิมเป็นตำบลโคกปีบนี่นะขึ้นกับอำเภอศรีมหาโพธิ์พระพุทธรูปองค์นี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่ามีอายุพันกว่าปีมาแล้วนอกจากพระพุทธรูปศิลาที่ว่านี่ก็ยังมีวัตถุโบราณอีกเป็นจำนวนมากที่คนขุดค้นพบขึ้นมา มีเสมาธรรมจักรศิลาขนาดสี่คนหามมีศิวลึงมีหินบทยาศิลาแรงทำเป็นรูปวงกลมนะมีจำนวนมากแสดงว่าสถานที่แถบนี้คงจะเป็นเมืองร้างแล้วก็เป็นวัดวาอารามของชาวขอมมาก่อนถนนขนทางในสมัยนั่นสร้างด้วยอิดใหญ่ทั้งสายก็ยังหลงเหลือคู่กันไปกับถนนถนนราชยางปัจจุบันนะครับในจิตก็ทราบดีว่าแถ บ, บริเวณที่ที่เขา อาศัยประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของขอมมาก่อนคืนวันหนึ่งเมื่อประมาณสักสามปีล่วงมาแล้วในจิตก็นอนหลับเพราะความอ่อนเพลียที่ได้ทำงานหนักในไร่มาทั้งวันเสร็จแล้วก็เกิดมีนิมิตมาเข้าฝันตัวในจิตบอกว่ามีชายแก่รูปร่างผอมดำหัวขาวโปรนเยอะได้มาเรียกในจิตไปที่บ้านในจิตไม่เคยรู้จักรู้ว่าเห็นหน้า คนแก่คนนี้มาก่อนเลยใช่แก่ผู้นี้ก็เรียกในจิตให้เขามาใกล้ๆล้วบอกว่าจะให้รั์ไปเขาสักอย่างหนึ่งของนี้ตาแก่นี้ได้เก็บรักษามานานแล้วอยากจะแบ่งให้ผู้อื่นไว้บ้างแต่ก็ยังมองไม่เห็นคนไหนที่จะเหมาะสมในการรักษารัพ์สิ่งนั้นเห็นว่าในจิตเป็นคนดีซื่อตรงชอบไปทำบุญในวัดวาอารามอยู่เป็นนิสประกอบอาชีพในทางสาัมมาอาชีวะสมควรที่จะได้รักษารั์สิ่งนั้นไว ตาแก่ก็บอกกับนายจิตบอกว่าเออเมื่อเองได้ทรัพย์นี่ไปแล้วนะปลูกสารในข่ายอยู่สักหลังหนึ่งนะแล้วก็ทําบุญแผ่เมตตาไปให้ขะมั่งนจิตก็ยินดีรับปากกับตาแก่บอกว่ายินดีจะทําให้ทุกอย่างตามที่ตาขอร้องมานะ่ะขอให้ได้ทรัพย์ก่อนนั้นมาก่อนก็แล้วกันพอพูดจากันพอสมควรแล้วตาแก่คนนั้นก็ลากลับออกไปจากบ้าน ในจิตตกใจตื่นขึ้นก็นั่งอยู่กับที่นอนดีใจตื่นเต้นกลัวก็กลัวเพราะว่าเคยปรากฏเข้าหูในจิตอยู่เสมอว่าผู้ที่ขุดค้นของเก่าได้นั้ น, นมักจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาก็คิดว่าในสมัยเมื่อพันปีล่วงมาแล้วนี่ไอเรื่องธนาคารนี่คงยังไม่มีใครที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองหรือว่ามีทรัพย์สินนั้นมีค่า โดยมากก็จะมักจะใส่องค์ใส่ตมฝังไว้ใต้พื้นแผ่นดินที่เห็นว่าเป็นที่รับตาคนแล้วก็ปลอดภัยเสร็จแล้วก็เขียนเป็นลายแทงเก็บเอาไว้เพื่อกันการหลงลืมซัพ์รายเนี้ยเข้าใจว่าเจ้าของทรา์คงจะไม่ได้เขียนลายแทงเอาไว้หรือว่าเขียนไว้แต่ไม่มีใครค้นพบก็เลยมาประกฏตัวให้เห็นในความฝันในจิตเฝ้าแต่คอยลาบ ทรัพย์สินเงินทองในความฝันมาเป็นเวลาหลายเดือนก็ไม่เห็นเจอจนกระทั่งไอเรื่องความฝันนี่ก็ลืมไปแล้วต่อมาเป็นหน้าไถหวานในจิตไปว่าจ้างรถไถนามาทําการไถ ท, ที่ซึ่งตัวเองก็เคยทํากินมาหลายปีแล้วเมื่อไถ ท, ที่เสร็จเรียบร้อยดีแล้วในจิตก็จัดแบ่งไร่นาออกเป็นสัดส่วนก็ใช้ที่ปลูกถั่วบ้งางมันสําะหลังบ้าง เพื่อจะได้เป็นพืชหมุนเวียนสลับกันไปกับการเลี้ยงสัตว์ในจิตก็นำเอาเมล็ดถั่วที่สงไปหยอดในส่วนหนึ่งของเนื้อที่ที่ไถไว้ขณะที่หยอดเมล็ดถั่วลงไปในพื้นดินอยู่คนเดียวเนี่ยก็ได้พบพระพุทธ ร, รูปทองคำหน้าตักกว้างประมาณสักสามสี่นิ้วปะปนอยู่กับรอยไถยของดินมีอยู่หลายองค์ในจิตก็หยุดการหยอดถั่วที่ปลูกก็นั่งลงเก็บ เอาพระที่ปะปนกับรอยถ่ายขึ้นมาเช็ดถูปรากฏว่าสดใสสุขปรังเป็นเนื้อทองคำในจิตประมาด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็ใช้มือแหวกรอยถ่ายต่อไปปรากฏว่ามีพระพุทธรูปขึ้นมาอีกนับได้ถึงเก้าองค์ก็เอาใส่มือทั้งสองเนี่ยประคองมาอย่างบ้านซึ่งห่างกันก็เกือบหนึ่งกิโลเมตรในจิตอาราธนาพระพุทธรูปทองคาทั้งเก้าองค์นี่ไป ปฏิสถานไว้ยังหิ้งบูชาพระแล้วก็ออกไปบอกกับในายใจซึ่งเป็นพี่ชายอยู่บ้านใกล้เคียงกันนายจิตก็ได้บอกกับนายใจซึ่งเป็นพี่บอกว่าพี่ใจพี่ใจรีบไปเอาพระทองคำในที่ที่ชันไถกําลังปลูกถัว่วีนฉันได้มาแล้วเก้าองค์ยังเหลืออีกหลายองค์รีบไปเอามาเถอะเดี๋ยวคนอื่นเห็นเข้าจะเก็บเอาไปหมดในายใจเมื่อรู้จากน้องชายบอกอย่างนั้นก็รีบไปยังที่ปลูกถั่วแล้วนายจิตก็นั่งลงใช้มือคุยเขียอยู่สักพัก ก็พบพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ในรอยถ่ายเนี่ยแต่พอเอามือหยิบมาได้ข้างละองค์พระพุทธรูปทองคําเหล่านั้นก็เลื่อนหายลงไปในรอยถ่ายหมดในายใจก็เลยได้พระพุทธรูปมาแค่เพียงสององค์เท่านั้นในจิตจกับในายใจสองพี่น้องก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ได้แพร่งพรายให้ใครใครรู้ทั้งสองก็ยังประกอบอาชีพทําเกษตรอยู่เหมือนเดิม ในจิตเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนถานประกอบไปด้วยความอ่อนโยนเข้าวัดฟังธรรมอยู่เสม อ, อวัดใกล้ๆบ้านของแกน่ยแกก็ไปทําบุญเป็นประจำวันหนึ่งท่านอาจารย์จเจ้าวาดในวัดก็ปรารภกับคณะกรรมการของวัดกับญาติโยมบอกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นเวลาชานานแล้วพระอุโบสถก็ชํารุดสุดโทรมเต็มทีแล้วก็เล็กด้วยไม่เหมาะสมที่จะรองรับพระสงฆ์ในขณะนี้ซึ่งมีหลายองค์ด้วยกัน ก็อยากจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลังเก่าสักหลังหนึ่งคณะกรรมาการวัดแล้วก็ญาติโยมเขาต่างมีความเห็นสองฝ่ายบ้างก็ว่ายังไม่ควรก่อสร้างในระยะนี้เพราะว่าชาวบ้านยากจนมากผลผลิตในทางเกษตรก็ไม่สู้จะดีราคาก็ลดต่ำลงบางคนก็ว่าควรก่อสร้างเถอะเพื่อความเหมาะสมแก่วัดว่าอารามและเป็นศีสงาแงแก่หมู่บ้านในที่สุด เรื่องก็สรุปลงว่าควรก่อสร้างแต่ว่าค่อยทำค่อยไปตามแต่ฐานะของเงินที่หามาได้ในงานนี้ในจิตกับในายใจสองพี่น้องนี่ก็ได้มาแสดงตัวขอเข้าร่วมเป็นกรรมการวัดด้วยทางวัดก็ได้วางโครงการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้นก็เริ่มลงมือก่อสร้างใช้เวลานานถึงสามปีจึงแล้วเสร็จในจิตก็ได้นาพระพุทธรูปทองคาทีละองค์สองอ ง, องค์ให้คนในกรุงเทพเนี่ยเขาเช่าไป ก็จะได้นําเงินนั้นมาใช้จ่ายในการกินอยู่บ้างร่วมทําการก่อสร้างพระอุโบสถจนกระทั่งแล้วเสร็จคงเหลือพระพุทธรูปทองคําอยู่อีกหนึ่งองค์ซึ่งในจิตก็ได้ให้เจ้าของโรงสีไฟเช่าไปแต่ว่าเขาผลัดการชํำระเงินไปในระยะหนึ่งวันหนึ่งในจิตก็ไปขอรับเงินจากเจ้าของโรงสีตามที่นัดหมายกันไว้เจ้าของโรงสีก็บอกว่าไม่มีเงินให้อ่ะ ขอคืนพระกลับมาแต่ว่าเจ้าของโรงสีได้ทำพระพุทธรูปตกลงบนพื้นซีเมนเสียนพระพุทธรูปหักออกจากองค์ในจิตก็รู้สึกเสียใจที่เจ้าของโรงสีพูดเสียสัตว์กับตัวแต่ต้องยอมรับพระพุทธรูปองค์นั้นกลับคืนมาแล้วพอรับพระพุทธรูปกลับคืนมาวันนั้นตกเวลารังคืนไฟก็เกิดลูกลามไหมโรงสีไฟหลังนั้นเป็นเท่าทุลีไปหมดสิน้นจากวันที่ในจิต พบพระพุทธรูปทองคำล่วงเลยมานานถึงสามปีแล้วในจิตลืมคำมั่นสัญญากับตาแก่ที่ปรากฏในนิมิตฝันว่าถ้าได้ทรัพย์สินมาแล้วจะปลูกสารและทำบุญอุทิศให้กับตาแก่ผู้นั้นในระยะหลังนี่ปรากฏว่าภระยาของในจิตเกิดชักขึ้นมาเป็นประจำในจิตก็ไม่ทราบสาเหตุก็ไปหาคนทรงเจ้าเข้าผี ได้ความว่าถูกเจ้าเข้าสิงในตัวภรรยาเขาบังเมื่อไปบนบานสารกล่าวเสียแล้วอาการหายก็อ า, อาการก็หายไปเป็นปริดทิ้งทีเดียวครั้งหนึ่งราวๆกลางปี2524เมื่อพระอุโบสถได้สร้างเสร็จใหม่ๆในจิตก็ได้บวชลูกชายที่อายุครบบวชในปีนั้นขณะที่นาคลูกชายกาลังจะเข้าวิธีบวชภรรยาในจิตก็เกิดชักดิ้นชักงอขึ้นมา กลางสลาคุณสุเทพก็ถามในจิตว่าภรรยาเขาเป็นอะไรในจิตก็ตอบกับคุณสุเทพบอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ทราบว่าเป็นอะไรเมื่อบนบานสารกล่าวแล้วก็หายไปเมื่อในจิตพูดจบแล้วก็เข้าช่วยกันหามภรรยาของเขากลับไปบ้านพักเพราะว่าอยู่ไม่ไกลาจากวัดมากนัก หลังจากงานบวชลูกชายไปแล้วในจิตก็นิมิตฝันถึงตะแก่คนที่เคยปรากฏในความฝันเมื่อสามปีก่อนล่วงมาแล้วตะแก่พวกนั้นก็ยังมีลักษณะอยู่เหมือนเดิมมาคราวนี้ก็บอกกับนายจิตว่าเออเองก็ได้พระพุทธรูปทองคำไปแล้วเนี่ยนะยังมีทรัพย์เหลืออยู่อีกกรุ่นึงอยู่ทางท้ายไร่เออไปดูเถอะขุดลงไปแล้วจะเจอแผ่นหินใหญ่มันปิด ปิดกลุ่ทรัพย์สมบัติเอาไว้มีเยอะตรงนั้นเสร็จแล้วก็บอกที่เก็บทรัพย์ให้ในจิตทราบแล้วแต่แกคนนั้นก็ลาจากไปในจิตตกใจตื่นขึ้นก็นึกคราวนี้คงจะร่ำรวยกันใหญ่ก็ปกปิดความลับนี้ไว้แต่ผู้เดียวแม้แต่ในใจซึ่งเป็นพี่ก็ไม่ได้แย้มพลายให้ฟังรุ่งขึ้นในจิตตื่นนอนแต่เช้าก็คิดแต่ในใจว่าจะต้องสร้างสารตามที่รับปากไว แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตไปให้คนแก่ที่มาปรากฏในความฝันแต่ความโลภของคนเราเนะี่ยท่านผู้ฟังเป็นเหตุดลใจให้ในจิตเลิกล้มความคิดจนเสียคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์ในกลุ่ใหม่นี่เสีก่อนแล้วค่อยทำในจิตคิดว่าถ้าสร้างสารแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้แล้วเดี๋ยวตาแก่ก็ไม่ช่วยให้ตัวได้สมบัติสมความประสงค์เพราะคิดอย่างนั้นในจิตก็รีบ รับประทานอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินไปอย่างไรที่ปลูกมันสำปหลังเอาไว้ในจิตพยายามขุดลงมาในดินลึกประมาณวาเศษก็พบแผ่นศิลาใหญ่จริงๆก็พยายามใช้ค้อนใหญ่ทุบลงไปเพื่อให้แผ่นหินหน้แตกในจิตพยายามทุบอยู่คนเดียวหลายวันแผ่นหินนั้นก็ไม่ยอมแตก จากการออกแรงใช้ค้อนใหญ่ทุบแผ่นหินก้อนนั้นจนสิ้นวันที่สามก็ไม่สำเร็จเย็นวันนั้นในจิตก็เดินกลับบ้านพักผ่อนตามปกติพอตกกลางคืนในจิตก็ล้มป่วยกระทันหันไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันแน่ลูกเมียก็พาส่งโรงพยาบาลปราจีนบุรีเพื่อทำการรักษาพยาบาล น, นอนป่วยอยู่ที่ประจินบุรีเป็นเวลาสองสัปดาห์อาการป่วยก็ไม่ทุเลามีจะทรงกับสุด เมียกับลูกก็ปรึกษาตกลงกันว่าจะย้ายนายจิตออกจากโรงพยาบาลประจินบุรีไปรักษาในกรุงเทพคิดว่าคงจะดีกว่าพอตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเมียก็พาตัวนายจิตมาที่โรงพยาบาลในกรุงนายจิตนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนี้เกือบสองอาทิตย์วันหนึ่งขณะที่นายจิตนอนป่วยอยู่ในห้องพิเศษมีลูกๆผัดเปลี่ยนเวรเป็นเข้ามาเฝ้าไข้วันนั้นพอดี เมียกับลูกไปเยี่ยมในจิตกันทุกคนในจิตก็เห็นว่าเมียกับลูกมาเยี่ยมพร้อมหน้ากันก็ดีใจทั้งๆ ท, ที่ในจิตป่วยลูกเดินไม่ไหวพวกรูก้ลูกๆต้องช่วยกันอุ้มขึ้นอุ้มลงตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างไรไม่ทราบวันนั้นในจิตลุกขึ้นนั่งนั่งเองแล้วก็เดินลงมาจากเตียงพ ย, พยาบาลเสร็จแล้วก็รำวงไว้รอบๆเตียงลูกๆเห็นเข้าคนนึก แปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อถึงสามารถลุกขึ้นมารำวงไปรอบๆพวกเขาได้เหมือนกับว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมาก่อนเลยตกเย็นเมียกับลูกบางคนก็ลากลับก็เหลือไว้แต่ลูกเพียงสองคนช่วยกันดูแลเฝ้าไข้ขึ้นวันนั้นในจิตลุกขึ้นมานั่งบนเตียงได้อย่างสบายไม่จําเป็นต้องมีคนพยุงเหมือนกับวันก่อนๆในจิตก็บอกกับลูกบอกว่าเอองลงไปดู คนชั้นล่างสะว่ามีใครตายมั่งลูกคนหนึ่งก็เดินลงไปชั้นล่างตรงกับห้องที่นายจิตนอนป่วยอยู่ข้างบนนั่นแหละก็ไปเห็นคนไข้กำลันงนอนชักและสิ้นสิ้นใจต า, ตายอยู่บนเตียงคนเจ็บลูกก็ขึ้นมาบอกกับพ่อซึ่งคอยฟังข่าวพ่อพ่อคนไข้ต า, ตายตอนที่ลงไปถึงพอดีนายจิตก็พูดจึว่าก็ข้าบอกแล้ ว, วมันต้องมีคนตายอยู่ชั้นล่าง พูดจบแล้วในจิตก็ล้มตัวลงนอนตามปกตินอนหลับไปได้สักพักในจิตก็ลุกคือมานั่งบนเตียงก็อบอกกับลูกที่เฝ้าวไข้บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ที่วัดข้างบ้านจะมาเยี่ยมเอ็งเตรียมอาหารไว้ถวายท่านด้วยนะตอนเช้าพรุ่งนี้นะสั่งเสร็จแล้วในจิตกํา ล, งลงังนลมหายใจการเจ็บป่วยไข้ของในจิตไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ แพทย์ที่โรงพยาบาลลงความเห็นกันว่าเขาป่วยเป็นวันโรคขนาดหนักก็น่าแปลกใจก่อนป่วยเขาก็สามารถทำงานหนักในการเกษตรมาตลอดเวลามาป่วยลงก็เรื่องไปขุดค้นซัพ์ตามที่ตะแก่มาเข้าฝันในจิตนั่นแหละซึ่งเป็นเวลาก็ไม่กี่วันรุ่งขึ้นเช้าลูกคนหนึ่งก็มาส่งข่าวให้แม่ทราบว่าพ่อสิ้นใจเสียแล้วขอให้รีบไปรับศพมาเถอะ ส่วนลูกที่เฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลก็รอญาติจะมากันที่โรงพยาบาลไม่ได้จัดพรทหารไ ว, ไว้ถวายท่านอาจารย์อย่างที่พ่อสั่งไว้พอสายหน่อยท่านอาจารย์วัดข้างบ้านมาถึงจริงเพื่อจะถามอาการไข้ในจิตตามที่ในจิตได้บอกแก่ลูกๆไว้แล้วว่าท่านจะมาเยี่ยมในตอนเช้า ว, วันนี้ศพในจิตเมียกับลูกเขาก็รับมาบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดข้างบ้านจนครบเจ็ดวัน ก็นำมาบรรจุฝังไว้ที่ไร่ของเขาโดยทำเป็นห่วงซุยหลังจากในจิตได้ถึงแก่กรรมไปแล้วหเดือนในใจพี่ชายของเขาก็เริ่มล้มป่วยในํานองเดียวกันกับในจิตแล้วก็ได้ถึงแก่กรรมไปเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นว่าทำไมถึงเป็นไปอย่างนั้นนี่ตามความเห็นของคุณสุเทพเนี่ย เข้าใจว่าตาแก่คนนั้นคงจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่บริเวณแถวนั้นซึ่งเดิมคงจะเป็นที่อยู่ของเขามาก่อนแล้วคงจะล้มหายตายจากกันไปเนื่องด้วยศึกสงครามเข้ามาบุกรุกสมัยนั้นสถานที่ก็เป็นเมืองร้างอเป็นที่รกรางว่างเปล่าส่วนวิญญาณของเจ้าของทรัพย์คงจะล่องลอยเป็นห่วงทรัพย์สินของเขาอยู่ก็เลยไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นคนเฝ้าทรัพย์แทนเขาต่อไป เรื่องนี้จึงพิจารณาได้ว่าบุคคลผู้ขาดสัจจะและมีความโลภเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมเป็นบาปสามารถบันดาลให้เกิดความทุกข์ขึ้นได้ความชั่วย่อมนำผลร้ายมาสู่ตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับจะหลีกเลี่ยงกรรมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนประดุดเงาติดตามตัวเราไปฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านทำความดีไว้เะครับเพื่อความสุขในปัจจุบันแล้วก็อนาคต ของท่านเอง